ป้อมค่ายค้คยดังบ้านสำราญใจชนจอกใต้แสงไฟสุขหันสายามเป็นดังน้องพี่ร่วมมารดายามตายร่วมมรคาร่วมอะไรสองกังร้อยแปดวิรุรุษแห่งเขาเหลียงซานตอนที่หนึ่งพระครูจางสวดไล่หาจอมพลหงลุกแก่อำนาจปล่อยร้อยแปดอสูร ชวงบ้านเมืองทุกเข็นครั้นแม่ค้อยฟ้าก็พ้อยกระจ่างไม้แกผ่ผลิใบดังได้ฝนแรกเล่าเรียนเขียนอ่านเฟื่องฟูดนตรีสุขสดชื่นรื่นหูดังจากตรอกสู่ตรอกใต้ฟ้าเบิกบานผู้ดีนุ่งผ้าดอกคนเดินตรอกนุ่งผ้าไหมไพ่ฟ้าหน้าใสาได้นอนกลางวันวิหกนกกาเริงร่าในส่วนไม้ดอกสลกแปดวัข้างต้น รถจนาขึ้นในสมัยจกักรพรรดิเสินจงแห่งราชวงศ์ซ่งโดยบัณดิตนามว่าเศร้าหยาฟูหรือท่านกังจี้เหตุเพราะนับตั้งแต่ราชวงศ์ถังล่วงสู่ห้าราชวงศ์บ้านเมืองที่เคยมีแต่ร่มเย็นเป็นสุกกลับเต็มไปด้วยกะลียุกราชวงศ์สั้นๆสถาปนาเลียงหน้ากันขึ้นครองสมดังคำกลอนที่ว่าจู่หลี่ซื่อหลิวเกาสร้างเหลียงถังจินฮั่นโจมาล้าง ห้าสิบปีสิบห้าจักรพรรดิครองผืนปฐพีดังดา ด, ด้วยทุกข์แต่สวรรค์ก็มีตาจึงส่งไทจูจอมราชนแห่งการศึกลงมาจุดติที่เจียม่ายิงตอนพระองค์เกิดผีตาพระอ้อมแดงฉานไปทั้งฟ้ากลิ่นสุ ข, ขนทรสหอมตลบอบอวนจวกจนล่วงเข้าสู่วันใหม่พระองค์คือเทพอสุนิบาทเดจลงมายังโลกน้ำพระไทยกว้างใหญ่ระโดดแม่น้า อาหานชาญสงครามเหนือจักรพัดองได้ในแผ่นดินด้วยไม้พรองสูงเพียงตาพระองค์กำราบปราบปรามบรรดาหัวเมืองและแว่นแคว้นใหญ่น้อยกว่าห้าร้อยเข้ามาอยู่ในขอบขันตศิมาสถาปนาที่ราบตอนกลางแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขแล้วเรียกขานอาณาจักรของพระองค์ว่ามหาอาณาจักรส่งพระองค์ก่อตั้งราชสนักขึ้นที่เปี้ยเหลียงปัจจุบันคือเมืองไคเฟิง และปราบดาพิเศษขึ้นเป็นประถมบรมมหากษัตริย์แห่งบรรดาจั ก, กรพรรดิซ่องทั้งสิบแปพระองค์ที่ครองราชซืบต่อกันมานานกว่าสี่ร้อยปีสมดังที่ท่านเศร้าเหยาฟูสันเสริญไ ว, ว้ในวรรคที่ว่าครั้นแม่คร้อยฟ้าก็พลอยกระจ่างเพราะในสายตาไพ่ฟ้าข้าพ่นดินดวงตะวันได้หวนคืนสู่โลกอีกคราแล้วจริงๆยามนั้นบนเขาหัวซาน อันเป็นเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์เบื้องประจิ n ทิศมีนักพรตเต่าผู้หนึ่งอาศัยอยู่นามว่าเฉินต่วนเต้าสือท่านนี้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรวันหนึ่งขณะขี่ลาลงมาจากเขาเมืองหัวหญินท่านได้สะดับคนสัญจรตามทางสนทนากันว่าแม่จกกักรพรรดิใช่ซื่อจงแห่นงนครหลวงตะวัน อ, ออกเวรราชสมบัติให้จอมพลเจ้าแล้วพอได้สดับตรับฟังดังนั้น เฉินก็เอามือตบหน้าผากหัวเราะจนตกหลังลาพ่อถามว่าเหตุไหนจึงยินดีได้ถึงเพียงนี้เต้าสือก็ตอบว่าจักรพรรดิพระองค์นี้จะครองราชบัลลังก์มั่นคงสือไปสมดังเจตนาฟ้าเบื้องบนกดแห่งปัตตพีเบื้องล่างกับใจมนุษย์ที่อยู่วางกลางจอมพลเจ้ารับการสละราชสมบัติในปีเก้าหกสิบ และก่อตั้งราชวงศ์ของพระองค์เองขึ้นพระองค์ปกครองอยู่17ปีทั่วแผ่นดินมีแต่สันติสุขไทจงพระอนุชาขึ้นสืบแทนและครองแผ่นดินต่อมาอีก22ปีหลังจากไทจงแล้วก็มาเฉินจงแล้วในที่สุดก็สืบต่อลงมาจนถึงเจินจจเจ้นจงจักรพรรดิเจิ้นจงที่แท้เป็นเซียนเท้าเปล่ากลับชาติมาเกิดเมื่อครั้งเสด็จลงมาบนโลกใหม่ๆพระองค์กันแสงทั้งวันทั้งคืน ราชสนักต้องเป่าประกาศเชิญคนดีมีวิชามารักษาสวรรค์ก็มีเมตตาจึงส่งดาวทองขาวแปลงกายเป็นชายชาราสเสด็จจากฟ้าลงมาแก้ไขพอฉีกใบบอกเจ้าพนัก ง, งานผู้รับผิด ช, ชอบก็พาเข้าไปในพระราชฐานพระจกักรพรรดิโปรดให้เข้าเฝ้าจนจงจนถึงในอู่ชายชาราเดินเข้าไปอุ้มพระราชอรถขึ้นกระซิบใส่หูสั้นๆเพียงแปดคทันใดนั้น พระโอรสก็หยุดร้องไห้เราปลิดทิ้งชายชราอันธานหายวับไปกับตาไม่แม้แต่จะประกาศฉายาแห่งตนแล้วแปดพยายามที่ว่านั้นคืออันใดกันเล่าอ๋อไม่ใช่อื่นใดบูมีเทพแห่งบูบุญมีเทพแห่งบุญ <c oughs> จิงดังว่าเง็กเสียนห้องเต้จักรพรรดิบนสูงสวรรค์ได้ส่งดาวฤกษ์สองดวง จุติลงมาเป็นข้าบาทในจกักรพรรดิพระองค์ใหม่ดาวประจำเมืองฝ่ายบุญ น, นั่นก็คือเป่าเจิง้งสมหะเทสาพิบาลกรุงไข่เฟิงสมาชิกอาวุโสแห่งราชรดบดณฑิตยสภายันมังกรหรือสภาหั่นหลินส่วนดาวสงครามฝ่ายบูนั่นก็คือตี้ฉิงขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ญาติราทัพไปกำราบอาณาจักรเสีย้ยทางด้านประจิมทิศ ด้วยบุญบา ร, รมีของสองมหาอามาตย์พระเจ้าจินจงทรงครองราชอยู่นานถึงสี่สิบสองปีรัชสมัยของพระองค์แบ่งการปกครองออกเป็นคาบคาบคาบละเก้าปีเก้าปีแรกในเถียนเซงิงศกทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปอย่างราบรื่นการเก็บเกี่ยวพักสาหารอุดมสมบูรณ์ไร่ฟ้าอนาประชาราชมิได้สันติสุขไม่มีผู้ใดหยิดฉ่วยข้าวของที่ตกหลน่นอยู่ตามถนนหนทางตกค่ําคืนไม่ต้องลั่นด่านประตู คนทั้งสิ้นสรรเสริญว่าเป็นยุคบริบูรณ์ที่หนึ่งอีกเกปีต่อมาจากหมิงเต้าศกไปสู่ปีที่สามในหวางหยูศกถือเป็นยุคบริบูรณ์ที่สองเกปีที่สามจากปีที่สี่ในหัวหยูสกถึงปีที่สองในเจียหยูศกไรนาก็ยังอุดมสมบูรณ์และถือเป็นยุคบริบูรณ์ที่สามเก้าปีสามครั้งรวมทั้งสิ้นสีิบเปีเป็นที่รู้จักกันในานาม ยกสามบริบูรณ์ไพร่ฟ้าไพบรหน่าใสใครเลยจะไปคิดว่าความสุขสันหันสาจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งภัยพิบัติที่กำลังจะกลายมาสู่และแล้วในฤ ด, ดูใบไม้ผลิปีที่สามในเจียหยูศกนี้เองห่าก็ลงกินเมืองอนาบริเวณใต้นครหลวงตะวันออกกับนครหลวงตะวันตกลงไปไม่มีหมู่บ้านใดเลยจะรอดผลภัยพิบัติในครั้งนี้ ใบบอกจากหัวเมืองต่างๆหลั่งไหลเข้ามาจนท่วมราชสำนักในเมืองหลวงตะวันออกทหารกับใครพลเมืองกว่าครึ่งต้องโรคหาเป่าเจิ้งสมุหเทาภิบาลเมืองใครเฟิงพิมพ์ตํารายาหลวงออกแจกจ่ายเอาเงินทองส่วนตัวออกจ่ายว่าจ้างหมอยาให้ออกช่วยเหลือรัษดรแต่ก็ไร้ผลหายิ่งลุกลามหนักขึ้นอีกในที่สุดมหาอมาตผู้นี้ก็จำต้องเรียกประชุมหมู่อมาตใหญ่น้อย ไม่ว่าจะสังกัดกลาโหมหรือมหาไทยฝ่ายยังไม่ทันสางดีเหล่าเสนาบดีก็มาชุมนุมกันที่พระที่นั่งหอนาฬิกาน้ำรอให้ราชสำนักเปิดเพื่อจะได้ทูลถวายดีกาแด่องค์พระจกักรพรรดิวันนั้นเป็นวันที่สามเดือนสามปีสามแห่งเจียหยู่ศพพอได้เวลายกสามยามห้า จกกักรพรรดิเจ้นจงเสด็จขึ้นนั่งบัลลังก์หมู่เสนาบดีถวายสักการะสมุหาราชพิธีเป่าประกาศว่าเอา้าผู้ใดมีดีกาให้นำมาทูลถวายหากไม่มีแล้วใสราชสนักจะปิดเจ้าจ้อสมุหานายกกับหวนเอียนโป้อุปนายกก้าวออกมากราบบคมทูลว่าขอเดชะหาลงกินเมืองจนเหลือกำลังจะรับแล้วพระเจ้าค่ะ ทั้งทหารและไฟฟ้าข้าพนินต่างล้มตายลงไปอันมากว่าข้าพเจ้าหวังว่าพระองค์จะทรงมีพระเมตตาการุณายกเว้นภาษีลดโทษจำคุกและสวดอ้อนวอนสวรรค์ให้เสด็จลงมาช่วยเหลือวงประชาราษฎรให้รอดพ้นภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะบัดเดี๋ยวนั้นเององค์พระจกักรพรรดิก็มีรับสั่งให้ราชบัณฑิตสภาหันหลิน ตราพระรมราชองการประกาศนิรโทษกรรมนักโทษทุกผู้งดเก็บภาษีทุกประเภทและยังบัญชาให้วัดวาอารามวิหารศาลเจ้าทุกแห่งในเมืองหลวงตั้งโรงพิธีสวดไล่เพศภัยครั้งนี้แต่หากกลับยิ่งลุกลามไปใหญ่พระจกักรพรรดิให้วิตกยิ่งนักจึงตรัสเรียกหมูเ่เสนาอมาตเข้าเฝ้าอีกคันรบหนึ่งเสนาบดีผู้หนึ่งรัดอันดับสืบเท้าออกมาร้องขอให้พระองค์สดับความ เมื่อพระจกักรพรรดิทอดพระเนตรออกไปก็เห็นเป็นฟานจงเอี้ยนอุ ป, ปนายกอีกผู้หนึ่งในพระองค์นั่นเองฟานประสานมือขึ้นจดอกคุกเข่าเอาสองมือแตะพื้นก้มลงโขกศีรษะแล้วลุกขึ้นกราบทูลว่าฮ่ายังลุกลามไปไม่หยุดคราชีวิตทหารและพระเรือนของเราไปอีกเป็นอันมากไม่มีผู้ใดจะรอดพน้นตามความเห็นของใต้ฝาละอองทุลีพระบาท หากคิดจะระ ง, งับยับยั้งโรคนี้ให้ได้พระองค์พึงเรียกหาพระครูเทพแห่งลัทธิเต๋าที่สืบทอดตาแหน่งกันมาตั้งแต่ครั้งยุคฮั่นฮั่นเชิญพระครูเทพให้รีบรุดไปยังพระนครหลวงทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วตั้งโรงสวดจัดพิธีขึ้นที่สวนหลวงเห็นหนีแต่หนทางนี้เท่านั้นที่ไพร่ฟ้าจะรอดพ้นพยันตรายพระจุค า, าพระเจ้าจิ้นจงทรงเห็นชอบ พระองค์หันไปบัญชาราชบัิฑิตฮั่นหลินตราพระบรมราชองการโดยพระองค์ทรงลงพระประมาพิไทยเองเบิกทูบหลวงออกจากพระคังหอหนึ่งแล้วบัญชาให้จอมพลหงสินเป็นข้าหลวงผู้แทนพระองค์ออกเดินทางไปยังเทือกเขาพยักมังกรในเขตจังหวัดสินโจมนทนเจียงสี่แล้วอัญเชิญพระครูเทพจางมาดาบรับสั่งเมื่อให้จุดเครื่องหอมที่ท้องพระโรงแล้ว พระจกักรพรรดิจึงมอบพระบรมราชองการใส่มือจอมพลหงแล้วมีพระบัญชาให้รีบเดินทางออกไปโดยไวไม่ให้ชักชา้าจอมพลหงรับพระบรมราชองการใส่เกล้าวถวายบังคมลาจากักรพรรดิอัญเชิญพระราชองการขึ้นสะพายหลังถือธูปหลวงใส่กล่องทองไว้ในมือแล้วปีนขึ้นมา้าควบนําขบวนออกจากเมืองหลวงตะวันออกมุ่งตรงไปยังตำบลปุยสีในเขตจังหวัดซิงโจโดยไว ผ่านไปได้หลายวันขบวนราชทูตก็ลุกเข้าเขตจังหวัดสิงโจเจ้าพนัก ง, งานท้องที่ทั้งสูงและต่ำต่างพากันออกมาคาราวะจอมพลหงพวกเขาส่งคนล่วงหน้าไปแจ้งเจ้าสำนักและนักพรตเตาคนอื่นๆที่วิหารเลิศดพิสุทธิ์บนเทือกเขาพยัคฆ์มังกรให้คอยรับพระราชโองการวันรุ่งขึ้นบรรดาเจ้าพนัก ง, งานในจังหวัดก็พากันไปส่งจอมพลหงที่ตีนเขา ขบวนนักพรตเตาประโคมค้องกลองขึ้นพร้อมกันเริ่มดีดสีตีเป่าบรรเลงเพลงสวรรค์จุดธูปถือเทียนแบกฉัดถือธงเคลื่อนลงมารับขบวนราชทูตพากลับไปยังหมู่วิหารพอไปถึงจอมพลหงพูดแทนพระองค์ก็ลงจากหลังมา้าบรรดานักพรตทั้งหลายนับตั้งแต่เจ้าส น, นักลงไปจนถึงสามเณร น, น้อยก็เข้ามาห้อมล้อมพาไปยังวิหารสามพิสุทธ์บอกให้จอมพลหงอัญเชิญพระองค์การขึ้นไว้บนแทน่น พอมาถึงจอมพลหงก็ถามเจ้าสานักด้วยความแปลกใจว่าอ้าวแล้วท่านพระครูเทพไปอยู่เสียที่ไหนกันเล่าฮะท่านเจ้าอาวาสเจ้าสานักก็ตอบว่าได้เท้ากรุณาขอรับพระคุณท่านต้องเข้าใจเสียก่อนพระครูของเราได้ชื่อว่าพิสุทธิใสท่านถือศีลกินมังสวิรัตเป็นที่เคร่งครัดนักไม่มีผู้ใด กล้าไปรบกวนท่านด้วยกิจธรรมดาสามัญต่างๆอย่างเช่นรับสงแขกไปใครมาฉั น, นี้ท่านจึงปลีกตัวขึ้นไปสร้างกระท่อมบำเพ็ญธรรมะบ่มเมพาะจิตวิญ ญ, ญาณอยู่บนยอดเขาพูนเสนาหงว่าแต่เราถือพระร่มราชงการมาด้วยฉันไหนจึงจะได้พบท่านท่านเจ้าอาวาสว่า โรดอันเชิญพระดาศองการไว้ในวิหารนี้แหละไม่มีใครกล้าคลี่ดูดอกพระคุณท่านโรดเข้ามารับน้ําชาในวิหารนี้ก่อนแล้วค่อยคิดอ่านกันจอมพลหงทําตามพอสุดตัวลงนั่งท่ามกลางหมู่เจ้าภาพก็มีคนเอาน้ําชาและอาหารมังสวิรัตหลายชนิดออกมาบริการหลังอาหารจอมพลหงเอ่ยขึ้นกับเจ้าสานักอีกว่า พระคุณเจ้าว่าพระครูเทพอาศัยอยู่ในกระท่อมบนเขากระนั้นหรือขอรับเหตุชนไหนจึงไม่ไปกราบเรียนท่านลงมารับพระชองคการเสียที่นี่เล่าท่านเจ้าอ า, าวาสว่าผูกแล้วประสกพระครูท่านเพีกตัวจากโลกขึ้นไปอยู่บนนู้นแต่เว่าพระครูท่านมียานวิถีคีเมฆดันหมอกจนยากจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วท่านอยู่ที่ใดกันแน่ พวกเราก็แค่นักพรสธรรมดาธรรมดาน้อยครั้งนักจะได้พบเห็นท่านแล้วเราจะขึ้นไปขอให้ท่านลงมาได้อย่างไรกันฮะเสนาหงว่าข้าจำต้องพบท่านให้ได้หากำลังกินเมืองพระจกักรพรรดิทรงกำชับให้ข้านำพระชงการกับทูบหลวงมาอัเชิญพระขูเทถไปปัดเป่าโรคภัยช่วยเหลือพวงอาณาประชาราษฎร แล้วใช่ค่ะทำฉันไทย ด, ดีฮะท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสว่าถ้าเช่นนั้นก่อนอื่นพระคุณท่านต้องพิสูจน์ศรัทธากล้าแข็งและแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เสียก่อนคือห้ามบริโภคเนื้อสัตว์อาบน้ำขัดสีชวิวันให้สะอาดผ่องใสเปลี่ยนมนุ่งผ้าเนื้อหยาบแบกพระราชองค์การใส่หลังถือพระอกใส่ทูบเผา เดินขึ้นเขาไปแต่เพียงลาพังพอไปถึงก็ให้คุกเขาแล้วกล่าวอัญเชิญท่านพระครูด้วยเสียงอันดังบางทีพระคุณท่านอาจจะมีวาสนาพบท่านพระครูก็เป็นได้แต่หากพระคุณท่านไม่จริงใจแล้วใสขึ้นเขาไปก็รั้งแต่จะเสียประโยชน์เปล่าเปล่าเปลี่ยนปลี่ไม่มีทางที่จะได้พบเสนาหงกล่าวว่า ก็นับตั้งแต่ออกจากเมืองหลวงมาข้าก็ยังไม่เคยแตะต้องเนื้อสัตว์เลยนั่นไม่พอที่จะแสดงศรัทธาอีกหรือแต่เอาเถิดข้าจะทำตามพระคุณเจ้าพรุ่งนี้เช้าจะเร่งขึ้นเขาไปก่อนเลยแล้วทุกคนก็ลากันไปพักผ่อนวันรุ่งขึ้นพอลุกยามเช้าบรรดานักพรถก็ตระเตรียมน้ำท่าจัดหาอาหารมังสวิรัตให้จอมพลหง หลังอาบน้ำชำระร่างกายหมดจดแล้วจอมพลหงก็เปลี่ยนไปนุ่งห่มผ้าเนื้อหยาดใส่เกี้ยฟฟางกินอาหารเช้าพอสางก็เอาผ้าเหลืองห่อพระรมราชงการมัดสะพายไหล่ไขว้หลังมือถือพระอบห้อยสายโซ่ตั้งกระถางใส่ทูบหลวงแล้วจุดไฟควันหอมกลุ่นก็ฟุ้งตลบขึ้นอบอวนบรรดานดักพรตพาไปหลังอารามชี้ทางขึ้นภูให้ท่านเจ้าอาวาสว่า ถ้าตั้งใจจะช่วยเหลือปวงประชาราษฎร์จริงๆแล้วใช้พระคุณท่านจงอย่าได้ทอถอยเป็นอันขาดเดินหน้าต่อไปให้เคร่งครัดพ่อกล่าวอำลานักพรสเต๋าโอมอ่านเวทมนต์เรียกประชุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกให้มาอำนวยอวยชัยคุ้มหัวตัวเสด็จจอมผลหง ก็ดุ่มเดินขึ้นเขาไปตามลาพังกระถางใส่ทุกหอมที่ผูกไว้ปลายโซ่แก่งไกวไปตามจังหวะเท้าพอก้าวขึ้นมาตามทางที่ลดเลี้ยวรกชัดได้สองสามลี้ข้ามยอดเขามาได้หลายลูกไม่ช้าฝ่าเท้าก็ระบมเจ็บปวดรวดร้าวเน็ดเหนื่อยเมื่อยปวดไปทั้งขาราวจะก้าวไม่ออกจอมพลหงรำพึงอยู่ในใจไม่ให้มีเสียงว่า ตัวกูนี้เป็นถึงเสนาบดีฉันผู้ใหญ่ตอนอยู่เมืองหลวงยามกิดก็กินทิ้งกินคว้างยามนอนก็นอนฟูกหนาถึงสองชั้นแต่กระนั้นก็ยังหาเรี่ยวแรงไม่มีแล้วนี่กูมาใส่เกีย้ยปีนเขาไปหาส่วนวิมาณอะไรกันวัเนี่ยฮะแล้วใครจะไปรู้ว่าท่นานพระกูแทบอยู่ที่ใดแล้วใหญ่กูจะต้องมาทนทุกข์เขไวทธนาอยู่เยี่ยงนี้ด้วยเราเฮ้ จอมพลหงหอบกระเสา่าจนซี่โครงรวนก่อนจะรวบรวมกำลังก้าวต่อพอมาได้อีกสักห้าสิบก้าวลมกลุ่มหนึ่งก็กันชกกรูเกลียวเต่าผ่านช่องเขาลงมากลาวใหญ่พอลมสงบพลันก็มีเสียงคำรามดังลดอดออกมาจากหลังดงสนเสือลายพาดก้อนขนาดใหญ่ตัวหนึ่งเผ่นผลออกมาสองตาปูดโปนหน้าผากเด่นเฮีย จอมพลหงเอตเปโรลันหงายหลังตึงเสือสมิงจอมขมิงวนซ้ายทีขวาทีแล้วคำรามขึ้นอีกครั้งก่อนจะเิ็นแ้วลงเขาหายลับไปจอมพลหงนอนแผ่หลาอยู่ใต้ต้นไม้ฟันฟางกระทบกันดังกึกกึกหัวใจเต้นตน้นประหนึ่งโยนครูดถังพร้อมกันสักสิบห้าใบครูดลงไปตักน้ำในบ่อตัวชาปานว่าหัวใจจะหยุดเต้นขาแข้งสั่นสิ้นเรี่ยวแรง หมอกกระแตแพ้ราบเราไก่ชนพ่า ย, ายได้แต่ครั้งอยู่งิ้งงิ้งเกืบตายแล้วโกนับตั้งแต่เสือหนีไปเวลาล่วงไปได้สักชาหมดจอกจอมพลหงค่อยๆกระสึกกระสนคลานสี่ตีนขึ้นยืนหยิบพระอกขึ้นตั้งจุดทูบขึ้นใหม่แล้วเดินเข้าไปตามหาพระครูเทพต่อจอมพลหงปีนขึ้นไปได้อีกราวห้าสิบเก้า ก็หยุดถอนหายใจ hey. าอองพระจกักรพรรดิไม่ได้เขียเส้นตายเอาไว้แล้วก็อูอ้คงไม่จำเป็นต้องมาทนกัวอยู่อย่างนี้เป็นแน่ hey. แขนใจนะักคิดยังไม่ทันสิ้นกระแสประสาทลมกล้าหอบใหญ่ก็หอบกลิ่นเหม็นเนา่าเข้ามาปากหน้าจอมพลหงได้ยินเสียงขูฟ่ฟอฟอหมูใหญ่ตัวหนึ่ง ลำตัวหน้าตัดขนาดถังไปย่ำย่อมพร้อมจุดขาวราวเกล็ดหิมะลายพร้อยก็เลื้อยออกมาจากกอไผ่ข้างทางตายตายแล้วกูโอ้โหอูตายแน่แล้ววันนี้เฮ้ยจอมพลหงอุทานผะงะถอยหลังกระแทกชนหินข้างทางทพระอกพันหลุดมืองูใหญ่เลื้อยปราดเดียวก็ไปถึงขดหินเบื้องหน้าแล้วขึ้นไปขดชูหัวพันตัวขนดขึ้นไปเป็นชั้น ดวงตาเป่งประกายสีทองแนบลิ้นเลียอากาศสสแยะปากแล้วสังรากไอพิษใส่หน้าจอมพลหงจอมพลหงตกใจจนขวัญสามบินวิญญาณเจ็ดกระเจิงพญางูจ้องใส่ไม่ละตาแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเลื้อยทะไหลลงหน้าผาหายลับไปอีกเวลาผ่านไปอีกนานกว่าที่จอมพลหงจะค่อยๆเรียกสติกลับคืนมาได้ เฮ้ยชอกยังดีเอ้ยเกือบตายไปแม่จอมบนหงพึมพำทำอากูต ก, ตกใจขี้ทบแตกเลยเฮ้ยคนลุกทั่วสารพางกายนึกแช่งชักหักกระดูกเต้าสื่อเจ้าสำนักแม่ช่างยับคครนักเล่นตลกกับกูคงคูกูถ้ากูขึ้นไปไม่พบพระครูเทพแล้วก็มึงกูจะกลับไปคิดบัญชีกับมึงให้จงได้เฮ้ย เล่นก็ใครไม่เล่นเล่นก็ชทอคพลหงชนะมึงว่าพรางก็ก้มลงเก็บพระอบเงินปัดเศษดินหินทรายออกจากเสื้อผ้ากระชับพระจรงการบนหลังให้เข้าที่ขยับหมวกพอจะกล้าออกไปพันได้ยินเสียงคลุยผิวแผวแว่ววอนดังสะท้อนออกมาจากหลังดงสนเสียงคลุยใกล้เข้ามาเรื่อยๆแลแล้ววัวสีน้นตาลเหลืองตัวหนึ่งก็โผล่ชะงอนผ้าออกมา เนนน้อยที่ขี่อยู่บนหลังยิ้มพรางผิวคุยเงินไปพรางจอมพลหงตะโกนถามไปว่าเอ <ST S 1> ้าเจ้ามาจากไหนล่ะนะฮะรู้ไหมว่าข้าเป็นใครเนนน้อยยังไม่หยุดเป่าจอมพลหงตะโกนซ้ำไปอีกหลายคราเนนจึงได้หันมาพอเห็นก็หัวเราะร่วนเอาครวยเงินชี้มาที่จอมพลหงฮ่า <ST S> ท่านมาหาท่านพระครูไม่ใช่หรือ สำมั่นเนน้อยเอ่ยจอมพลหงษ์ชะโ ง, งนชา ง, งายแล้วพูดว่าก็เจ้ามันแค่เด็กเลี้ยงควายเหตุชไหนจึงได้รู้รอะฮะเนนน้อยตอบยิ้มยิ้มก็เมื่อตอนเช้าข้าปริบัติพระครูเทพอยู่ที่กระท่อมบนเขาเมื่อเช้านี้แหละท่านบอกเองว่าพระจกักรพรรดิทรงจอมพลหงษ์พร้อมทูตหลวงกับพระชงการขึ้นเขามาเชิญข้าไปสวดไล่หายังเมืองหลวงตะวันออกข้าจะขี่หลังกระเรียน ด้านเมฆไปในวันนี้แหละป่านนี้ท่านพระครูคงจะไปนานแล้วท่านไม่อยู่ที่กระท่อมรอกขืนปีนเขาขึ้นไปไร้ประโยชน์เปล่าภูเขาลูกนี้เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอท่านอาจจะถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้นะฮะจอมพลหงถามว่าที่เจ้าพูดนั้นเป็นความจริงหรือเน่ น, น้อยได้แต่หัวเราะไม่พูดอะไรเป่าครวแล้วขี่วัวลับโค้ง จากไปในบัดนจอมพลหงึกนึกสนเทหเหตุฉันไหนเด็กเพียงนี้จึงได้รู้แจ้งกิจการงานเมืองดีถึงเพียงนั้นนะคงจะได้ฟังมาจากปากพระครูเทพท่านจริงๆนั่นแหละแต่กระนั้นก็อดลังเลใจไม่ได้แม่เราเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาก่อนหลายคราอย่ากระนั้นเลยกลับลงเขาไปเสียถ้าจะดีกว่ากะรามังฮะ ว่าพรางก็รีบเก็บรวบรวมทูกก้าวลงเขากลับลงมาตามทางเก่าบรรดาพวกนักพรตก็ออกมารอรับแล้วพาเข้าไปนั่งในวิหารท่านจเจ้าอาวาสถามว่าพระคุณท่านได้พบพระครูเจ้าแล้วหรือชั้นไหนเสนาหงว่าแม่ข้าเป็นถึงเสนาบดีใหญ่ในพระราชสำนักเหตุชไหนจึงกล้าปล่อยให้ขา้าขึ้นเขาไปแต่เพียงลาพัง ทิ้งให้ข้าต้องตกระกมลำบากจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเกือบตายไปเสียก่นหลายหนตอนแรกพอขึ้นเขาไปได้สักครึ่งทางเสือลายพาดกรอนตาโปนหน้าผากเด่นตัวหนึ่งก็กระโดดออกมาจากข้างทางทำเอาขวัญห น, นีดีฟอไปครั้งหนึ่งแล้วแต่พอเลี้ยวไปได้อีกหน่อยงูใหญ่หลายขาวก็เลยเออกมาจากกอไผ่ขดตัวเป็นชั้นๆขวางกั้นเอาไว้อีกถ้าโชคไม่ช่วยคงม้วยไม่รอดกลับไปเมืองหลวงแน่แน เหตุ hey, ทั้งหลายทั้งสิ่นนี้ก็ล้วนแล้วแต่เพราะความผิดของนักพรตอย่างพวกเจ้าที่จงใจเล่นตลกกับข้าเจ้าอาวาสว่าเหตุชนไหนนักพรตผู้ํำต้อยเ like like ช่นพวกข้าพเจ้าจะอาจหารถึงขั้นไปกระด้างกระเดืองเอาเรื่องกับท่านเสนาบดีผู้ใหญ่เช่นนี้ล่ะฮะทรอยท่านพระครูคงจะทดสอบจิตใจพระคุณท่านการังแม้บนเขาของเราจะไม่งวงเงี้ยวเขี่ยวขอ แต่ก็ไม่เคยทำอันตรายผู้ใดเซนาหงว่าตอนทั้นข้าเกือบจะเดินต่อไปไม่ไหวแล้วแต่พอจะฝืนทนไปเนน้อยผู้หนึ่งก็ขี่วัวสีน้ำตาลอ่อนเป่าครุยโผล่เงื่มผาออกมาข้าถามว่าเจ้ามาจากไหนรู้จักข้าไหมเนน้อยผู้นั้นตอบว่าข้ารู้เรื่องท่านหมดแล้วพระครูเทพบอกว่าท่านจะรีกเกรียนตั้นเมฆไปเมืองหลวงตะวันออกเช้านี้ จึงได้กลับลงมานี่แหละเฮ้ยท่านจเจ้าอาวาสอุทานว่าตายจริงตายจริงท่านจอมพลท่านตายเท้าการุณาพระคุณท่านพลาดโอกาสเสียแล้วเน้นน้อยรูปนั้นแท้ที่จริงก็คือพระคุเทพท่านนั่นเองเสนาหงอุทานว่าโอ้ เจ้าเด็กบ้านนอกเคกะนายิ่งนั้นน่ะหรือฮะท่านเจ้าอาวาสว่าโอ้ว่าพระครูเทพในยุคเ่านั้นให้ประหลาดนะักแม้จะแหละดูเหมือนเด็กแต่กลับยังรู้ดินฟาร์มหาสมุทรเจียวชานที่สุดในธรรมวิถีพวกท่านหาใช่สามัญชนคนธรรมดาไหมอยากจะแปลงเป็นอะไรก็ได้ดังใจปรารถนาชาวบ้านจึงพากันเรียกท่านว่าเทพแห่งธรรมวิถี จอมพลหงว่าได้พบแต่กลับไม่รู้จักหนะ้าโออานิจาช่างอาารรงนาจิงเนาะเราท่านจเจ้าอาวาสกล่าวว่าไม่เป็นไรดอกท่านจอมพลเมื่อพระครูท่านรับปากว่าจะไปพอตอนที่พระคุณท่านกลับไปถึงเมืองหลวงตอนนั้นพิธีสวดไล่หาก็คงจะแล้วเสร็จพอดีได้ฟังดังนั้นจอมพลหงก็ให้คลายใจเจ้าสานักจึงสั่งให้ตั้งโต๊ะเลี้ยงแขก บอกให้เอาพระราชโการอัญเชิญลงไปเก็บไว้ในหีบเก็บพระราชสารเพื่อจะได้รักษาให้คงอยู่สืบไปและเอาทูบหลวงมาจุดขึ้นในวิหารสามพิสุทธิ์อาหารมังสวิรัตถูกนำออกมาเลี้ยงฉลองกันยกใหญ่ผู้คนพากันดื่มกินกันไปจนมืดคำ่ำก่อนจะอำลาไปพักรุ่งขึ้นหลังอาหารเช้าเจ้าสำนักบรรดานักรถ พร้อมด้วยผู้ดูแลวิหารก็เชิญจอมพลหงออกไปเดินรับลมชมวัดจอมพลหงตอบรับด้วยความปลื้มปิติเนเน้อยสองคนเดินนําหน้าพาผู้แทนพระองค์ออกจากวิหารขาบวนแห่แหนก็ตามไปเป็นแถวยาวเหยียดลัดล็อกซอกซอนไปตามสวนทุมพุ่มไม้และหมู่วิหารน้อยใหญ่ชื่นชมทัศนียภาพอันงามตาพอถึงวิหารสามพิสุทธิ์ มันเป็นวิหารประธานก็มีคนเอาของล้ำค่าออกมาให้จอมพลหงดูเสร็จจากมหาวิหารเบื้องซ้ายของฉนวนเป็นหอนบพรัรวันหอสุบ พ, พระฤกและหออุดอรฤกส่วนทางเบื้องขวาเป็นหอบรรพชชีวินหอไตกรกะถาและหอขจัดมานด้านหลังหมู่วิหารที่ฉนวนเบื้องขวาพ่านก็เห็นตึกหลังหนึ่งผนังแดงดั่งทาพริกหน้าต่างลูกกรงจำหลักด้วยลวดลาย ทาสีแดงเลือดนกทั้งสองบานตั้งประกบอยู่สองฝากประตูบานใหญ่ลูกด่านไม้ท่อนเท่าแขนขัดแน่นไว้เป็นกรอนหน้าประตูยันกระดาษหลายสิบแผ่นปะปิดร่องรูไล่ตามแนวบรรจบของช่องประตูอย่างมิดชิดแน่นหนาะตราแดงนับไม่ถ้วนประทับกำกับยันไว้อีกคำรบหนึ่งใต้ชายคาด้านหน้าตึกมีแผ่นป้ายจ่ารึกด้วยอักษรทองเขียนกำกับไว้ว่าหอสยบมานท่านจอมพลหงถามว่า หอนี้มีไว้ทำไมกันล่ะฮะท่านจเจ้าอาวาสท่านจเจ้าอาวาสตอบว่าหอแห่งนี้เป็นที่ที่ท่ทานป ร, รมาจารย์รุ่นก่อนๆเอาไว้ขังปีศาจขอรับจอมพลหงถามว่าชันไหนจึงมียันต์ปิดเอาไว้มากมายถึงเพียงนี้ล่ะฮะท่านจเจ้าอาวาสตอบว่าท่านป ร, รมาจารย์น้าว่าเจ้าราจะทำวิธี ขังปีศาจร้ายเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ครั้งแผ่นดินถังแล้วต่อมาประมาจารย์รุ่นหลังๆก็พากันเขียนยันประทับกำกับไวห้ามไม่ให้คนรุ่นหลังไปเปิดหากปีศาจเล็ดลอดหนีไปได้แผ่นดินจะเดือดร้อนเป็นไฟกลียุคนับแต่นั้นก็มีประมาจาร์สืบทอดกันมาเก้าชั่วคนยังไม่มีผู้ใดกล้าละเมิดคาสั่งของพวกท่านมีคนเทสัมฤท หลอมอุดประแจอดอกนี้ไว้ไม่มีใครรู้ว่าข้างในเป็นอะไรดอกอตาตมฮหปกครองวัดนี้มาสามสิบปีแล้วก็รู้เพียงเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาและเท่าที่เล่าให้ท่านเสนาหงฟังก็เท่านั้นขอรับจอมพลหงนึกประหลาดใจนักพูดว่าเราใครจะเห็นปีศาจกับเขาสักทีพอนึกได้ดังนั้นก็หันมากล่าวกับเจ้าสานักว่า วนันท่านจงเปิดประตูออกเถิดข้าอยากดูว่าปิศาจน้าตาเป็นเช่นไรท่านจเจ้าวาดตอบว่าอัดทำห้าไม่กล้าดอกท่านจอมพลท่านประมัญชารุ่นก่อนๆกําชับนักคําชับหนาว่าอย่าให้เปิดจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าคิดละเมิดคําสัง่งจอมพลหงหัวเราะแล้วว่า แ<โหย>ล้วไหลสิ้นดีก็เรื่องขึ้นมาหลอกต้มผู้ค น, คนพวกท่านจงใจตกแต่งสถานที่แห่งนี้เพื่อจะเป่าประกาศว่าศาสนาของตัวมีอิทธิฤทธิ์สามารถจับปีศาจมาขังได้อันตัวข้าอ่านตำรับตำรามาก็มากไม่เห็นมีเล่มไหนจะบอกวิธีให้ขังปีศาจผีมีก็แค่ที่ยมโลกเท่านั้นถ้าไม่เชื่อรับว่าพวกท่นานขังปีศาจไว้ในนี้นะฮะ จงเปิดประตไูไว้ข้าจะได้ดูเร็วอยชักช้าว่ะเจ้าสำนักร้องว่าเออไม่ได้ดอกพระคุณท่านไม่เช่นนั้นเราจะพากันเดือดร้อนจองพลหงได้ฟังก็เดือดจัดชี้หน้าบรรดานักพรตเต๋าที่ชุมนุมกันอยู่ที่นั่นขึ้นเสียงตะวาดไปว่าอุ้ยหากไม่ทำตามที่ข้าสั่ง ข้าจะกลับไปรายงานราชสํนักว่าเป็นเพราะพวกเจ้าข้าเลยไม่ได้ทรงม่อพระราชงกันซ้ำกี่กันไม่ยอมไม่พบหน้าท่านพระครูเทพข้าจะบอกว่าพวกเจ้าวางโอบายตกแต่งวิหารนี้ก็เรื่องว่าเป็นที่คุ้มขังปีศาจหลอกต้มตุนพวกคนข้าจะทําให้พระจักรพรรดิสั่งห้ามศาสนาของพวกเจ้าสักหน้าพวกเจ้าเป็นจนแล้วในรัฐแทกอายุแดนธุรัอันดานสี่ให้สิ้นเฮ้ยเจ้าสํานัก ให้เกรงกลัวอิทธิพลไม่อาจขัดขืนจอมพลหงจึงระดมนักพรตที่เป็นช่างเหล็กและบรรดาลูกมือมาแกะยันหรือประแจออกเสียพอประตูเปิดทุกคนก้าวเท้าเข้ า, ขาไปภายในวิหารมืดสนิทจอมพลหงเรียกหาคบใต้แล้วบัญชาให้จุดขึ้นแสงไฟจากคบเพลิงนับสิบเล่มส่องให้เห็นภายในวิหารเป็นแค่ห้องว่างเปล่ายกเว้นป้ายศิลาแผ่นหนึ่งตักอยู่กึ่งกลางห้องว่างนั้น ป้ายนั้นสูงไม่ต่ำกว่าหกเซียปักอยู่บนหลังเต่าหินอีกต่อหนึ่งด้วยการเวลาที่ล่วงผ่านไปเต่าศิลาตัวนั้นก็จมลงไปในเนื้อดินกว่าครึ่งตัวจอมพลหงเอาใต้ไปเจาะป้ายศิลาด้านหน้าเห็นไปตัวอักษรอักษ ร, กษรโบราณรูปหงกับมังกรจำหลักด้วยยันและสั ญ, ญลักษณ์แปลกๆที่ไม่มีผู้ใดอ่านออกพออ้อมไปดูอีกด้านหนึ่งผ่านก็เห็นอักษรจีนสี่ตัวเขียนกํากับไว้ว่า หงมาให้เปิดพอเห็นดังนั Гос ้นจอมพลหงก็ดีอกดีใจนะหันไปกล่าวกับเจ้าสำนักว่าเห็นไหมล่ะเจ้าคิดจะห้ามข้าแต่นีคนเขียนชื่อข้ามาเป็นร้อยๆปีแล้วเห็นไหมหงมาให้เปิดเห็นกันทนโทษเช่นนี้แล้วมันจะผิดอะไรฮะข้าจะเปิดดูข้าเชื่อว่าถ้าพิศารมีจริง พิ่ศาท์ของพวกเจ้าก็จะต้องอยู่ในแผ่นศีลาก้อนนี้แน่เจ้าจงไประดมคนเอาจอบเสียงขุดขึ้นมาเจ้าสำนัก อ, อกสัน่นวแขวนแล้วว่าเได้โปรดเถิดอย่าทำเช่นนั้นเลยท่านจอมพลมันไม่ปลอดภยัยสิ่งชั่วร้ายจะตามมานะขอรับจอมพลหงตวาดไปอย่างเลืออด เฮ้ยคนเช่นเจ้าจะไปรู้อะไรฮะายหินแผ่นนี้ก็บอกอยู่เห็นเห็นอยู่แล้วว่าให้เปิดได้หากเป็นค่ากล้าดีอย่างไรถึงได้มาห้ามฮะไว้ไว้จกไปหาคนมามเจ้าสำนักอ้อนวอนอีกสี่ห้าครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างไรอย่างไรจอมพลหงก็ไม่ยอมฟังอยู่ดีคนงานถูกเรียกตัวมา หลังจากพยายามอยู่จนเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรละ่ะพวกเขาก็สามารถหักป้ายศิลาลงแล้วยกเต่าหินขึ้นจากพื้นพอขุดดินลงไปได้ลึกราวสี่ศอกก็พบแผ่นศิลาขนาดใหญ่กว้างยาวสักสิบศอกจอมพลหงสั่งให้ขุดขึ้นมาเจ้าอาวาสร้องว่าอย่าขอรับแต่จอมพลหงไม่ยอมฟังพอคนงานยกแผ่นหินขึ้นจากหลุมได้ก็เผยให้เห็นอุโมงค์มืดมิด ลึกลงไปใต้ดินคณเนว่าลึกลงไปสักแปดหมื่นสี่พันเซียเราจะไม่มีที่สิ้นสุดฉับพลันก็มีเสียงราวฉีกแพรดังกับปนาดสั่งสะเทินลื่นลั่นบังเกิดกลุ่มควันสีดำสนิทพุ่งขึ้นจากหลุมดันหลังคาฉีกเปิงออกไปกว่าครึ่งควันดำก้อนนั้นพันม้วนตลบขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วแตกออกมาเป็นรังสีสัตว์รัศมีสีทองสว่างสวยัยระยิบระยับนับร้อย พุ่งออกไปทุกทิศทุกทางวูบว่ากระจายหายวับไปกับตาทุกคนในที่นั้นพากันกระโดดหนีไม่คิดแก่ชีวิตทิ้งเครื่องมือเครื่องไม้หวีดร้องเออะโวยวายขึ้นด้วยขวัญหนีดีฟอร์กรู้กันหนีออกมาข้างนอกชนกันล้มกลิ้งล้มหงายทั้งซ้ายทั้งขวาจอมพลหงตาเลือกลานอ้าปากค้างอย่างสิ้นท่าใบหน้าซีดเพือดตะเลิดออกมาทางระเบียงที่ซึ่งเจ้าสานักกาลังนั่งร้องคร่ำครวญอยู่ จอมพลหงถามว่าไอ้พวกปีศาจที่หนีออกไปพวกมันคืออะไรกันละ่ะฮะท่านเจ้าอาวาสเจ้าสำนักคลางแล้วว่าโอ้ท่านจอมพลท่านช่างไม่รู้อะไรทีเดียวเชียวหรือเจ้าราชธรรมวิถีก็เขียนกํากับไว้ในวิหารนี้แล้วว่าดาวเทพอสูรสาสิบหกดวง กับดาวมาปรปกตตพีอีก72สิบสตนรวมทั้งสิ้นเป็นปีศาตร้อยแปตนถูกขังไว้ในวิหารนี้ทับด้วยปลายศิลาน้ำของพวกมันนั้นก็จารึกอยู่ด้วยอักษรโบราณรูปหงกับมังกรเห็นกันอยู่ทนโท้เ้หากพวกมันหลบหนีไปได้โลกนี้จะเกิดแต่เหตุเพศภัยไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้พระคุณท่านก็ปล่อยมันหนีไปแล้ว แล้วเราจะทำฉันไทยกันล่ะฮาทีนี้ฮะจอมพลหงได้ฟังก็ตัวสั่นงินงกเงื่อการตกซ ก, ส ก, สกแตกออกเย็นยะเ ย, ย, เยียบไปทั่วทุกขมขนลนลานเก็บข้าวของหนีลงเขารีบรุดกลับเมืองหลวงไปพร้อมกับเหล่าบริวารเจ้าสำนักกับบรรดาเต้าสือก็พากันตามลงมาส่งแล้วกลับขึ้นไปซ่อมแซมหลังคาวิหารกู้ป้ายศิลาเรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่ว่ากันอีก ระหว่างขากลับด้วยเกรงว่าพระจักรพรรดิจะทรงตำหนิจอมพลหงจึงสั่งให้คนของตนเป็นที่เด็ดขาดไม่ให้แพร่งพลายเรื่องเหล่าปีศาจร้ายที่หลบหนีระหว่างทางไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นพวกเขาเรียบรุดกันไปทั้งกลางวันและกลางคืนในไม่ช้าก็ลุกเข้าเขตเปีเ้ยนเหลียงเมืองหลวงตะวันออกพอจะเข้าเมืองก็มีคนโจทย์จันกันว่าพระครูเทพตั้งร้องสวดขึ้นที่สวนหลวง สวดอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนแจกจ่ายยันกันพีย อ, อไปเป็นอันมากตอนนี้คนป่วยก็หายโรคร้ายก็หมดสิน้นพระครูเทพจึงถาวายบังคมลาองค์จักรพรรดขี่กะเรียนดันเมฆ ก, กลับเทือกเขาพยักมังกรไปแล้วรุ่งขึ้นพอราชสำนักเปิดจอมพลหงก็กราบทูลพระจักรพรรดิว่าขอเดชะพระเทพขี่กะเรียนดันเมฆทาให้มาถึงก่อนส่วนข้าพระบาท ต้องนับเท้าก้าวไปตามทางเสียทุกอย่างจึงเพิ่งจะมาถึงที่หลังพระเจ้าค่ะพระจกักรพรรดิทรงเห็นตามรายงานพระองค์ทรงปูนบำเหน็จให้จอมพลหงแล้วบัญชาให้กลับคืนตำแหน่งเดิมซึ่งเรื่องนี้เราจะไม่กล่าวถึงอีกจกักรพรรดิเจิ้นจงทรงครองราชอยู่42ปีโดยไม่มีพระราชโส ร, ราชบัลลังก์จึงตกแก่พระรสของเจ้าฟ้ายูนราง แห่งปู้อันจั ก, กรพรรดิองค์ใหม่นี้ทรงเป็นพระราชนัดดาในจั ก, กรพรรดิไทจงทรงพระนามว่ายิ่งจงปกครองได้สี่ปีก็สละราชสมบัติให้กับพระรถส้นจงส้นจงปกครองอีกสิบปีก็มอบราชสมบัติให้พระรถเจ้าจงในยุคดังกล่าวไพ่ฟ้าอาณาประชาราชมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขหามีเหตุปั่นป่วดวุ่นวายใดๆไม่แต่ยังก่อนช้าก่อน อย่าเพิ่งดวนสรุปไปหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วจะหาไหนมาเล่าให้หนังสือเล่มนี้ได้เป็นตุเป็นตะท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะครับเพราะหลังจากนี้ดาวเทพอสูร36ดวงก็กลับลงมาจุติบนโลกมานปัทภีอีก7จดิบดวงที่ปะปนอยู่ในหมูม่มวลมนุษย์ก็เผยตัวออกมาวีรชนซ่องสมอยู่ในป่าธาม คนสามอยู่ตามป้อมค่ายทำไมนั่นหรือถ้าอยากทราบโปรดรับฟังในตอนต่อไปเถินครับหนังสือซองกังเล่มนี้นะครับท่านอาจารย์จรัสชัยนะครับได้แปลเอาไว้ก็สำนวนก็โอเคเลยนะครับก็ท่านก็แปลได้ตื่นเต้นพอสมควรเลยทีเดียวครับครับต่อไปเป็นตอนที่สองนะครับ ในรัชสมัยของพระเจ้าเจ้าจงทรงถเรีงราชสมบัติเป็นจกักรพรรดิที่เปี้ยนเหลียงนครหลวงตะวันออกนั้นในเขตเมืองไคเฟิงที่แต่ก่อนเรียกกันว่าจังหวัดสวนหูยังมีคนเสพเพลไม่เอาฐานนามว่าเกาอาศัยอยู่เนื่องโดยเกาเป็นบุตรคนรองจึงไม่นิสัยเกกมะเร็กเกเรมาแต่ไหนแต่ไรวันๆสนใจแต่เรื่องรำกระบี่ตีกระบองแลฝีเท้าเล่นตะก้อ น, นั้นก็ให้เลิดเลอนัก คนเมืองหลวงนิยมชมชอบการเหน็บแนมใส่ไครนินทาจึงพากันตั้งฉายาให้ว่าเกากิวหรือเกาตะกร้อนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเกามะกอกสามตะกร้านั่นเองแต่มาภายหลังพอเกาเกิดได้ดิบได้ดีคนเหล่านั้นก็พลันเปลี่ยนไปเขียนตัวหนังสือคำว่ากิวเสียใหม่แม้จะออกเสียงเหมือนเดิมทุกประการแต่ความหมายก็ไม่หมดจดงดงาม ด, งามดังแต่ก่อน นอกจากชำนิชำนาญในเชิงอาวุธเก้ากิ่วยังถนัดที่สุดเรื่องดิดสีตีเป่าร้องรําทําเพลงอีกอย่างหนึ่งแถมโครงฉันกราบกรอนก็ยังแต่งได้พอทำเนาแต่ถ้าจะเอาความกันให้ได้ลึกซึ้งถึงอากับกิริยาคุณธรรมน้ํามิตรกันจริงๆแล้วกลับไม่มีดีอะไรสักอย่างได้แต่เที่ยวเตระเตะสัมเมรธิ์ เ, เมาไปตามสถานที่ต่างๆให้รู้รอดตลอดไปทั่วทุกตรอกซอกซอยในเมืองหลวงและด้วยเพราะเป็นบุตรชายเจ้าสัววามเจ้าของร้านเครื่องเหล็กแท้แท้เทียว เกาจึงได้อาศัยเกาะกินมีเงินมีทองใช้สอยจับจ่ายให้สุรุวยสุร่ายไปกับโรงยิ้วโรงละครบ่อนโบกบ่อนเบี้ยและซ่องนางคณิกาได้ก็ด้วยเหตุนั้นเจ้าสัวว่างผู้พ่อจึงสุดจะทนนำเรื่องขึ้นร้องเรื่องบนสารไครเฟิงผู้พิพากษาเห็นว่าผิดจึงสั่งให้โบยเก่ายี่ิทีแล้วในประเทศเฉดหัวให้นีออกไปเสียจากเมืองห้ามประชาชนเมืองหลวงตะวันออกผู้ใดให้ข้าวให้น้ำและ ที่พมนักพักพิงแก่เก่าโดยเด็ดขาดเก่าจึงต้องลงเอยไปเป็นข้ารับใช้หลิวชื่อขวานฉายาหลิวลูกคนหัวปีที่เปิดบ่อนพนันอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดหลิ้นหวายข้างฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหุยเหอด้วยเหตุนั้นคนแวดล้อมหลิวจึงล้วนแล้วแต่คนหลักร้อยและสวะสังคมเต็มไปทั้งหลายทั้งสิน้นเก้ากิวอยู่กับหลิวด้วยสามปีพอจกพักรพรรดิเจ้าจงเสด็จลงมาเส้นสวงวงพรีสวรรค์ ณนะเบื้องทิศใต้ของเมืองหลวงขอลมฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลสวรรค์โปรดประธานบันดาลให้เป็นไปตามนั้นพระเจ้าเจอจงให้ปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นจึงโปรดอภิญฐานให้แก่นักโทษทั้งปวงเกากิ้วคล้อยได้รับอนิสงค์คือได้คืนสู่เมืองหลวงอีกครั้งหลิวคนหัวปีเขียนหนังสือฝากฝังให้เกานำไปมอบให้ตรงเจียงสือผู้เป็นญาติที่เปิดร้านขายสมุนไพรยอยู่ที่ตีนสะพานทานทอง พร้อมทั้งให้เงินค่าเดินทางและบอกว่าต่อไปคงจะรับเป็นธุระดูแลเขาเองเกา่ากล่าวอำลาแบกห่อสมบัติพัดสถานขึ้นบา่ามุ่งหน้ากลับมายังเมืองไคเฟิงและเอาหนังสือแนะนำตัวออกมามอบให้ตรงหมอยาคะเม่นมองเก้าวัดหนึ่งก่อนจะคลี่หนังสือออกอ่านตรงอดครวญอยู่ในใจว่าจะให้เรารับเอาคนพูดนี้เข้ามาอยู่ในบ้านได้อย่างไร หากเป็นคนซื่อตรงก็คงจะพอทำเนาไม่รไรนักถ้าจะพออาศัยไววหวานให้เลี้ยงดูลูกหลานได้ในขัดเขินแต่นี่มันเป็นคนไม่เอาฐานไว้ใจอะไรไม่ได้ถูกเขาอับปหิในประเทศเฉดไลเพราะไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ใช่คนดีเดอะไรพอที่จะปรับปรุงตัวได้ขืนรับไว้ลูกลูกของเราคงไม่แคล้วไปเอาเยี่ยงยางความเร็วของมันแต่ถ้าไม เราก็คงต้องขัดใจหลิวคนหูปีเป็นแน่คงไม่มีทางเลือกจึงจำใจรับเอาเก่าเข้าไว้ในบ้านแท่งทาทีเป็นยินดีปรีดาอยู่แต่ภายนอกตรงเลี้ยงดูเก่าอยู่สิบวันพลันก็นึกออกจึงเอาเสื้อผ้าใหม่ให้เก่าสำรับหนึ่งพร้อมกับหนังสือแนะนำตัวแล้วเอ่ยขึ้นว่าเรือนข่านี้แสงให้ริบปรีนักขืนอยู่ไปรังแต่จะถูกรัดรึงข่าจะทรงท่าน ไปหาราชบัณฑิตสูผู้น้อยอยู่กับเขาท่านจะได้ลืมตาอ้าปากท่านจะเห็นเป็นเช่นไรเกากุมมืออย่างรู้คุณตรงจึงให้คนรับใช้ถือหนังสือนําเกาไปส่งยังเรือนของบัณฑิตแห่งราชสํานักผู้นั้นยามเฝ้าประตูเข้าไปราย ง, งานด้านในราชบัณฑิตสูออกมารับอ่านจดหมายแนะนําที่กํากับมาก็รู้ว่าเกาเป็นคนไม่เอาทานราชบัณฑิตสูคิดอยู่ในใจว่า เราเห็นจะรับคนคนนี้เอาไว้ไม่ได้แต่ในฐานะที่ตรงเคยมีพระคุณเราจำจะต้องส่งมันต่อไปให้พระสวามีหวังจินคิงให้มันไปนเป็นทนายหน้าหอคอยติดสอยให้ตามท่านชายตูจะถูกชะตากับคนประเภทนี้อยู่ไม่น้อยคิดพรางราชบรณฑิตสู๋ก็มีหนังสือตอบตรงไปว่ายินดีที่จะให้เกาอาศัยอยู่ด้วยรุ่งเช้า จึงมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งให้คนรับใช้ถือกํากับไว้แล้วผ่าเกากิวตรงไปยังวังพระสวามีหนุ่มด้วยพระสวามีหลวงนั้นได้อภิเษกกับพระคณิฐาองค์น้อยในจักรพรรดเจ้อจงตั้งแต่ก่อนที่จะได้ขึ้นสวยราชแล้วตอนนั้นจักรพรรดเสิ่นจงยังปกครองบ้านเมืองอยู่พอพระเจ้าเจ้าจงเสด็จขึ้นสวยราชแทนพระสวามีหลวงก็กลายเป็นพระน้องเขยเป็นพระคณิตภพัดา พระสวามีหวงผู้นี้มีจิตใจนิยมชมชอบพวกนักเลงเที่ยวเล่นและตั้งประดาคนเหล่านั้นให้เป็นข้าทาสบริวารเป็นหลายคนเมื่อเห็นเกาเข้ามามอบเฝ้าพร้อมคนถือหนังสือของราชบัณฑิตสูก็นึกชอบใจอยู่ในทีจึงรีบตอบจดหมายแล้วรับเกาเข้ามาเป็นทนายหน้าหอทันทีตั้งแต่นั้นมาเกาก็อยู่กับพระสวามีเข้านอกออกนายเสมือนหนึ่งเป็นคนในครัวเรือนสมดังคาโบราณว่า เพื่อนยิ่งห่วงยิ่งจามยิ่งจอนเพื่อนร่วมนอนยิ่งสนิทชิดใกล้อยู่มาวันหนึ่งพระสวามีฉลองวันเกิดตัวเองโดยบัญชาให้จัดงานเลี้ยงใหญ่โตส่งเทียบเชิญเจ้าฟ้าต่วนผู้เป็นน้องเมียมาในงานเลี้ยงเจ้าฟ้าต่วนเป็นพระโอรสอันดับที่11ในพระโรโมโกรอกศ้นจงซึ่งทรงเป็นพระเชษฐาของจกักรพรรดิเจ้าจงที่ทรงครองราชอยู่ในขณะนั้นเจ้าฟ้าต่วนถวายงานในหน้าที่ราชวลป ดูแลกรมมาต้นและราชปรหานะคนทั้งปวงเรียกหาว่าเจ้าฟ้าหลวงเก้าพระองค์เป็นชายหนุ่มรูปงามฉลาดปราดเปรียวเชี่ยวชาญนะักในการเรื่อนเริงและเล่นสเพเฮระไม่เป็นแก่นสารทั้งหลายทั้งปวงเฉะพาะที่เรียกได้ว่าเลิศในฝีมือก็มีคลุ่ยหมากร้อมการประดิษฐ์อักษรการวาดภาพและเตตะกร้อ นอกนั้นก็ยังมีดีในเรื่องดีดสีตีเป่าร้องรำทําเพลงอีกพอประมาณวันนั้นพระสวามีหวางจัดงานเลี้ยงเลือกเอาแต่อาหารบกและอาหารทะเลชนิดดีเลิศจัดที่นั่งให้เจ้าฟ้าตวนเจ้าฟ้าหลวงก้าวนั่งเก้าอี้ตัวกลางในฐานะอคันตุกะผู้ทรงเกียรติส่วนตัวนั่งคอยดูแลปฏิบัติรับใช้อยู่ฝั่งตรงข้ามหลังเสพสุราไปได้หลายจอกและกินอาหารไปได้หลายจาน เจ้าฟ้าต่วนก็ลุกออกไปบางคนเบาขากลับพระองค์แวะที่ห้องสมุดพระสวามีตามไปสมทบเจ้าฟ้าต่วนให้ต้องพระไทยที่ทับกระดาษยกรูปสิงคู่หนึ่งจำหลักจากยกเนื้อขุนขาวราวมันแกะฝีมือสลักสลล่านั้นช่างงดงามชดช้อยและละเอียดละออเป็นยิ่งนักเจ้าฟ้าต่วนหยิบยกขาวขึ้นมาพิ จ, จารณาดูใกล้ๆไม่อาจข่มใจให้วางลงได้พระองค์อดรำพึงออกมาเบาๆไม่ได้ แม่กระไรเลยช่างงดงามนักพระสวามีก็เอ่ยขึ้นว่าช่างฝีมือคนเดียวกันนี้ยังแกะยกพาดภูกันรูปมังกรเป็นของใช้คู่กันอีกชิ้นหนึ่งด้วยพระยาคาตอนนี้กระหม่อมยังไม่มีอยู่ในมือแต่พรุ่งนี้เช้ากระหม่อมจะส่งเข้าไปถวายพระองค์พร้อมที่ทับกระดาษเจ้าฟ้าต่วนพูดว่าแม่ท่านพี่ช่างกรุณานะักข้าว่ามังกร ต้องสลักได้ดีกดสิงเป็นแน่พระสวามีว่าแล้วพระองค์จะได้เห็นกระหม่อมจะส่งเข้าวังวันพรุ่งนี้เช้าพระยาค่ะเจ้าฟ้าต่วนกล่าวขอพระไทยแล้วพากันกลับไปยังห้องจัดเลี้ยงดื่มกินกันต่อจนกระทั่งตกค่าตอนจากกันทั้งคู่อยู่ในอาการเมามายเจ้าฟ้าชายต่วนกล่าวอำลาพระสวามีแล้วขี่ม้าบ่ายหน้ากลับวังรุ่งขึ้นพระสวามีค้นจนเจอที่พลาดพูกัน สลักเป็นรูปมังกรขนดจึงจัดแจงนำอาใส่หีบทองพร้อมที่ทับกระดาษสิงคู่พระจงห่อด้วยไหมทองอีกชั้นหนึ่งเขียนหนังสือกำกับแล้วกำชับให้เกานำของกำนันไปส่งเกาเรียบรุดตรงไปยังวังเจ้าฟ้าต่วนโดยไวยามเฝ้าประตูเข้าไปรายงานมหาดเล็กมหาเล็กก็รีบออกมารับหน้าแล้วว่าท่านมาจากคมไหนแล้วนะฮะเกากิวก้มคานับแล้วเอ่ยว่าพระสวามีวงัง นำหยกทับกระดาษชุดนี้มาทูลถวายเจ้าฟ้าหลวงขอรับมหาดเล็กจึงบอกแก่เกากิ๋วว่าฟ้าบาททรงตะกร้ออยู่กับเหล่าขันทีในสนามท่านจงไปรอรับเสด็จเอาเองเถิดเกาจึงว่าถ้าเช่นนั้นโปรดช่วยชี้ทางด้วยมหาดเล็กนำเกาเดินเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นในขันทีหนุ่มสี่ห้าคนกำลังสารวนเตตะกร้ออยู่กับเจ้าฟ้าต่วน ราชนิกูลทรงหมวกผ้าตัดเย็บด้วยไหมดำตามอย่างประเพณีครั้งแผ่นดินถังเสื้อคลุมสีม่วงเข้มบรรเจิดตาปักลวดลายมังกรอันเป็นสัญลักษณ์แด่เฉพาะในองค์พระจกักรพรรดิะลกชายเสื้อคลุมด้านหน้าขึ้นมาเน็บไว้กับรัดประคตเผยให้เห็นรองเท้าหุ้มข้อปักติ้นทองเป็นรูปผงกลางปีกเกาไม่กล้าไปขัดจังหวะให้ยืนอยู่หลังบรรดาข้าราชบริพารคอยอยู่ด้วยอาการอันสงบ แต่ฉับพลันวัฒนาก็บินเข้ามาสู่ด้วยให้จู่ๆลูกตะกร้อเผอิญพุ่งข้ามหัวเจ้าฟ้าต่วนจนสุดจะรับลอยละลิ้วปลิวผ่านหมู่คนพุ่งเข้ามาหาเกากิ๋วในชั่วอึดใจแห่งความกล้าบ้าบินเกาก็ตวัดลูกซนดีดตะกร้อกลับไปหาเจ้าฟ้าต่วนด้วยท่าเป็ดเมียสู้เป็ดผู้กระวัดหางเจ้าฟ้าต่วนนึกพอพระไถยปรักถามขึ้นว่าเจ้าเป็นใครกันนะฮะเกาหยอบตัวลงบนเข่า แล้วเอ่ยว่าตัวข้าน้อยเป็นทนายของพระสวามีหวังพื่อค้าข้าพระองค์นำหยกสองชิ้นมาทูลถวายฝ่าบาทตามบัญชาของพระนายหนังสือกํากับไว้อยู่นี่แล้วเจ้าฟ้าหลวงยามพระโอษฐ์แล้วตรัสว่าแม่พี่เขยช่างใส่ใจนักเกากิวถวายจดหมายเจ้าฟ้าต่วนเปิดกล่องออกพิจารณายกงามทั้งสามชิ้นแล้วมอบให้แก่จางวางมหาดเล็กเวรศัต พลางหันมาถามเกากิวว่าเจ้าถ้าจะรู้วิธีเตะตะกร้อละสิเจ้าชื่อว่าอะไรเกากุ่มือขึ้นสู่วางอกด้วยนบนอบแล้วสุดลงบนเข่าอีกพูดว่าข้าพระองค์มีนามว่าเกากิวเคยได้ส้อมตะกร้อมาบ้างพระยจาค่ะเจ้าฟ้าบอกว่าดีถ้าเช่นนั้นก็จงลงมาประลองกันเกากิวร้องขานว่า คนธรรมดาสามัญชั้นต่ำเยี่ยงข้าน้อยมิอาจเอื้อมดอกพยะคาเจ้าฟ้าจึงพูดว่าทำไมจะไม่ได้เจ้าไม่รู้ดอกหรือว่านี่คือที่มกสูงคนทั้งหลายเรียกว่ากลุ่มวงเดือนใครๆก็ย่อมเข้ามาเป็นสมาชิกวงเล่นได้ทั้งสิ้นเกากิวยังคงปฏิเสธแต่พอเจ้าฟ้าหลวงยืนกรานเกาจึงคุกเข่าโคกศีรษะพลางขอพระเาทานอภัยโทษที่บังอาจล่วงเกิน ว่าพรางก็ย่อๆลงสนามเพียงเตะตะกร้อสองสามทีเจ้าฟ้าต่วนก็ตรัสชมเป็นการใหญ่เกากิวให้บันดาลใจนักฝีมือฝีเท้ามีอยู่เท่าใดก็ปล่อยออกไปจนหมดสิน้นการเคลื่อนไหวทุกท่วงท่าทุกอากับกริยาล้วนประสานสอดคล้องเตะตะกร้อได้เชื่องประหนึ่งติดกาวไว้บนหลังเท้าเจ้าฟ้าต่วนให้เพลิดเพลินจําริญใจเป็นยิ่งนักถึงกลับไม่ยอมปล่อยให้เกลาลากลับบังคับให้ค้างเสียในวัง รุ่งขึ้นก็ให้คนตระเตรียมข้าวปลาอาหารแล้วส่งเทียบเชิญพระสวามีหวังมากินโตะ๊ะตลอดทั้งคืนผ่านไปก็แล้วเก่ายังไม่กลับพระสวามีหนุ่มให้นึกสงสัยว่าคนอย่างเก่าจะเชื่อถือได้หรือฉชนไหนแต่แล้วคนเฝ้าประตูก็เข้าไปขัดจังหวะรายงานว่าร่งอนคนเดินสารจากเจ้าฟ้าหลวงเก่าอยู่ที่นี่แล้ว พร้อมเทียบเชิญให้พระองค์เสด็จไปงานเลี้ยงในพระราชฐานพระยาคา่ะเฮ้ยไอ้คนรายงานเนี่มันมาจับสามก๊กพวกมันเนี่ยเขารับจบับเขาเฮ้ยเขาไปทั่วแหละพระสวามีออกไปรับคนถือหนังสือพออ่านเทียบแล้วก็ขึ้นมา้าควบตรงไปยังพระราชวังพอลงจากหลังม้าก็รุดเข้ า, ฝาเฝ้าเจ้าฟ้าต่วนใน ท, ทันทีเจ้าฟ้าหลวงเก้ากล่าวขอพระทัยยกสามชิ้นที่ได้รับแล้วชวนเข้าไปในห้องเสเวย เจ้าฟ้าต่วนเอ่ยขึ้นว่าเจ้าเกากิวของท่านพี่เล่นตะก้อได้ดีนักข้าอยากได้ตัวมันมาเป็นมหาเล็กเด็กชาท่านพี่จะบัญชาว่ากอะไรพระสวามีพูดขึ้นว่าฮะมันจะเป็นประโยชน์ใดๆให้แก่ฝาผ้าบาทได้ก็จงให้มันอยู่รับใช้ในวังต่อไปเถิดพระเจ้าข้าเจ้าฟ้าต่วนยกจอกสุราขึ้นดื่มกล่าวขอพระทัยพระสวามีทั้งสองดื่มไปและสนทนากันไปจนถึงพิราเย็น แล้วพระสวามีก็เสด็จกลับวังเรื่องนี้เราจะไม่กล่าวถึงอีกมาว่ากันที่เรื่องเกากิวดีกว่าหลังจากเข้ามาถวายงานรับใช้เจ้าฟ้าต่วนแล้วเกาก็อยู่ในวังกินในวังคอยติดสอยให้ตามเจ้าฟ้าต่วนไม่ยอมให้ห่างแม้แต่เพียงก้าวเดียวทำเช่นนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเวลาล่วงเลยผ่านไปไม่ทันถึงสองเดือนดีพระเจ้าเจ้จงก็เสด็จสวรรคตโดยไม่มีราชบุตร เหล่าขราชบริพารทั้งทหารและพระเรือนจึงปรึกษาหารือแล้วพร้อมใจกันยกเจ้าฟ้าต่วนขึ้นเป็นพระจักรพรรดิองค์ใหม่ส่งพระนามว่าพระเจ้าหุยจงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระมหาสมณพระภิกษุเจ้าฝ่ายสง์และสมเด็จพระมหายาณธรรมฝ่ายเต๋าตอนที่พระเจ้าหุยจงเสด็จขึ้นสวยราชใหม่ๆแผ่นดินยังมีแต่ความสงบร่มเย็นวันหนึ่งพระองค์ตรัส ก, กับเกากิว ราชวรลพบว่าข้าคิดจะปูนบําเหน็จให้เจ้าแต่เจ้าจะต้องไปสร้างความดีความชอบที่ชายแดนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์สักประการหนึ่งเสียก่อนข้าจะสั่งการให้สภากลาโหมตราหนังสือจดชื่อเจ้าเอาไว้โยกใช้ยังไม่ทันถึงครึ่งปีพระเจ้าฮุยจงก็ปูนบาเหน็จเกาจิ๋วขึ้นเป็นจอมพลกินตําแหน่งผู้บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์ที่เกลิกเกียรติเกลียงไกล ด้วยเหตุนั้นเกากิวก็เลือกเลิกงามยามดีเข้ารับตําแหน่งบรรดาแม่ทัพในกองน้อยใหญ่ที่รับราชการอยู่ในกองทหารรักษาพระองค์ทั้งเหล่าราบและเหล่าม้าก็ต่างมารายงานตัวกันพร้อมหน้าแต่ละคนนําสารตราตั้งและป้ายพระจักรพรรดิออกมาแสดงเกากิวตรวจดูบัญชีแม่ทัพในกองไปทีละรายละรายมีเพียงหวังเจิ้นครูฝึกทหาร8ปดห 0,000 ื่นในกองทหารรักษาพระองค์เท่านั้นที่ไม่มารายงานตัว ในบัญชีบอกเพียงแต่ว่าเมื่อครึ่งเดือนก่อนหวางล้มป่วยยังไม่ฟื้นไข่จอมพลเกา่าตะหวัดขึ้นด้วยโทษะเฮ้ยเลลวไหลนี่มันกระร่างกระเดืองชัดๆสรงปลาตั้งมาแทนตัวไอ้ถอยคนนี้ออกอุบาย ท, ทําทีเสแสร้งว่าป่วยไปคราดตัวมันมาที่นี่เดี๋ยวนี้ไอ้ครางก็บัญชาให้ในทหารผู้หนึ่งไปจับตัวหวางมาจาก บ, บ้าน จะกล่าวถึงหวังจิ้นคนผู้นี้ไม่มีลูกมีเมียเลี้ยงดูอยู่ก็แต่แม่ผู้แก่เท่าวัยหกสิบปีปลายนายทหารที่รับคำสั่งจึงกล่าวแก่หวังจิ้นว่าวันนี้จอมพลเขามารับตำแหน่งใหม่เพราะตรวจดูบัญชีเห็นว่าท่านขาดหายไปเสนาธิการทหารก็รายงานแล้วว่าท่านยังปว่วยอยู่บ้านและใบลาของท่านนั้นก็มีบันทึกไว้อย่างถูกต้องแต่จอมพลเขาไม่เชื่อ จึงให้ข้ามาคุมตัวท่านท่านครูทหารโปรดตามข้าพเจ้าไปด้วยเถิดขอรับหาไม่แล้วข้าจะต้องพร้อยเดือดร้อนไปด้วยวางจิน้นสุดทางเลี่ยงทงั้งๆที่ยังไม่ฟื้นตัวดีแต่ก็ต้องไปราย ง, งานตัวต่อจอมพลเก่าที่กองบัญชาการพอไปถึงก็พ้มลงโคกศรีรษะสี่ครั้งกล่าวอวยพรจอมพลเก่าด้วยเสียงอันดังแล้วก็ลุกขึ้น ถอยออกไปยืนข้างๆอย่างนอบน้อมจอมพลเกาถามเจ้ามันใช่ไอ้ถอยที่พ่อชื่อหวังเซง็งที่เคยเป็นครูทหารประจำค่ายนี้ดอกกระมังฮะหวังจิ้นจึงตอบว่าเป็นข้าน้อยเองขอรับเกาจึงตะวาดว่าเฮ้ยไอ้คนสารเลวพ่อเจ้าเร่ขายกอเอีย้ยหากินกับการควงกระบองดึงดูดพวกคน มันจะไปรู้กิจการทหารมาจากไหนผูบัญชาการคนก่อนก็ตาบอดตั้งเจ้าให้เป็นถึงครูทหารฉันไหนจึงกล้ามาวางปืนกับข้าไม่ยอมมาแรงงานตัวตามหมายเจ้ามันมีใครคอยอุปถัมภ์ขำจนอยู่หรือไรฉันไหนจึงกล้าออกอุบายว่าเจ็บป่วยแล้วเอ ก, กนเนกอยู่แต่ในบ้านฮะจอมพลเก่าคาดขันวางจิ้นจึงพูดอธิบายว่าข้าน้อยพูดตามต้อยไม่กล้าดอกขอรับ ข้าน้อยยังไม่หายเจ็บดีจริงๆเจอาพลเก่าเริ่มขึ้นเสียงเฮ้ยบัดซบถ้าป่วยจริงแล้วเหตุไฉนจึงถอมาถึงที่นี่ได้หวงังจิ้นว่าเมื่อท่านจอมพลสั่งให้มาข้าน้อยก็ต้องมาตามบัญชาให้ได้โทระจอมพลเก่ายิ่งเดือดใจทหารจับคนคนนี้บยเสียให้แคในายทหารชั้นรองหลายนายซึ่งล้วนแต่เป็นมิตรสหายกับหวงังจิ้น จึงร่วมกับเสนาธิการสืบทั้ง อ, ออกมาร้องขอว่าท่านจอมพลวันนี้เป็นวันดีท่านเพิ่งจะมารับตำแหน่งใหม่โรธละเว้นครูฝึกพูดนี้ด้วยเถิดครับจอมพลเก่าตะโกนว่าเพื่อเห็นแก่พวกเจ้าวันนี้ข้าจะละเว้นโทนมันสักวันแต่วันต่อไปข้าจะคิดบัญชีกับมันให้จงได้วางจิน้นขอบพระคุณจอมพลเกา่าก็ตอนนี้นี่เอง ที่เขาได้มีโอกาสเงยหน้าขึ้นมองเกาเกิวตรงๆพอเห็นเต็มตาก็พลันระลึกถึงที่มาของเหตุแห่งความโกรธเกรี้ยวนี้ได้พอหลังคล้อยประตูค่ายหวังจิ้นก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ไอ้อนาคตเราคงจบสิ้นไปแล้วเป็นแม่นมันต้องเป็นมันท่านจอมพลเกาเจ้าคนไม่เอาทานเจ้านักตะกร้อเกา ไอ้ลูกคนร้องของเราเอ้ยให้กระไรเลยตอนหัดกระบองใหม่ๆพ่อเราหวดเสียจนลุกจากเตียงไม่ได้เป็นหลายเดือนมันคงจะผูกใจเจ็บมาแต่ครั้งกะนั้นตอนนี้มันกลับมาแถมยังได้ดีมียศมีตำแหน่งเป็นถึงผู้บังคับการกองทหารรักษาพระองค์มันจะต้องถอนแขนเอาคืนเป็นแน่ใครเลยจะไปคิดว่าเราจะต้องมาอยู่ใต้ศอกมันดังโบราณเขาว่า อย่าได้กลัวเจ้าพนักงานหน้าไหนถ้าไม่ใช่นายตัวตัวเราเพียงเท่านี้จะรับมือไหว ห, หรือหรแล้วจะให้ทำฉันในดีวางกลับบ้านด้วยหัวใจสุดแสนจรันทดเล่าความให้มารดาฟังทั้งสองยกมือกุมหน้าน้ำตานองมารดาหวังเอ่ยขึ้นว่าลูกเอ้ย พิดดูทั้งสามสิบหกทางที่จะพอรอดความยุ่งยากไปได้ก็มีแต่ต้องหนีเพียงประการเดียวแมกรัวต่ว่าเจ้าจะไม่มีที่ไปเท่านั้นหวังจิ้นจึงตอบว่าท่านแม่พูดถูกทีเดียวข้าตรองดูหมดแล้วเห็นมีก็แต่หนีขนทางนี้เท่านั้นป้อมข้ารชัยแดนที่เขตจังหวัดเยียนอันมีขุนพลจงผู้เท่าปกครองอยู่ บรรดาแม่ทัพในกองที่นั่นเคยมาเยือนเมืองหลวงเราหลายคนพวกเขาล้วนนับถือเพลงอาวุธของข้าอยู่ข้าควรไปร่วมชีวิตกับพวกเขาเสียที่นั่นจะเป็นการดีกว่าเหยียนอันนั้นขาดแคลนคนดีมีฝีมือเราจะได้ปลอดภัย้นะแม่นะหลังจากซักซ้อมกันเป็นอันดีทั้งมารดาและบุตรชายก็ตกลงใจมารดาบอกว่าลูกเอ้ย เราต้องแอบไปเงียบๆทฉันไหนจะจัดการทหารสองคนที่เขาส่งมาเฝ้าอยู่หน้าประตูได้ล่ะฮะฮะพวกเขารู้เขา้าพวกเราคงหนีไปไม่รอดเป็นแน่หวังจิ้นพูดว่าอย่าวิตกไปเลยครับท่านแม่ข้ามีวิธีเรอเออดีแล้วล่ะลูกเอ้ยมีวิธีแม่จะได้รอดตายเพราตกค่ำ หวังก็เรียกสิบโทจางเข้ามาสั่งความว่าเจ้ากินข้าวเย็นเสียให้แล้วเสร็จข้าจะใช้ให้ออกไปทําธุระสิบโทจึงกล่าวว่าท่านจะใช้ข้าไปที่ใดหรือท่านครูทหารหวังจิ้นว่าก่อนนี้ข้าป่วยเสียหลายวันจึงบนไว้ว่าถ้าหายจะไปเผาทูกแก่บนที่วัดผาศักดิ์สิทธิ์นอกประตูเจ้าเปรี้ยวรุ่งนี้ข้าจะรีบไปไหว้ก่อนใครอื่นแต่เช้ามืด คืนนี้เจ้าจงไปบอกพระผู้ดูแลแนกเส้นไหว้ให้เปิดประตูอารามคอยท่าเอาไว้แต่หัวรุ่งพรุ่งนี้ข้าจะไปวัดแต่เช้าแล้วข้าอยากให้เจ้าไปหาซื้อเนื้อสามอย่างเป็นเครื่องเส้นแล้วค้างคืนเสียที่วัดรอข้าอยู่ที่นั่นเข้าใจไหมสิบโทรจางรับคำกินข้าวเย็นจัดเก็บข้าวของแล้วก็จากไปวัดคืนนั้นทั้งแม่ทั้งลูกเก็บที่นอนหมอนมุง้งเสื้อผ้าเงินทอง เอาผ้าไหมจัดใส่ตะกรา้าแล้วเอาฟ่อนหญ้าจัดใส่กระเป๋าข้างอ่านม้าทั้งสองข้างจนล้นปรีพอถึงยามห้าว่างจิน้นก็เรียกสิทโทลีมาสั่งว่าเอาเอาเงินนี้ไปที่วัดเจ้ากับสิทโทจางช่วยกันซื้อและเตรียมปรุงเนื้อเส้นสามอย่างรอท่าอยู่ที่วัดพอข้าซื้อทูบเทียนกระดาษเงินกระดาษทองเสร็จแล้วจะรีบตามไปนะ สิบโทลีกำเงินแล้วรีบตรงไปยังวัดหวังจิ้นหันไปเตรียมมา้าเอากระเป๋าขึ้นพาดอ่านรัดเชือกให้แน่นหนาจุงออกมาทางประตูหลังแลพออยุงมารดาขึ้นนั่งเข้าของใช้ในบ้านชิ้นไหนหนักก็ทิ้งเอาไว้ขัดดานประตูทั้งหน้าบ้านหลังบ้านยกหอบขึ้นบา่าแล้วก็ออกเดินตามม้าไปก็ในยามห้าเวลานั้นอาศัยความมืดก่อนรุ่ง ทั้งสองออกจากเมืองหลวงทางประตูทิศประจิมแล้วรีบบ่ายหน้าสู่จังหวัดเยียนอันย้อนกลับมาที่ทหารรับใช้ทั้งสองพวกเขาช่วยกันหาซื้อเนื้อเป็นเครื่องเส้นสามอย่างคือเนื้อปลาเนื้อไก่และหัวหมูช่วยกันปรุงให้สุกแล้วคอยท่าอยู่ที่หน้าอารามจนกระทั่งสายหวังจิ้นก็ยังไม่โผลมาสิบโทลีให้วิตกจึงวกกลับไปดูที่บ้านเห็นประตูรัว้วลั่นดานไว ประตูใหญ่ที่ตัวบ้านทั้งหน้าและหลังก็หับเอาไว้สิ้นจึงคอยดูอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะออกไปเที่ยวสอบถามเพื่อนบ้านนั่งรออยู่หลายชั่วยามแต่ก็หามีใครเห็นครูทหารไม่ยิ่งสายสิบโทจางก็ยิ่งสงสัยจึงตามมาสมทบกับสิบโทหลีที่รออยู่หน้าบ้านวางจิน้นทั้งสองออกเที่ยวค้นหาอยู่จนมืดค่าแต่ทั้งแม่และลูกก็ยังหามมีใครกลับมาไม่ วันต่อมาทหารทั้งสองก็ออกไปสอบถามตามบ้านญาติพี่น้องที่อยู่ห่างออกไปแต่ก็หามีผู้ใดพบเห็นทั้งสองไม่ด้วยเกรงว่าจะพลอยติดร่างแหทหารทั้งสองจึงเข้าไปรายงานเรื่องดังกล่าวที่กองบัญชาการทหารรักษาพระองค์ว่าครูทหารวางจินกลับบานดาหนีไปแล้วไม่ทราบว่าไปทางไหนขอรับเกากิวคำรามด้วยความโกรธอื้อไอชาิชัวนั้นมันหนีไปจนได้ ดูสิว่ามันจะมีปัญญาไปได้ไกลสักแค่ไหนว่าพรางก็มีใบบอกส่งออกไปตามจังหวัดและหัวเมืองต่างๆทั่วทุกแห่งทันทีที่พบตัวให้จับหวังจิ้นในข้อหาหนีทัพแต่เนื่องจากนายสิบทั้งสองมารายงานโดยสมัครใจจึงให้พ้นผิดไปเรื่องนี้เราจะไม่พูดถึงอีกกล่าวถึงครูทหารหวังจิ้นกับมารดาทั้งสองจะกินก็ต่อเมื่อหิว จะดื่มก็ต่อเมื่อกระหายจะพักก็แต่เฉพาะเวลากลางคืนแล้วก็รีบตื่นออกเดินทางไปแต่หัวรุ่งทำเช่นนี้ไม่มีวันหยุดเย็นวันหนึ่งหลังจากรอนแรมมาตามทางได้เดือนกว่าหวางจิน้นที่หับสัมภร ะ, ระเดินตามหลังมา้าที่มานดาขี่ก็เอ่ยขึ้นว่าแม่เอ้ยสวันมีตาเราจึงหนีรอดร่างแหที่แพดดังจะครอบคลุงฟ้าครุงดิน เี่ยนอันอยู่อีกไม่ไกลนักแล้วถึงจอมพลเก่าจะส่งทัพมาก็ไล่เราไม่ทันแล้วแม่กับลูกมัวแต่ดีใจจนเกินเหตุไม่ทันสังเกตโรงเตี้ยมข้างทางพากันเดินเลยไปจนกระทั่งค่า ม, มืดมองไปทางไหนก็ไร้บ้านผู้คนไม่มีที่จะให้โค้มหัวแต่แล้วดังปาฏิหาริย์พลันก็เหลือบไปเห็นแสงไฟกระพริบปริปรีลอดออกมาจากหมู่ไม้พุ่งไกลโพ้น นั่นไรท่านแม่หวังจิ้นบอกแล้วเราจะไปขอค้างคืนสักคืนตื่นเช้าแล้วค่อยไปต่อพอล่วงผ่านหมู่ไม้เข้าไปคนทั้งสองก็เห็นหมู่บ้านและคฤหาสน์ขนาดใหญ่รายล้อมด้วยกำแพงดินต้นหลิวสองสามร้อยต้นขึ้นโอบร้อมกำแพงไว้โดยรอบหวังจิ้นเคาะประตูอยู่เป็นนานในที่สุดคนรับใช้ก็ออกมาครูทหารรีบวางหาบลงคาระวะบ่าวคนนั้นถามว่า ท่านประสงค์อันใดหรือฮะหวังจิ้นตอบว่าขอเรียนท่านตามซื้อข้ากับมารดารีบเดินเสียจนลืมตัวเลยรงเตียมข้างทางมาไกลแถวนี้หาบ้านใครก็ไม่มีหวังว่าท่านจะกรุณาให้เรานอนค้างอ่างแรมด้วยสักคืนพรุ่งนี้จะรีบไปแต่เช้าเรายินดีจ่ายทุกอย่างตามธรรมเนียมรบกวนขอความการุณาด้วยเถิดขอรับ คนรับใช้บอกว่าโอเครดรอที่นี่สักครู่เถิดข้าจะไปเรียนถามท่านจ่าบ้านหากตกลงท่านก็เข้ามาได้รอนะรอที่นี่นะไม่มีหมาหรอกเออไม่มีหมาก็ดีจะได้สบายใจกลัวมันวิ่งไล่ฟัดสไิไม่มีไม่มีไม่ไเลี้ยงหมาวางจิ้นร้องตะโกนไปว่าขออภัยที่รบกวนนะพี่ท่านไม่น่านนัก ชายคนนั้นก็กลับออกมาแล้วพูดขึ้นว่านายข้าอนุญาตให้ท่านทั้งสองเข้ามาได้เข้ามาเข้ามามืดแล้วผีเหรอหวางจิ้นประคองมารดาลงจากหลังมา้ายกหาบขึ้นบ่าแล้วก็หาบนําหน้ามา้าตามคนรับใช้ผ่านลานนวดข้าวเข้าไปพอพ้นกาแพงเข้ามาจึงวางหอบผูกม้าไว้กับต้นหลิวแล้วทั้งมารดาและบุตรต่างพากันเดิน เข้าไปในห้องโถงหลังคามงจากที่จ่าบ้านรออยู่เจ้าของบ้านผู้นั้นอายุได้หกสิบปีปลายผมกับเขางอกขาวโพลนปกศีรษะด้วยผ้าสวมเสื้อคลุมตัวหลวมตัดเย็บอย่างห ย, ยาบๆยาบคาดเอวด้วยผ้าไหมสีดำเท้าสองข้างยัดอยู่ในรองเท้าหุ้มข้อสีน้ำตาลวางจิ้นคุกเข่าอย่างนอบน้อมชายชรารีบพูดึ้นว่าเออไม่จาเป็นหรอก ท่านอาคันตุกะ ข, ข้างนอกนั้นรอบ ด, าด้านล้วนแต่อันตรายเชิญนั่งก่อนเถิดทั้งมารดาและบุตรพากันทักทายตามธรรมเนียมแล้วสุดตัวลงนั่งจ่าบ้านถามว่าท่านเป็นใครพื้นเพมาจากไหนหรือเหตุ้นไหนจึงได้มาถึงเอาดึกเดือนป่านนี้ล่ะฮะหวังจิ้นบอกว่าข้าพเจ้ามีนาำว่าจางขอรับ เราเป็นคนเมืองหลวงเนื่องจาก้าขายจนสิ้นทุนร้อนจึงจะพากันไปหาญาติที่จังหวัดเยียนอันวันนี้เราเร่งทำเวลามากไปจึงลืมดูโรงเตี๊มข้างทางหากท่านจะกรุณาให้เราอาศัยค้างคืนที่นี่สักคืนเราจะรีบตื่นเดินทางไปแต่เช้าเรายินดีจ่ายค่าที่พักทุกอย่างตามธรรมเนียมขอรับท่านเจ้าบ้านเอ่อยว่าออไม่เป็นไรมี คนสัญจรที่ไหนจะทูนบ้านเอาไว้บนหัวข้าไม่คิดว่าพวกท่านแม่ลูกจะทันได้มีเวลากินข้าวว่าพรางก็สั่งคนรับใช้ให้รีบยกสำรับกับข้าวเข้ามาคนรับใช้รีบแต่งโตขึ้นในห้องโถงถือถาดไม้ในนั้นมีอาหารจานผักสี่อาหารจานเนื้ออีกหนึ่งเอามาวางเรียงลงบนโต๊ะพรางอุ่นเหล้าแล้วยกเข้ามาบริการจ่าบ้านออกตัวว่า ข้าวปลาอาหารตามบ้านนอกบ้านน้าก็เช่นนี้แหละมันหยาบยาบหน่อยหวังว่าพวกท่านคงจะให้อภัยนะฮะหวังจิ้นลุกขึ้นคารวะแล้วว่าพวกเราทำให้ท่านต้องลำบากยิ่งนักไม่ทราบว่าจะทดแทนพระคุณอย่างไรได้จ่าบ้านบอกว่าไม่ต้องกล่าวถึงเพียงนี้ดอกเชิญท่านดื่มเถิด เพื่อสนองน้ำใจจ่าบ้านที่ขยันขยอให้ดื่มหวังจิ้นกับมารดาจึงดื่มสุราเข้าไปหกเจ็ดจอกแล้วตามด้วยอาหารหลังจากเก็บถ้วยชามรามหายไปแล้วจ่าบ้านก็ลุกขึ้นพาคนทั้งสองไปส่งยังห้องรับแขกหว่างจิ้นเอ่ยขอร้องขึ้นว่าข้าใคร่ขอรบกวนให้เด็กรับใช้ให้น้ำให้ย่ามา้าที่แม่ข้าขี่มาด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง เราจะจ่ายให้จ่าบ้านตอบว่าสบายมากเราเองก็มีทั้งหมาทั้งลาข้าจะสั่งให้คนรับใช้จุงม้าท่านเข่าคอกแล้วหาได้าหาน้ำให้กินนะอย่าเป็นห่วงไปเลยอุ้ยเหลือเล็กน้อยเท่านั้นเองวางจิ้นกล่าวขอบพระคุณยกหาบขึ้นบ่าคลอนสัมภาระเข้าไปในห้องรับแขก คนใช้จุดตะเกียงแล้วนําน้ําร้อนมาให้ล้างมือล้างเทา้าจากบ้านก็กลับไปยังห้องของตนวางจิ้นกับมารดาขอบพระคุณคนรับใช้หับบานประตูใหญ่แล้วเข้านอนคนทั้งคู่หลับเป็นตายจนสายก็ไม่ลุกออกมาข้างนอกจากบ้านเข้าไปเงี้ยหูฟังอยู่ที่ประตูฉับพลันก็ได้ยินเสียงคนครางเบาๆอยู่ภายในพ่อบ้านร้องขึ้นว่า ท่านอาคันตุกะเช้าแล้วตื่นได้แล้วโอ้ยนอนขี้เช้านั้นเนี่ยโ ห, โหว่างจิ้นกระวีกระวานออกมาคาราวะพ่อบ้านแล้วเอ่ยว่าข้าตื่นอยู่พักใหญ่แล้วขอรับแต่เมื่อคืนนี้เราเป็นภาระรบกวนท่านนักไม่ดีเลยจ่าบ้านร้องถามว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนครางล่ะน่ะฮะเฮือกเฮืออยู่นั่นอะ วางจิ้นบอกแก่จ่าบ้านว่าขอเรียนท่านตามซื่อมารดาข่านั่งมามาทั้งวันจนสิ้นเรี่ยวแรงเมื่อคืนนี้โรคหัวใจจึงกำเริบพ่อบ้านจึงว่าถ้าเช่นนั้นฉันไหนไม่พักอยู่ที่นี่อีกสักหลายวันก่อนเล่าจะได้วิตกไปเลยข้ามีใบสัญญาพอจะเจ็ดหามาแกอาการปวดหัวใจได้นะ ข้าจะส่งคนรับใช้เข้าเมืองไปหายามาต้มให้มารดาท่านดื่มกลับไปบอกนางทำใจใ้สบายเถิดแล้วพักผ่อนเสียหวังจิ้นกล่าวขอบคุณในระหว่างนั้นหวังจิ้นกับมารดายังคงพำนักอยู่ในหมู่บ้านมารดาหวังจิ้นได้ยายอยู่ไม่ขาดล่วงเข้าวันที่หกเจ็ดนางก็รู้สึกแข็งแรงฟื้นกำลังวังชาขึ้นมาม า, มากโข อ, อาการเจ็บป่วยก็ทุเลาลง หวังจิ้นเก็บข้าวของเตรียมตัวเดินทางต่อระหว่างทางจากระเบียงบ้านไปยังคลอบม้านั่นเองพลันก็เลือบเห็นบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่กลางลานบ้านครับการเดินทางไปเมืองเย็นอันของหวังจิ้นและมาดาจะเป็นอย่างไรและเด็กหนุ่มที่มาปรากฏตัวให้หวังจิ้นเห็นนั้นคือใครกันแน่นะครับอยากรู้นะครับรบกวนไปฟังกันในตอนต่อไปนะครับ สองกังตอนที่สองครูทหารวางรอบหนีไปด่านเย็ยนอันเสื้อจิ้นเผาหมู่บ้านตระกูลซื่อจนราบคาในระหว่างนั้นหวังจิ้นกับมานดายังคงพำนักอยู่ในหมู่บ้านมานดาหวังจิ้นได้ยายอยู่ไม่ขาดล่วงเข้าวันที่หก เจ็ดนางก็รู้สึกแข็งแรงฟื้นกำลังวังชาขึ้นมามากโข อ, อาการเจ็บป่วยก็ทุเลาลงวังจิ้นเก็บข้าวของเตรียมตัวเดินทางต่อระหว่างทางจากระเบียงบ้านไปยังคอกม้านั่นเองพลันก็เหลือบเห็นบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่กลางลานบ้านลำตัวท่อนบนเปลือยเปล่าสักมังกรครามคล้มไปทั้งแขนแผ่นหลังลายลามตลอดไล่ไปตามแผงอกหน้ากลมกระดุจานเป คเนดูอายุอนามราวสิบเก้ากำลังไร้รำไม้พรองอยู่อย่างขมักขมน้นหวางจิ้นยืนดูอยู่พักหนึ่งก็พรางปากออกไปโดยที่ไม่ทันยังคิดไม่เลวนี่แต่ก็ยังมีจุดอ่อนหากคู่ต่อสู้เป็นมวยคงช่วยอะไรไม่ได้ฝีมือระดับนี้จะรับมือใครคงไม่ไหวดอกชายหนุ่มได้ยินจึงตวัดขึ้นด้วยโทรศว่าเจ้าเป็นใครนะฮะ ใจกล้ามาเยอะฝีมือเราข้ามีครูดีถึงแปดคนอย่าคิดนะว่าข้าจะล้มเจ้าไม่ได้นะจะลองดูไหมล่ะฮะเฮ้ยอันไรกันวะมาดูถูร ก, กันจะชัดนห่วะพูดอย่างไม่ทันขาดคําจากบ้านก็ก้าวออกมาตะวาดสวนขึ้นว่าอย่าหาเด็กโอหังบังอาจเฮ้ยเด็กหนุ่มเถียงขึ้นทันทีว่าแล้วคนพูดนี้อยู่ดีๆมิสิทธิอะไรมาดูมิีนฝีมือข้าล่ะ จ้าบ้านหันมาถามหวังจิ้นว่าท่านก็ฝึกหัดวิทยายุทธด้วยหรือท่านอาคันทุกะฮะหวังจิ้นตอบว่ารู้แต่พอทำเนาดอกขอรับท่านเจ้าบ้านข้าใคร่ทราบความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบุรุษผู้นี้ด้วยเจ้าบ้านว่าเป็นบุตรของข้าเองหวังจิ้นจึงว่าอ๋อเมื่อเป็นนายน้อย หากใครจะเรียนข้าน้อยก็ยินดีจะแนะให้สักสองสามกระบวนท่าท่านจะเห็นว่าอะไรจ่าบ้านก็บอกว่าแม่เยี่ยมเลยพรางก็หันไปสั่งบุตรว่า้ารวพระอาจารย์เจ้าซักสิเฮ้ยยืนแข็งทื่อเป็นเสากระโดงเรือไปได้เด็กหนุ่มหานำพาไม่กล่าวขึ้นยังเดือดดานว่าท่านพ่ออย่าได้หลงคารมคำพูดของไอ้ขี้ข้าพันนั้นเลย ข้าจะขกศรษยศให้ก็ต่อเมื่อคนพูดนี้ชนะข้าได้เท่านั้นหวางจิ้นจึงพูดว่าหากนายน้อยไม่คิดเป็นจริงเป็นจังเราอาจจะประลองกำลังกันสักสองสามตั้งให้เป็นที่คลึกคลืคล้นชื่นมื่นอุราชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็ท่วงน้ำหนักลงที่ขาขายี้ปลายเท้าทั้งสองข้างจังก้าอยู่กลางลานแล้วเริ่มควงไม้พรองอยู่เหนือหัวไม้พรองถูกแรงหมุนติ้ว ราจับผันฉับพันก็กลายสภาพเป็นม่านดำคล้ำผืนหนึ่งพเยอกไวไปตามแกนแล้วร้องตะโกนขึ้นว่าถ้าเจ้ากล้าก็กระโดดเข้ามาเลยหวังจิ้นยิ้มแต่หาได้ขยับขยื่นไม่เจ้าบ้านก็เอ่ยขึ้นว่าท่านอาคัรตุกกะเมื่อยินดีจะสอนฉันไหนจึงไม่เข้าไปประมือกับมันน่ะฮะเฮ้ยทั้งสอนมัน ส, สองสาเพลงหวังจิ้นหัวเราะแล้วว่าฮ่า ถ้าเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับนายน้อยมันจะดูไม่งามนะพ่อบ้านจึงว่าไม่เป็นไรดอกดีมือดีไม้เอาแต่พอทําเนาเขามันร้นหาที่เองว่างจิ้นจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นก็โปรดอภัยให้ด้วยว่างจิ้นจึงจิดไม้พลองขึ้นจากราวอาวุธเดินเข้าไปหยุดอยู่ในลานแล้วย่างเท้าสองขาเอาไว้กับพื้นอย่างมั่นคง เด็กหนุ่มขเขาไม่มองคู่ต่อสู้ตั้งแต่หัวจะรดเท้าชูไม้พรองขึ้นแล้วโถมเข้าใส่วางจิ้นทิ้งไม้พรองข้างหนึ่งเรียดดินไว้กับที่แล้วถอยฉากออกมาเด็กหนุ่มถลันตามเงื้อไม้พรองขึ้นเหนือหัวจนสุดเหยียดฉับพลันวางจิ้นก็หมุนตัวกลับยกพรองขึ้นทำท่าจะหดใส่เด็กหนุ่มเรียบเปลี่ยนไม้พรองจากท่าตีมาตั้งรับแต่ทว่าเร็วเกินกว่าจะบรรยาย หวังจิ้นพันก็ตวัดงัดปลายท่อนล่างของไม้พรองที่เงื้ออยู่เหนือหัวออกไปข้างหน้าก่อนที่จะเสือกปลายด้านนั้นทิ้ก็ใส่ ย, ยอดอกคู่ต่อสู้เด็กหนุ่มถูกกระแทกหงายหลังลง้มลงไปทั้งยืนไม้พรองก็เดินไปอีกด้านหนึ่งหวังจิ้นรีบทิ้งไม้พรองกุลีกุจอเข้าพยุงเด็กหนุ่มขึ้นแล้วพูดว่าเอาภัยให้ขาเถิดเด็กหนุ่ม ครานสี่เท้าขึ้นยืนเดินไปหยิบตังมาให้หวางจิ้นนั่งแล้วตัวเองก็คุกเข่าคกศีรษะลงกับพื้นเป็นการคารวะแล้วพูดว่าขอน้อยเรียนมาก็มากครูแต่ก็กลับไม่รู้อะไรสักอย่างท่านอาจารย์ข้าขอฝากตัวโปรดช่วยชี้แนะด้วยเถิดหวางจิ้นพูดว่ามารดากับข้าพาเจ้าอยู่บ้านท่านมาก่อนานหลายวันแต่ไม่ทันได้มีโอกาสแทนพระคุณดังนั้น ชอบแล้วที่จะต้องทำให้สุดกําลังจ่าบ้านเท่ายินดียิ่งนักสั่งบุตรชายแต่งกายให้รัดกลุ่มแล้วทั้งหมดก็พากันเข้าไปนั่งในห้องโถงผู้เท่าสั่งคนรับใช้ให้ข่าแกะเตรียมสุราอาหารและผลไม้รากไม้แล้วเชิญหวังจิ้นกับมารดากินโต๊ะฉลองเมื่อคนทั้งสองลงนั่งชายชารารินสุราแล้วลุกขึ้นดื่มให้หวังจิน้นเขากล่าวว่า ฝีมือระดับนี้ท่านสมควรที่จะเป็นครูทหารจึงจะเหมาะบุตรชายข้ามีตาเสียเปล่าแต่หารู้จักเขาไทสารไหมหวังจิ้นหัวเราะแล้วว่าโบราณว่าไว้ว่าพบคนจริงต้องเปิดเผยความจริงถึงจะกล้าปฏดคนชั่วแต่ก็กลัวคนซื่อนักเบาวของท่านผู้นี้หาใช่คนแทรกจางไม่ขอรับแต่ถ้ว่า เป็นหว่างจิน้นครูฝึกทหารแปดหมื่สังกัดกองทหารรักษาพระองค์เมืองหลวงตะ ว, วันออกได้ฝึกเพลงพรองประลองเพลงทวนอยู่เป็นนิจจศิลจอมพลเกากิวที่เพิ่งได้รับตําแหน่งใหม่ให้มากินตําแหน่งผู้บัญชา ก, การทหารรักษาพระองค์ครั้งหนึ่งเคยถูกพ่อข่าตีจึงผูกใจเจ็บและคิดจะมาลงเอากับขา้าขึ้นชื่อว่าเป็นลูกน้องเขาจึงไม่อาจทัดทานอันใดไ ด, ได้ด้วยเหตุนี้ข้ากับมารดา จึงหนีมาเสียพวกเรากำลังจะไปด่านเย็ยนอันข้าจะไปสมัครเป็นทหารในค่ายขุนพลจงผู้เท่าไม่คิดเลยว่าจะได้ผ่านมาทางนี้ได้เป็นหนี้พระคุณท่านและบุตรยังใจ ห, หลวงที่ช่วยดูแลรักษามารดาเลี้ยงดูปูเสือเรามาเสียก็หลายวันนับเป็นพระคุณอันเปรียบไม่ได้หากบุตรชายท่านปรารถนาจะเรียนข้าน้อยก็ยินดีจะเทใจสอน สิ่งที่เขาได้ร่ำเรียนมาแล้วนั้นล้วนเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวดูแล้วเพลินตาแต่ก็หาได้เป็นประโยชน์ในการศึกใดๆไม่ข้าจะสอนให้ใหม่ตั้งแต่ต้นจ่าบ้านผู้เท่าเอ่ยขึ้นว่าโลค่าจงน้อมรับบทเรียนให้แล้วคารวะอาจารย์เจ้าอีกครั้งคราวนี้ชายหนุ่มรีบทําตามผู้เท่ากล่าวต่อไปว่าลังมีอีกประการหนึ่ง ข้าขอเรียนท่านอาจารย์ผูดสรงเกยียรติหมู่บ้านนี้เรียกว่าหมู่บ้านตะกูลซื่อบรรพบุพ ร, บรุษของข้าอาศัยอยู่ในตะ บ, บนหัวหินมาแต่ไหนแต่ไรทิศเมืองหน้าเราคือเขาเซ้าหัวหมู่บ้านนี้มีผู้คนทั้งหมดสามสี่ร้อยครัวเรือนล้วนถือแซ่ซื่อทั้งสิน้นพุทธข้าตั้งแต่เด็กมาหาได้ใส่ใจกับการทำไร้ไถนา วันๆเอาแต่ร่ำเรียนกระบี่กระบองเมื่อยข้าอ่อนวอนลูกขอให้เลิกเสียปากเปียกปากแฉะลุ่มนะักเลยตรอมใจตายไปเองข้าเลยต้องปล่อยเขาไปตามใจปรารถนาไม่ทราบว่าเสียเงินเสียทองให้ครูอาจารย์ชานวรยุทธ์กี่คนต่อกี่คนเข้าไปเท่าใดแล้วแล้วยังต้องจ้างช่างมาสักลายมังกรที่แขนและลำตัวอีกรวมทั้งหมดเก่าตัวแน่ ด้วยเหตุนี้บุตรข้าจึงมีฉายาเป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งตำบลว่าข้าวมังกรซื่อจิน้นนับเป็นบุญหล่นเหลือที่ท่านรูมาที่นี่จะได้สั่งสอนเขาเสียให้ครบกระบวนวามข้ายินดีจะตกรางวัลให้อย่างงามทีเดียวเฮ้ยที่จริงจๆดีใจวะเฮ้ยวางจิน้นเพิ่มปิติแล้วพูดว่า วางใจเถิดท่านผู้เฒ่าหากนั่นคือความปรารถนาของท่านข้าพเจ้าจะอบรมสั่งสอนเขาให้ดีที่สุดแล้วทั้งหมดก็พากันดื่มกินนับแต่วันนั้นวางจิ้นกับมันดาก็อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านตระกูลซื่ออบรมบ่มสอนการใช้อาวุธทั้ง18ชนิดให้ชายหนุ่มอยู่ทุกวันมิได้ขาดไม่ว่าจะเป็นหอกตะลุมพุกธนูยาวเก่าทันสั้นปืนคาบศิลากระบองสามท่อน ระบองสั้นสองมือดาบโซ่ตะขอลูกขวานขวานด้ามยาวตรีศูนย์เงาวตั้งพรองยาวทวนและคราดส่วนจ่าบ้านซื่อได้รับแต่งตั้งจากตำบลหัวยินให้มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคอยเป็นหูเป็นตาให้กับทางการบ้านเมืองแล้ววันเวลาเล่าไม่ช้าจำเนียนการก็ผ่านไปได้ครึ่งปี ซื่อจินเริ่มจับถืออาวุธทั้งสิบชนิดได้อย่างมั่นคงคล่องแคล่วหวังจิ้นก็ตั้งใจอบรมบ่มสอนอธิบายเพลงอาวุธไปทุกขั้นทุกตอนทีละเพลงทีละเพลงอย่างละเอียดละออพอชายหนุ่มฝีมือก้าวหน้าถึงขั้นยอดฝีมือหวังจิ้นก็บอกกับตนเองว่าอยู่ที่นี่เรานี้แสนที่จะสะดวกสบายแต่ก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนจึงคิดอยากจะไปถึงเยียนอัน แต่ซื่อจินหาย่อมไม่ชายหนุ่มอ้อนวอนว่าอยู่ที่นี่จะเถิด ท, ท่านอาจารย์ข้าจะได้สนองพระคุณท่านกับมารดาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จะไม่ได้ทีเดียวหรือขอรับฮะโอ้โหอาจารย์ก็แหมวังจินบอกว่าขอบใจเจ้านักอยู่นี่อาจารย์มีแต่สุขเกรงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดจำผลเกาส่งคนตามมาเห็น เจ้าจะพลอยติดร่างแหบไปด้วยขืนปล่อยไว้ก็จะไม่เป็นการเราทั้งคู่จะพากันเดือดร้อนอาจารย์ตั้งใจจะไปเย่ยนอันไปสมัครเป็นทหารในค่ายของขุนพลจงพูดเท่าค่ายนั้นอยู่สุดเขตชายแดนขาดแคลนผู้คนนักอาจารย์เองก็จะได้ลืมตาอาบปากกับเขาเช่นทีเมื่อเห็นว่าถึงอย่างไรก็ห้ามอาจารย์ไว้ไม่อยู่ซื่อจินกับบิดาจึงจัดข้าวปลาอาหารเลี้ยงอำลา เอาแพรตัวน์สองพับกับเงินอีกร้อยตำลึงใส่ถาดเงินมอบให้รุ่งเช้าหวังจิ้นจัดสัมภาระใส่หอบเตรียมม้าพร้อมไว้เขากับมารดากล่าวอัมลาจากบ้านหวังจิ้นประคองมันดาขึ้นมา้าแล้วออกมุ่งหน้าไปจังหวัดเย็ยนอันซื่อจิ้นสั่งคนรับใช้ให้เข้าไปแบกหาบเจ้าตัวที่ชิงชังการลาจากก็เดินไปส่งแขกถึงสิบลี้ ในที่สุดซื่อจินก็โค้งคารวะอาจารย์กล่าวอำลาด้วยน้ำตาหนองหน้าก่อนจะบ่ายหน้าพร้อมคนรับใช้กลับหมู่บ้านหว่างจิ้นยกหอบขึ้นบา่าหาบตามม้าไปข้างหลังมารดากับบุตรชายก็บ่ายหน้าไปทางตะวันตกเราจะไม่กล่าวถึงหว่างจิ้นที่กำลังจะไปเป็นทหารที่ชายแดนอีกแต่จะกล่าวถึงซื่อจินแทนทุกวันชายหนุ่มทุ่มเทฝึกปรือเพลงอาวุธ หล่อล้อมตนเองไม่มีหยุดหย่อนเมื่อยังหนุ่มนั่นและยังโสดซื่อจินจึงมักตื่นแต่ดึกขึ้นมาฝึกทบทวนเพลงอาวุธสม่ำเสมอตอนกลางวันก็ฝึกขี่ม้ายิงธนูอยู่หลังหมู่บ้านการเวลาล่วงผ่านไปไม่ถึงครึ่งปีบิดาซื่อจินก็ล้มป่วยลุกจากเตียงไม่ไหวซื่อจินไปตามหมอมารักษาทั้งใกล้และไกลแต่ก็หามีผู้ใดรักไว้ได้ไม่ท่านผู้เฒ่าจากไป ทำกลางความศพเศร้าอะไรของผู้อยู่หลังซื่อจินจัดลงอย่างดีใส่ศพผู้เป็นบิดาตกแต่งภายนอกให้ดูหรูหราแล้วนิมนต์พระสงฆ์มาสวดบําัสุขุลเจ็ดวันเจ็ดคืนแผด ส, ส่วนกุศลไปให้คนตายจากนั้นก็ว่าจ้างเต้าเสือมาสวดอีกสิบรอบ <_ co op> เพื่อให้แน่ใจว่าจะดึงดวงวิ ญ, ญญาณของผู้วายชนจากนรกดิงตรงขึ้นสวรรค์โดยไม่ทะเลทลายเสร็จแล้วก็เลือก เลิกหามยามศพชาวบ้านทั้ง3 4มสครัวเรือนแต่งกายไว้ทุกข์พากันมางานแบกลงศพผู้ใหญ่บ้านไปยังสุสาบนบรรพชนข้างเนินเขาเบื้องทิศตะวันตกของหมู่บ้านที่บ้านตระกูลซื่อในยามนี้จึงไร้คนดูแลกิจการบ้านเรือนและเลือกสวนไรนาคนหนุ่มอย่างซื่อจินไม่ปรารถนากับการหว่านไถวันๆคิดแต่ใครจะหาใครมาประรองยุทธ เวลาผ่านไปอีกสามสี่เดือนย่างเข้ากลางเดือนหกพระจันทร์เต็มดวงเวียนมาครบหกรอบอากาศให้ร้อนอบอ้าวเป็นที่สุดซือจินไม่มีอะไรทําจึงเอาเก้าอี้พับออกมานั่งรับลมใต้หมู่หลิวท้ายบ้านสายลมจากหมู่สนฝั่งตรงข้ามโชยมาวูบใจซื่อจินรำพึงว่าแม่ชื่นใจนะักฉับพลันก็มีคนยื่นหัวออกมาจากหมู่ไม้ กวาดสายตาไป ร, บรอบๆซื่อจินตะโกนถามออกไปว่านั่นใครอะฮะใจจึงกล้ามาเที่ยวสอดจองหมู่บ้านข้าว่าแล้วก็ลุกขึ้นยืนวิ่งตรงไปยังแนวไม้พันก็เห็นเป็นหลี่จี้พานลากกระต่ายแอบอยู่หลังหมู่สนซื่อจินตะหวาดว่าเอ็งมาเที่ยวสอดสองบ้านข้าหาอะไรวะเนี่ยฮะคิดจะมาสอดแนมกระนั้นหรือหลี่จี้รีบตรงเข้าคารวะอย่างนอบน้อม แล้วว่าข้าน้อยกําลังมองหาไอ้เตี้ยคิว้วใครจะตามมันไปดื่มสุราด้วยกันสักชคำพอดีเห็นนายน้อยกําลังสบายใจข้าน้อยจึงไม่กล้าเข้าไปขัดจังหวะขอรับซื่อจินจึงเอ่ยถามหลี่จี้ว่าถ้าเช่นนั้นก็ขอถามสักคําเจ้าเคยมาที่นี่ก็ออกบ่อยแถมยังเอาเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่กระต่ายมาขายให้ก็หลายหนข้าเองไม่เคยคิดค้างอะไร เหตุชะไหนจึงไม่มาเสียเล่าหายไปหลายวันเลยคิดว่าเราไม่มีเงินให้เช่นนั้นหรือลี่จี้จึงพูดว่าข้าน้อยจะคิดเช่นนั้นได้อย่างไรเพียงแต่พักหลังมานี่หาเยือไม่ใครจะมีข้าน้อยก็เลยไม่ค่อยจะได้มาขอรับซือจินจึงตะวาดออกไปว่าโกหกภูเขาออกกว้างใหญ่อย่างเขาเศร้าหัวอย่างนี้น่ะหรือคิดจะให้ถือให้เชื่อว่าไม่มีแก้งไม่มีกว้าง ไม่มีกระตาให้ล่าหลี่จี้จึงบอกแก่ซื่อจินว่าอ๋อนายน้อยถ้าจะยังไม่ทราบเวลานี้มีจนป่าพากันไปตั้งซ่องอยู่บนเขาพวกมันมีด้วยกันห้ 600, าหกร้อยม้าดีอีกร้อยกว่าตัวหัวหน้าใหญ่ชื่อจูวูฉายาว่าเสร้อยเลียมหัวหน้ารองลงมาชื่อเฉินต้าฉายาเสือข้ามหวย ส่วนหัวหน้าคนที่สามชื่อหยางซุนฉายางูด่างขาวนายโจนทั้งสามออกพลุนสดมไปตามอำเภอใจทําการเมืองหัวหญินทําอะไรไม่ได้ได้แต่ตั้งค่าหัวเป็นสินบนให้สา0พังอีแปะแต่ใครล่ะจะกล้าขากรั้วจึงไม่กล้าขึ้นไปล่าสัตว์บนเขาเลยไม่มีเนื้อมาขายให้นายท่านยังเกา่าซื่อจินตอบว่าข้าเองก็เคยได้ยินเรื่องโจร น, นั่นมาแล้วแต่ไม่คิดว่า พวกมันจะกำเริบเสพสารถึงป่านนี้พวกมันคงไม่กล้าบุกมาถึงที่นี่ยังไงซะข้าก็ยังอยากได้เนื้อเพื่อเจ้าจะหาได้น่ะหลี่จี้คำนับรับคำแล้วลาจากไปซื่อจินกลับเข้าบ้านแล้วบ่นในใจว่าแม่ไอ้พวกสันดานนั่นทำเขิมเกริมเป็นที่เอิกเกเริกนักพวกมันอาจจะมาโจมตีหมู่บ้านเราก็ได้ถ้าหากเป็นเช่นนั้นล่ะก็ ซื่อจินจึงสั่งเบาไพรให้ล้มบัวควายกวนผีสองตัวเอาสุราที่หมักเองออกมาส่วนหนึ่งเผากระดาษเงินกระดาษทองบวงสวงสวรรค์ขอให้มีโชคมีลาบแล้วเชิญชาวนาในหมู่บ้านทั้งสามสี่ร้อยครัวเรือนมาประชุมที่คฤหาสน์ของตนพอคนเหล่านั้นทยอยเข้ามานั่งเรียงรายกันตามลำดับอาวุโสแล้วซื่อจินกับเบาไพรก็รินสุราแจกแล้วเอ่ยขึ้นว่าข้อได้ยินมาว่า นายโจรสามคนส่องสุมผู้คนอยู่บนเขาเร้าหัวถึงหกเจ็ดร้อยคนคอยออกปล้นสะดมอยู่ไม่ขาดเมื่อพวกมันทำอกอาจเออกระเริกถึงป่านนี้ไม่ช้าก็เร็วพวกมันคงจะต้องยกลงมาตีหมู่บ้านของเราจนได้ถ้าไอ้พวกสันดาลนั่นยกมาขอให้พวกเราชาวบ้านทุกครัวเรือนเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ดีหากบ้านข้าตีเกราะขึ้นก็ขอให้ทุกคนเร่งถือมีดไม้มารวมกัน หากบ้านท่านคนใดคนหนึ่งถูกปล้นพวกเราก็จะทำแบบนั้นเช่นกันขอให้พวกเราช่วยกันปกป้องหมู่บ้านหากเป็นตัวนายข้าจะเป็นคนจัดการเองบรรดาชาวบ้านพากันเอ่ยขึ้นว่าแล้วแต่นายน้อยเถิดพวกเราต้องพึ่งท่านหากได้ยินสัญญาณพวกเราจะพร้อมใจกันมาตอนที่ชาวบ้านดื่มเหล้าจอกสุดท้ายตะวันก็ลับหายตกดินไปสิ้นแล้วพวกเขา พากันอำลากลับไปเตรียมมีดเตรียมไม้ที่บ้านซื่อจินสั่งซ่อมแซมค่ายคูประตูหอรบตรัเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้พร้อมสับทั้งสั่งตีชุดเกราะและเตรียมม้าฝีเท้าดีไว้อีกเป็นจำนวนมากจะ ก, กล่าวถึงสามนายโจรบนเขาเศร้าหัวแทนวันหนึ่งคนทั้งสามนักปรึกษาหารือกันมีจูวูสมหยาว่าเส ร, ร้อยเหลี่ยมคนหัวหน้ามาจากติงหยวนใช้กระบี่สองมือ แม้จะไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวรยุทธ์แต่การวางหมากตามคูสู้รบทางทหารถือได้ว่ายอดเยี่ยมหัวหน้ารองลงมามีชื่อเฉินต้าฉายาเสือข้ามห้วยเป็นชาวเมืองเยอะเซ็งถือหอกด้าไม้ปลายกระบี่ส่วนอย่างสุนสมหยาว่าหมูด่างขาวหัวหน้าคนที่สามมาจากตำบลเสี้ยเหลียงในเขตจังหวัดพูโจใช้ง้าบเป็นอาวุธจูหู่พูดขึ้นว่า ข้าได้ยินมาว่าทางการตะบนหัวหยินตั้งสิงบนเป็นข้าหัวพวกเราถึงส0มพันพวงอีแพะและกำลังรวบรวมพวกคนจะมาจับเราถ้าพวกมันมาก็คงจะได้เห็นดีกันละคราวนี้แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเรายังขัดสนเงินทองและสเบียงอาหารนะักควรจะออกไปต้นสดมเอามาไว้บ้างหากทหารยกมาล้อมเราต้องพึ่งสเบียงกลางมากข อ, อยู่นะเชต้า ชายาเสือข้ามห้วยก็พูดขึ้นว่าแม่พูดได้ถูกต้องแล้วท่านพี่ข้าว่าเราควรไปเรียกข้าวจากหัวหญินดูทีหรู้ว่าพวกมันจะทําช่ไหนอย่างสุนสมยางูด่างขาวเสนอขึ้นว่าเฮ้ยอย่าไปหัวหญินเลยไปพูดเซ็งดีกว่าที่นั่นเป็นของตายเชนต้าชายาเสือด่างขาว ก็พูดแย้งขึ้นทันทีว่าโอ้โหผู้เซ็งไม่ค่อยมีคนที่นั่นคงไม่มีเงินทองข้าวปลาอาหารพอให้ปล้นหรอกข้าว่าไปที่หัวหยินดีกว่าคนที่นั่นมั่งมีเงินทองก็มากสมบีย์อาหารก็อุดมสมบูรณ์ว่าไหมอย่างสุนสมยางูด่างขาวก็พูดขึ้นว่าท่านพี่ไม่เข้าใจตามเส้นทางไปหัวหยินเราต้องผ่านหมู่บ้านตะกูลซื่อก้าวมังกร ซื่อจินนั้นพละกำลังคลาแข็งนักไม่แย่คนประเภทนี้เขาย่อมไม่เป็นการดีมันคงไม่เว้นเราไว้เป็นแน่ไปยุ่งกับพวกเขานี่ก็แย่กันพอ ด, ดีกันพากันซวยนะสิเชิญต้าสมยาเสือข้ามห้วยก็เอ่ยขึ้นว่าท่านพี่ไม่ควรดูแคลนฝีมือซื่อจินเขาคนคนนี้ดุนักจูบู่ชายาเสียร้อยเหลี่ยม พี่ใหญ่ก็พูดขึ้นว่าพี่เองก็ได้ยินว่าเขากล้าแข็งว่ากันว่าวรยุทธของเขานั้นชั้นอยอดจริงๆพวกเจ้าอย่าได้คิดไปทํานั้นกันเลยฮะเชิญต้าพี่สองก็ร้องขึ้นมาทันทีว่าโธ่เอ้ยยุทธที่ขาดตาขาวกันสิทธิเถิดเฮ้ยดีแต่ยกยอพ่อป้นคนอื่นแต่กลับมาทับถมตัวเอง มันเองก็เป็นมนุษย์ปุตุชนใช่จะมีสามเสียนหกกรก็หาไม่ข้าไม่เชื่อดอก้กว่าพรางก็หันไปตะโกนสั่งทหารเร็วโอ้ยไอพวกมึงไปเตรียมมา้ามาถ้าจะไปเตะหมู่บ้านตระกูลซื่อแล้วจะต่อไปหัวหินเลยจูบู ก, กับหยางสุนช่วยกันหว่านล้อมให้เฉินต้าเปลี่ยนใจแต่ก็ไร้ผลนายโจรที่สองใส่เกราะขึ้นมา้าคัดไพรพนไปด้วย รอยห้าสิบคนลั่นกลองตีข้องขึ้นพร้อมกันแล้วลงจับเขามุ่งสู่หมู่บ้านตระกุลซื่อทันทีเจ้ ก, กล่าวถึงซื่อจินวันนั้นออกไปตรวจรานับอาวุธดูแลเครื่องสับประยุทธต์ต่างๆอยู่หน้าหมู่บ้านพอบ่าวไพร่เข้าไปรายงานจึงให้ตีเกราะสัญญาณขึ้นเป็นการใหญ่คนทั้งหลายจากสี่ร้อยพวเรือนต่างหยิบฉวยมีดไม้เร่งมาชุมนุมกันที่หน้าคลืนหซื่อจินเอาผ้าแถบยาวพับเป็นสันพันรอบหัว สวมเกราะ อ, อ่อนสีแดงเข้มแผ่นเกราะประกบอ ก, อกและหลังทำด้วยเหล็กกล้าสวมทับด้วยเสื้อคลุมผ้าสีดำปักลวดลายใส่รองเท้าเขียวคาดเข็มขัดหนังสองไหล่สะพายหลังขัดคว้ด้วยคันธนูกับกระบอกลูกเกาทันในมือกระชับมั่นดาบสามแฉกสองคมสี่รูแปดห่วงดาบอะไรกันเนี่ยสองคมสี่รูแปดห่วง เ่าไพรจุงม้าสีแดงเพลิงออกมาซื่อจินกระโดดขึ้นขี่ชูดาบในมือขึ้นเหนือหัวสั่งเคลื่อนพลเบ่าไพร่ในเครื่องหาดของตน40คนเดินนำหน้าติดตามด้วยชาวบ้านอีก90คนล้วนคัดเอาแต่เฉพาะร่างกายบึกบึนรูปร่างกำยำล้ำสันส่วนชาวบ้านที่เหลือก็เข้าต่อท้าย่ยาตรากันมาเป็นขบวนตามถนนฝากเหนือของหมู่บ้านส่งเสียงอกระทึกโหสึกกู่ก้อง วีดร้องกันให้อึงมีฝ่ายเฉินต้านำไ พ, พร่พนรุดลงจากเขาพอมาถึงก็สั่งให้กระจายกำลังซื่อจินขม้นมองออกไปก็เห็นบุรุษหนึ่งสวมหมวกทรงเว้าเข้าเกราะ อ, อ่อนสีทองสวมเสื้อคลุมแดงทับตลอดตัวรองเท้าส้นหนาพันเอวด้วยผ้าจีบหลายทบขี่อาชาม้าสีขาวตัวใหญ่ถือหอกด้ามไม้ปลายกระบี่ยาว18ดเสีย ไพร่ผลโจรที่แผ่ออกไปรูปปีกาก็ตะโกนขึ้นอย่างดุดันหัวหน้าทั้งสองคะเม่นมองกันจากที่ยืนมาเฉินต้าก็คำนับให้ซื่อจินเอ่ยขึ้นว่าท่านปนสนมเผาหมู่บ้านผ่านชีวิตผู้คนเยี่ยงนี้โทษทันถึงที่สมควรตายได้ยินหรือไม่ท่านไปกินดีหมีมาจากไหนจึงได้กล้ามากระตุกหนวดเสือถึงทินข้าเฮ้ เห็ตนตาตอบอย่างนอบน้อมท่านผู้กลาบนเขาข้าวปลาอาหารขัดสนฮักเราคิดจะไปหยิบยืมจากเมืองหัวหยินแต่ติดที่ถนนมันตัดผ่านหมู่บ้านของท่านพอดีพวกเราไม่ปรารถนาที่จะแตะต้องแม้แต่ใบาาหญ้าวานท่านเปิดทางให้พวกเราเถิดขากลับจะตอบแทนให้อย่างเหมาะสมซื่อจีนตะโกนร้องออกไปว่าเฮ้ยเหลวไหล ข้าเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านของทางการบ้านเมืองที่จริงควรออกไปหาพวกท่านจึงจะถูกแต่วันนี้ท่านกลับรนมาหาที่เสียเองข้าปล่อยให้พวกท่านผ่านไปไม่ได้ดอกหากความนี้รู้ไปถึงหูท่านเจ้าเมืองข้าจะพล่อยรับเคราะไปด้วยฉชิญตาร้องออกมาว่าทัานโบราณว่าไว้ว่าใต้ฟ้าทั่วสี่มหาสมุทรใหญ่ชนผองร้วเป็นพี่น้องกันขอรบกวนท่าน หวานเปิดทางให้เราด้วยเถิดซื่อจินตะโกนออกไปว่าเฮ้ยเลิกทําตัวมีมารยาทเสียทีเถิดถึงตัวข้าจะยินยอมพร้อมใจแต่อีกคนคงไม่เล่นด้วยท่านต้องไปถามเขาดูเถิดเฉินต้าร้องออกไปอย่างสงสัยว่าแล้วท่านผู้นั้นเป็นใครที่ไหนกันเล่าท่านผู้กลา้าซื่อจินตะโกนบอกไปว่าอ๋อก็ดาบในมือข้านองไงเล่าเฮ้ย ฉับพลันเฉินต้าก็ตะบะแตกร้องว่าเพลิดันกันมากไปแล้วหรือท่านต้องการมีเรื่องฮะซือจินก็กระพือโกโรธโหมไฟพิโรธในใจตัวให้พลักพ่าน<อ>แวงดับซื่ออึกม้า<อ>ผมเข้าหาเฉินต้าก็กระตุ้นม้าสุดออกไปด้วยความเครียดแค้นใบหอกราบลู่ในท่าเตรียมแทงทั้งสองพันตูกันอยู่หลายเพลงไม่มีใครแพ้ใครชนะฉับพลันซื่อจินก็แสซงเปิดช่องอกลอกลอเป้าให้แทง เฉินต้าเห็นก็เสือกปลายหอกเข้าใส่นายบ้านนุ่มเบี่ยงตัวออกข้างหลบใบหอกที่ทิ่มเข้ามาลาตัวของคนทั้งสองกระแทกกันเสียงดังสนั่นเสื้อจินเห็นได้ทีก็ใช้แขนข้างหนึ่งตบ ร, รัดเฉินต้าไว้ด้วยความไวสอดมือข้างนั้นลงไปคว้าผ้าคาดเอวจับจีบกำไว้แน่นออกแรงงัดเพียงเบาๆเฉินต้าก็ลอยขึ้นจากอานมา้าที่ระดับกระดานวดลายหรูหราพอสะบัดอีกนหนนายโจนก็หล่นลงพื้นม้าดีดหนีดุดลมพัด ซื่อจินตะโกนสั่งเบาวไพรให้เข้าล้อมเฉินต้าแล้วจับมัดไว้บรรดาสมุนโจรที่เหลือพันแตกกระสานสั้นเซ็นไปสิน้นซื่อจินกับเข้าครฤหาสล่ามเฉินต้าเอาไว้กับเสากลางลานบ้านหมายมั่นจะจับนายโจรที่เหลืออีกสองคนแล้วค่อยคุมตัวไปรับสินบนนาจับเขาสั่งแจกจ่ายสุราให้ชาวบ้านที่มาช่วยคนเหล่านั้นดื่มกินพันสรรเสริญเยินยอความเก่งกล้าสามารถของชายหนุ่มอยู่ไม่ขาดปาก ก่อนจะค่อยๆทยอยแยกจ้ายกันกลับบ้านเรือนกลับมาที่ค่ายโจรบนเขาจูบูกับหยางซุนกําลังนึกตะกิด ต, ติดอยู่ในใจว่าเหตุ <S <S ฉันไหนไปก็นานแล้วให ย, ย, ยังไม่ได้ข่าวคราวจึงส่งผู้สอดแนมออกไปไม่นานนักพวกที่ส่งออกไปก็นําหน้าพาสมุนโจนคนอื่นๆที่แตกหนีขึ้นเขากลับมาจุงม้าที่บัดนี้ไร้คนขี่ตะโกนบอกนายโจรทั้งสองว่า ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฉินตาไม่ฟังความบัดนี้เสียทีเท่ากับซีไปแล้วจูบู่ตะโกนถามรายละเอียดสมุนโจรเรียเข้ามาคำนับเล่าความตามที่เกิดรบกันและเสริมว่าซสื้อเิ้นผู้นี้กล้าแข็งนักเจ้านายจูบู่พูดด้วยความโมโหว่าเฮ้ยเฉินตาไม่ฟังความข้าจึงต้องประสบเคราะห์คำเช่นนี้ อย่างสุ่นเสนอขึ้นว่าท่านพี่เรายกกำลังทั้งหมดลงไปแก้แค้นเถิดจูบู่ว่าไม่ได้ดอกขนาดเฉินต้๋ยยังเอาไม่อยู่แล้วฉันไหนเรากับเจ้าจะสู้เขาได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้ามีความคิดอย่างหนึ่งมันเสียงแต่ก็อาจจะพอบรรเทาถ้าไม่ได้ผลเราสงคนก็จบเฮอะไรล่ะท่านพี่ฮะ จูบูกระซิบแผนใส่หูหยางสุนร้องขึ้นมาว่าแหมวิเศษนักท่านพี่ไปกันเลยเดี๋ยวจะไม่ทันการย้อนกลับไปที่คฤหาสน์ซื่อจินยังไม่ทันหายโกรธเบาแร่ก็เข้าไปรายงานว่ารายงานท่านพ่อบาลจูบูกับหยางสุนสองนายโจรลงมาจากเขามุ่งมาทางนี้อีกแล้วขครับซื่อจินร้องขึ้นมาอย่างโมโหว่า โอ้โหไอ้วายร้ายข้าจะจับพวกมันเอาไปส่งทางการเสียให้หมดไปเอาม้ามาให้จงไวเร็วแล้วซื่อจินก็สั่งให้เคาะเคราะขึ้นเสียงสัญญานัดหมายดังกระจายไปทั่วชาวบ้านก็มารวมตัวกันอีกเช่นเคยซื่อจินขึ้นมา้าหยอกย่างผ่านหน้าประตูหมู่บ้านออกไปพัานก็เห็นจูวูกับหยางซุนเดินท้ามาแต่ไกลพอมาถึงคนทั้งสองก็หยุดคุกเขา่าเมื่อมองมาทางซื่อจิน น้ำตาไหลาอาบหน้าซื่อจินรั้งบังเหียนม้าตะโกนออกไปว่าเฮ้ยใจเลยจะมาคุกเขาอยู่ที่นี่หรอฮะจูบูสะอื้นอยู่หักหักสักครู่ก็ตอบว่า <c oughs> เราสามคนพี่น้องพูดต่ำต้อยถูกทางการตามรังควานจนไม่มีที่จะอยู่จำต้องหนีขึ้นไปบนเขาเป็นโจรส์ป่าเราสามคนพี่น้องเคยให้สัต์สามานตต่อกันว่าแม้นไม่ได้เกิดในวันเดียวกัน แต่ก็จะขอตายในวันเดียวกันเอาเฮ้ยมันแปลคำ Sabhaan บบของสามพี่น้องมาดีกว่าถึงไม่อาจเปรียบได้กับพี่น้องร่วมส a b h a ในสามก๊กในอดีตคือท่านกวนกงท่านจางเฟยและท่านหลิวเป้ยแต่จิตใจของพวกเรานั้นก็สัตซ์ซื่อไม่ได้เป็กว่าเลยวันนี้น้องเราชื่อเฉินท่าไม่ฟังความมังอาจร่วมเกินในท่านด้วยดื้อนั้น จึงถูกท่านจับตัวเอาไปขังไว้ในครือหัตพวกข้าอับจนพ้นปัญญาที่จะช่วยจึงมาขอตายไปด้วยให้จบจบกันไปท่านจงมัดตัวเราทั้งสามนำตัวไปส่งทางการเถิดพวกเรายินดีจะไปยอมรอกโดยไม่คิดขัดขืนใ ด, ดเลยซื้อจินคิดอยู่ในใจแม่ช่างเป็นพี่น้อง ที่สื่อตรงคงมั่นต่อกันอะไรจะปานนั้นหากเราเอาตัวมันไปแลกสิงบนคนทั้งแผ่นดินก็จะพากันเยอะอยใหญ่ไผ่โบราณก็ว่าไว้ว่าอันธรรมดาเสื อ, อย่อมไม่กินเหยื่อที่ตายแล้วพราก็หันไปกล่าวกับนายโจรที่หมอบอยู่กับพื้นว่าท่านทั้งสองจงตามมากับเราเถิดทั้งสองตามชื่อจินเข้าไปในห้องโถงหลังบ้านอย่างซึ่งเซื่อง พอไปถึงก็คุกเข่าแล้วอ้อนวอนให้ซื่อจินจับมัดอีกถึงพ่อบ้านหนุ่มจะเพี้ยนบอกให้ลุกขึ้นเป็นหลายครั้งแต่หาฟังไม่ก็สมดังคำโบราณว่าอันธรรมดาปราดย่อมบูชาปราดคนองค์อาจก็ย่อมเชิดชูซึ่งกันและกันจริงดังว่าพ่อบ้านหนุ่มเอ่ยขึ้นเมื่อท่านทั้งสองมีน้าใจใส่ซื่อเช่นนี้หากจะส่งตัวพวกท่านไปให้ทางการ ข้าก็คงไม่ใช่คนจริงแล้วหากคืนเฉินต้ากลับไปพวกท่านจะว่าอย่างไรล่ะฮะจูบู่กล่าวว่าท่านก็จะปล่อยติดร่างแหไปด้วยเท่านั้นทาเช่นนั้นไม่ได้ดอกท่านส่งเราไปแลกรางวัลกับบ้านเมืองสิดีกว่าซือจินก็บอกว่าไม่ได้แล้วพวกท่านจะกล้าดื่มกับข้าไหมอ่ะฮะจูบู่พูดว่าคนอดตายยังไม่ใส่ใจ แล้วฉะไหนจะต้องไปกลัวกับการร่ำสุราเล่าผู้ใหญ่บ้านหนุ่มยินดีนักพรางแก้มัดเฉินต้าแต่งโต๊ะที่ห้องโถงด้านในเลี้ยงนายโจรทั้งสามจูวู่เฉินต้าและอย่างสุน่นกล่าวขอบพระคุณในความเมตตาหลังจากดื่มกันไปหลายจอกนายโจรทั้งสามก็ค่อยๆร่าเริงขึ้นกระทั่งเล่าหมดหายนายโจรทั้งสามก็พากันคานับซื่อจินแล้วพากันกลับขึ้นเขา ซื่อจินตาไปส่งจนถึงประตูคาราหาร์พอกลับถึงค่ายจูวูก็ซุดตัวลงนั่งพร้อมในจนทั้งสองแล้วเอ่ยขึ้นว่าหากไม่ใช้ปัญญาเราสามคนฉันไหนจะรอดพ้นมาได้จนถึงบัดนี้ไม่ใช่เพียงเฉินต้าแต่ซื่อจินยังไปเราทั้งสามต่อไปเราต้องส่งของกำนันไปคาระวะเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจในความกตัญญูรู้คุณท่าน ขอให้เราข้ามเรื่องสัพเพเหระนี้ไปก่อนสิบกว่าวันต่อมาในคืนเดือนมืดนายโจรทั้งสามก็ส่งคนสองคนพร้อมทองคำสาสิบแท่งลอบลงจากเขาเข้ามาเคาะประตูคฤหาสนรับใช้รีบเข้าไปรายงานซื่อจินก็แต่งตัวออกมารับมีหนังสือถึงข้าเช่นนั้นหรือฮะคนของนายโจรก็เอ่ยขึ้นว่าขอรับหัวนหน้าทั้งสามฝากความเคารพมาอย่างท่าน เราได้รับคำสั่งให้นำของกำนันเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาขอบคุณพณะนะท่านที่ได้เมตตาไว้ชีวิตขอจอะได้คิดปฏิเสธเลยโปรดรับไว้ด้วยเถิดว่าพรางก็คุกเข่าลงยื่นห่อทองแท่งให้ฮะแรกซื่อจินคิดจะปฏิเสธแต่ฉุกคิดขึ้นว่าเมื่อกล้าให้ก็ต้องกล้ารับคิดพรางก็หันไปสั่งคนรับใช้ให้เลี้ยงสุราคนเดินสารทั้งสอง สมุนโจรดื่มกินจนกระทั่งเลยเที่ยงคืนซื่อจินจึงเอาเงินให้เป็นสินน้ําใจแล้วบอกให้กลับขึ้นเขาไม่ทันถึงครึ่งเดือนนายโจรก็ปรึกษากันแล้วส่งผลเดินสารลงมายังคลื่นหดอีกคราวนี้นําเอามุกเม็ดงามหลายเม็ดที่ได้จากการต้นมาเป็นของกํานันซื่อจินก็รับไว้เรื่องนี้เราจะไม่พูดถึงอีกอีกครึ่งเดือนถัดมา ซื่อจินจึงปลารบกับตนเองว่าในเมื่อทั้งสามเขารบยำเกรงเรานะักเราควรจะส่งของกำนันขึ้นไปตอบแทนบ้างจึงจะควรคิดเช่นนั้นแล้ววันต่อมาซื่อจินก็ส่งคนใช้ให้เขาไปหาซื้อผ้าไหม ย, ยกดอกสีแดงสามพับจากตลาดในเมืองแล้วให้ช่างตัดเสื้อตัดเย็บเป็นเสื้อคลุมส่งขึ้นไปให้ในายโจนสามชุดแล้วสั่งบ่าวไพร่ให้ล้มแกะวอ้วดอีกสามตัวปรุงเป็นอาหารอย่างดี จัดใส่หีบไม้ใบใหญ่สั่งเบาวไพร่สองคนให้หาบขึ้นเขาไปพ่อบ้านของซื่อจินมีนามว่าหวางที่สี่หวางคนนี้ลิ้นไก่สั้นพูดรัวลิ้นพันกันจนติดต่อราชการไม่ได้คนใช้อื่นๆพากันขนานนามให้ว่าดุดโปตังหวางที่สี่เป็นหนึ่งในสองพลเดินสารที่ซื่อจินใช้พวกเขา ช่วยกันหาบหีบไม้ใบใหญ่มาจนถึงตีนเขาเศร้าหัวสมุนโจรที่ด่านสักถามเมื่อได้ความก็พากันขึ้นไปยังค่ายนายโจรยินดีกับเสื้อคลุมอย่างดีเนื้อแกะนุ่มลิ้นและสุราเลิศรสจึงตกรางวันให้พลเดินสารทั้งสองเป็นเงินสิบตำลึงรินสุราให้ดื่มกว่าสิบชามก่อนจะปล่อยให้กลับคืนคฤหาสน์ทั้งสองกลับอะไรางานซื่อจินว่า นายโจนทั้งสามเคารพยำเกรงท่านนกนับจากนั้นเป็นต้นมาซื่อจินก็ติดต่อกับนายโจนอยู่เป็นนิดว่างที่สี่ต้องพลอยขึ้นลงเขาพร้อมของกำนันอยู่ไม่ได้ขาดส่วนนายโจนก็ส่งเงินทองมากำนันซื่อจินก็หลายครั้งการเวลาเวียนไปไม่ช้าจันก็ขึ้นเต็มดวงเป็นครั้งที่แปดในรอบปีถึงวันเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงซื่อจินตกลงใจ เชิญนายโจรทั้งสามมาร่วมดื่มสุราชมจันทร์วันเพ็ญที่คฤหาสา์จึงจัดส่งหวังที่สี่ขึ้นเขาไปพร้อมเทียบเชิญนายโจรทั้งสามตอบรับด้วยความยินดีรีบมีหนังสือตอบหยิบเงินเป็นสินน้ำใจให้หวงังห้าตำลึงและเอาเล่าให้ดื่มอีกสิบชามขากลับหวังเกิดพบกับสองสมุนโจรที่มักขนของกำนันไปส่งที่คฤหาส์อยู่เป็นนิดโจ้ทั้งสองกระกเข้ามาจับมือถือแขน ลากหวางไปที่ร้านเหล้าในตลาดประจําค่ายก่อนจะอําลามาได้หวางก็ต้องด่วนเหล้าเข้าไปอีกสิบชามพอลงเขาจะกลับบ้านเดินมาได้สักหน่อยลมก็เกิดจับขึ้นเหล้าที่ลงไปอยู่ในกระเพาะทั้งหลายทั้งปวงทันก็ประดังประเดปีนป่ายขึ้นมาบนหัวหวางหัวหนักซุนไปข้างหน้าสกสกแต่ก็แข็งใจเดินโซซัดโซเซต่อไปได้อีกสิบลิ้พอมาถึงหน้าหมู่ไม้แห่งหนึ่งก็สุดที่จะทนทิ้งตัวลงไปบนลานหญ้าที่รกครึ้ม ให้บังเอิญเคราะหามยามซวยมาเยือนหลี่จี้ก็ให้ประจวบออกมาดักแล้วล่าเหยื่บนเขาพอดีพรานกระต่ายรู้จักพ่อบ้านแห่งหมู่บ้านตระกูลซื่อเป็นอย่างดีพอเห็นนอนแบบอยู่เช่นนี้ก็ตั้งใจจะเข้าไปช่วยแต่พ่อบ้านตัวหนักเกินกําลังจะลากพรานกระต่ายพยายามอยู่เป็นนานสองนานพลันก็เกิดตาแหลมสังเกตเห็นเงินเป็นแท่งๆในไท้ายเน็บอยู่ใต้ผ้าเขีนเอวของหวางหลี่จี้คิดในใจว่า แม่ไอ้บัตซอบนี่เมาจนไม่ได้สติมันไปขโมยเงินอะไรมาจากไหนวะเนี่ยฮะถึงไดม้มากมายถึงเพียงนี้ให่จึงไม่ขมายมันต่อเสียเล่าแม่หวานปากกูละมึเงเฮ้ยคราวนี้ลีจี้ดึงพกออกมาเขยา่าคเนดูฉับพลันเงินก้อนกับหนังสือจากนายโจรก็ร่วงตกลงสู่พื้นเขาหยิบจดหมายขึ้นมาคลี่ดูด้วยไม่รู้หนังสือ แต่เขาพอจะจำชื่อต่อท้ายจดหมายที่เขียนว่าจูบูเฉินต้าและอย่างสุ้นจากใบบอกที่ติดประกาศอยู่ที่ตำบลได้ส่วนภาษาดอกไม้ที่เหลืออ่านไม่ออกหลี่จี้รำพึงกับตัวว่าอันตัวข้าหาเลี้ยงชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์มาตลอดชีวิตในชาตินี้ยากนักที่จะเชิดหน้าชูตากับใครเขาได้หมอดูทักเข้าท่าว่าปีนี้ข้าจะรวย นี่โอกาสถ้าจะมาหาเสียแล้วเป็นแม่นมันที่ตำบลหัวหยินข้าเห็นเขาปิดประกาศให้สิงห์วันนำจับสามจร น, นี้ถึงสามพันพุงอีแปะไม่น่าเราวันก่อนข้าไปหาไอ้เตียคิว้วไอ้สารเลวซื้อจินจึงหาว่าขา้าไปเป็นสายคอยสอดส่องก็มันเป็นพวกโจรมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่เองเฮ้ยหลี่จี้หยิบเอาเงินและหนังสือ แล้วตรงไปฟ้องทางการยังเมืองหัวหยินในทันทีอีตอนที่หวังที่สได้สติเวลาก็ล่วงเลยยามสองแล้วแสงจันทร์ซีดๆอาบตัวหวังไปทั่วร่างหวังสะดุ้งสุดตัวเรียบลุกขึ้นยืนหันไปมองรอบข้างเห็นแต่ดงสนเอามือคลำที่พกเงินแท่งกับหนังสือหล่นหายไปสีแล้วหวังค้นจนทั่วพบก็แค่ผ้าพันเอวเปล่าตกอยู่บนกอหญ้า หวังท <necessary. S 2> hey, ี but, ่ส hey, ี่ครางอยู่ในใจเฮ้ยเงินนํามันเท่าไรดอกแต่ทาหนังสือหายนี่สิโชคร้ายชะมัดใครมาเอาไปวะเฮ้ยแต่ถ้าเราขืนบอกว่าหายนายก็คงจะโกรธท่านคงจะทีบเราออกนอกบ้านเป็นแน่เราควรบอกว่าไม่มีหนังสือตอบมาถ้าจะดีนายไม่มีทางรู้อยู่แล้วพ่อบ้านคิดได้เช่นนั้นแล้วก็รีบแจ้นกลับบ้าน พอมาถึงคฤหาสน์เวลาก็ล่วงไปถึงยามห้าซื่อจินจึงถามหวังว่าเหตุเช่นไหนไปนานจนป่านนี้วะเนี่ยฮะไอวหวังเฮ้ยน่าหนักหวังตอบซื่อจินว่าก็เพราะบารมีนายท่านน่ะสินายจนทั้งสามไม่ยอมให้ข้ากลับพวกเขาเฝ้ากรอกเล่าข้าจนเลยเที่ยงคืนข้าจึงได้กลับมาเนี่ยแหละซื่อจินถามต่อว่า <S <S แล้วพวกเขาตอบหนังสือหรือไม่ หวังตอบว่าพวกนั้นคิดจะตอบนายท่านอยู่เหมือนกันแต่ข้าบอกว่าไหนๆพวกท่านก็จะไปอยู่แล้วฉนันไหนต้องเขียนตอบด้วยเราข้ากําลังเมาหากเกิดล่นหายไปกลางทางเข้าล่ะไม่ตลกแน่ซื่อจินเน็บหวังยิ้มยิ้มแล้วว่าไม่แปลกใจเลยที่ใครๆพากันเรียกเจ้าว่าดุดโปตังเจ้านี่ฉลาดดีแท้หวางพูดอีกว่า ข้าไม่กล้าทะเลทลาลรีบจำมาไม่ได้วแวะที่ไหนเลยขอรับซื่อจินว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงส่งคนเข้าไปในเมืองเที่ยวซื้อหาของขบเคี้ยวมากินแกล้มสุราข้าจะเอาไว้เลี้ยงแขกไปไปไปนไม่ช้าวันศาสตร์กลางฤดูใบไม้ร่วงก็เวียนมาถึงท้องฟ้าแจ่มกระจ่างซื่อจินสั่งคนรับใช้ล้มแกะอ้วนผีตัวหนึ่ง เป็ดไก่อีกนับร้อยตัวเอามาขึ้นโต๊ะจูวูเฉินต้าและอย่างสุนสั่งลูกส ม, มุนให้คอยเฝ้าค่ายพอตกค่ำก็ลงจากเขามาพร้อมด้วยเหล่าทหารพิทักษ์ห้าคนแต่ละคนสะพายดาบถือง้าบรีบรุดมายังหมู่บ้านตระกูลซื่อโดยทิ้งม้าไว้บนค่ายซื่อจินรอท่าอยู่แล้วต่างคนต่างทักทายปราดใสกันเป็นอนดีผู้ใหญ่บ้านหนุ่มเชิญนายโจรทั้งสามไปยังสวนหลังบ้าน อาหารตั้งรออยู่บนโต๊ะพร้อมแล้วซื่อจินเชิญ อ, อคันตุ ก, กะให้นั่งเก้าอี้แขกผู้ทรงเกียรติตัวเองก็ซุดตัวลงนั่งฝั่งตรงข้ามแล้วสั่งคนรับใช้ลั่นด่านประตูหน้าหลังให้มิดชิขดขณะที่เจ้าภาพกับอคันตุ ก, กะพากันดื่มกินคนรับใช้ก็คอยรินสุราไม่ให้พร่องจอกหั่นเนื้อแกะคอยเอาไว้ไม่ได้ขาด พอดื่มกินกันไปหลายจอกจันทเพนก็ค่อยๆลอยเด่นขึ้นจากขอบฟ้าเบื้องทิศตะวันออกทั้งแขกและเจ้าบ้านดื่มดั่งเบิกบานในเทศกาลวัน ส, สัตว์สวนเสียเฮฮาทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเอะอะอยู่นอกกำแพงแสงเทิงจากคบจับขอบกำแพงแดงฉานซื่อจินตกใจลุกพรวดพลาดขึ้นแล้วตะกน บ, บอกสหายทั้งหลายว่าสหายทั้งหลายรถจงอยู่กับที่ข้าจะออกไปดูเองว่าเกิดอะไรขึ้น เขาบอกพรางหันไปตะโกนสั่งบ่าไพร่พวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้เปิดประตูรั้วเปนอันคัดว่าพรางก็เอาบันไดพาดกำแพงปีนขึ้นไปชะงงอกดูนายอำเภอจากหัวหญินหนึ่งดาบตำรวจอีกสองและไพร่พนอีกสามสี่ร้อยคนกระจายกำลังโอบล้อมเครืองหาดเอาไว้ซื่อจินกับนายโจรถึงกับคลางอยู่ในอกท่ามกลางแสงเลงอันเจิดจ้าผู้ใหญ่บ้านกวาดสายตาแลออกไป ก็เห็นป่าหลาวทะเลเงาดูละลานตาทั้งคลาดห้าซี่ทวนไปเงี่ยงเต็มไปหมดนายดาบมือปราบทั้งสองก็ตะโกนขึ้นว่า่าให้พวกไอ้โจรร้ายหนีไปได้นาะพวกมึงหากทหารกองนี้ไม่ออกมาจับซื่อจินกับนายโจรทั้งสามแล้วฉะไหนซื่อจินจะได้ฆ่าคนนับสิบและต้องเข้าร่วมมู่ผู้กล้านับร้อย ก็จริงดังว่าเหล่านักรบซ่องสุมกันในดง อ, อเหลือศึกแหวกกอบัวออกเป็นทางซื่อจินกับนายจนทั้งสามจะหนีรอดได้หรือไม่เชิญฟังตอนต่อไปถ้าใครใครจะรู้จบบทที่สองนะครับต่อไปเป็นบทที่สามมีชื่อตอนว่านายน้อยซื่อทิ้งตำบลหัวหญินไปกลางดึก ผูพ้พันลูสอนเจ้าแห่งประจินทิศให้รู้สำนึกครับยามหิวกินอะไรก็อิ่มยามหนาวเพียงผ้าของม้าก็อุ่นยามกลัวถนนไหนก็มีให้ซอกซอนไปยามเข็นใจเนียคนไหนให้ก็เอา ช่วงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุดสองกลงจากบทประพันธ์ของซื่อในอันแปลโดยอาจารย์จรัสไชยเชี่ยวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่สามมีชื่อตอนว่านายน้อยซื่อทิ้งตำบลหัวหยิงไปกลางดึกผู้พันลู่สอนเจ้าแห่งประจินทิศให้รู้สานึก ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุ ก, ท, กท่านรับฟังได้นะบัดนี้ครับคราวที่แล้วนะครับเราก็ฟังกันมาถึงตอนที่ซื่อจินนะครับก็ได้เชิญหัวหน้าโจรบนภูเขานะครับลงมากินเลี้ยงกันที่คฤหาสน์ของตนนะครับก็คือ จููเฉินต้าและหยางซุนนะครับก็กำลังจะลงมือกินกันนะครับก็ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ยินเสียงเอะโวยวายขึ้นอยู่นอกกำแพงคฤหาสน์นะครับก็ซือจินก็ตกใจนะครับลุกพรวดพลาดขึ้นไปดูว่าพลางก็เอาบันไดาพาดกำแพงปีนขึ้นไปชะงกดูเลยครับก็ไปเจอกับในอำเภอจากหัวหินหนึ่งนะครับ ดาบตำรวจอีกสองคนและไครพนอีกสามสี่อยนะครับกระจัดกระจายกันโอบล้อมครุขระเอาไว้ซื่อจินนะครับกับนายโจรถึงกับครางอยู่ในอกท่ามกลางแสงเพลิงอันเจิด จ, จ้าผู้ใหญ่บ้านกวาดสายตาแย่ออกไปก็เห็นป่าหลาวทะเลเงาวดูละลานตากันเลยทีเดียวทั้งพลาดห้าซี่ทวนใบเงี้ยงเต็มไปหมดนะครับในดาบมือปราบทั้งสองกอตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่าปล่อยให้โจรร้ายหนีไปได้นะเฮ้ยครับ ถ้าหากนทหารก่องนี้ไม่ออกมาจับซื้อจินกับนายโจนทั้งสามเอาไว้แล้วชะไหนซื้อจินจะได้ฆ่าคนนับสิบและต้องเข้าร่วมหมู่ผู้กล้านับร้อยล่ะครับก็จริงดังว่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังตอนต่อไปนะครับเป็นตอนที่สามเหล่านักรบซ่องสมกันในดงอ้อเหลือศึกแบบกอบัวออกเป็นทางสองกังตอนที่สาม นายน้อยซื่อทิ้งตำบลหัวหญินไปกลางดึกผู้พันลู่สอนเจ้าแห่งประจิมทิศให้รู้สำนึกตัวข้าจะทำฉันใดดีซื่อจินถามตนเองอยู่ในความว้าวุ่นจูบู ก, กับอีกสองนายโจรเข้ามาคุกเข่าแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านพี่เมื่อท่านจังเขาสะอาดรย่าได้กังวลเพราะเราเลยมัดพวกเราเอาไปขึ้นรางวัล ดีกว่าจะปล่อยให้ชื่อเสียงต้องมีอันแปดเพื่อนมัวหมองซื่อจินตอบว่าไม่ได้ดอกถ้าขืนทำเช่นนั้นก็เท่ากับแกล้งพวกท่านเอามาขายกินใครได้ยินก็จะพากันเยอะหญ่ใหญ่ไพยไปั่วยยุติภพถ้าอยู่ก็ควรอยู่กันให้ครบหน้าถ้าต้องตายก็ตายมันเสียให้หมดนี่แหละพวกท่านลุกขึ้นเถิดอย่าได้วุ่นวายไปเลยไม่จาต้องพลีตัวดอก ข้าจะออกไปดูว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ซื่อจินจัดแจงแต่งบันไดปีนกำแพงขึ้นไปแล้วตะโกนถามลงไปว่าพวกเจ้ากล้าดียังไงวะถึงคิดจะบุกกระหันฆาคลัลงดึกเช่นนี้น่ะฮะไอ้ตำรวจพากันร้องขึ้นว่าพันเดะเสสร้างไปเลยน้ยน้อ ย, อยลีจี้บอกพวกเราหมดแล้วมันก็มากับเราด้วยเนี่ยเห็นไหมยินหัวโดยอยู่เนี่ย ซือจินตะโกนว่าไอ้ลีจีเหตุฉนไหนจึงกล้าใส่ความค้นบริสุทธิ์ฮะนายพรานลีจีตอบว่าข้าเองก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาแบบนี้เป็นแต่ข้าเกิดไปเก็บหนังสือที่วางที่สีถือลงมาจากป่าแล้วเอาไปอ่านที่ตำบลเรื่องมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นี่เองซือจินให้คนไปลากตัวหวางมาพบแล้วว่าเจ้าว่าไม่มีหนังสือทับ แล้วนั่นมันมาจากไหนฮะวางที่สี่ตอบละล่ำละลักกับซื่อจินวา่าข้าข้าข้าข้าข้าจำความอะไรไม่ได้เลยข้าเมาซื่อจินตะคอกว่าไอชาติชั่วมึงทำเอากูติดกับเสียนแล้วด้วยเกรงกำลังซื่อจินฝ่ายบ้านเมืองจึงไม่กล้าบุฝากฝ่าเข้าไปในครือหายแต่พวกนายโจรเร่งให้ซื่อจินรีบนาพวกตัวไปแก้ไขสถานการณ์ ซื่อจินพยักหน้ารับแล้วว่ากับตำรวจทั้งหลายว่าท่านเจ้าพนักงานทั้งหลายอย่าดวนผลีพหลามจงถอยออกไปให้พ้นกำแพงบ้านข้าก่อนข้าจะจับพวกโจรมัดแล้วส่งตัวพวกมันไม่เอารังวัลกับทางคารฝ่ายตำรวจไม่ประสงค์จะประมือกับซื่อจินอยู่แล้วจึงว่าพวกเราไม่อยากมีเรื่องกับท่านเร่งส่งตัวพวกมันมาและพวกเราจะพาท่านไปพบท่านเทสาพิบาลด้วยกัน ซื่อจินปีนบันไดกลับลงมาตรงไปห้องโถงสั่งให้คุมตัวหวังที่4ไปท้ายสวนแล้วฆ่าเสียด้วยดาบเดียวหลังจากนั้นซื่อจินก็สั่งบ่าวไพร่ให้เก็บทรัพย์สมบัติที่พอจะขนไปได้จุดคบไฟขึ้น 30-40 ชุดเข้ากับสามนายโจรผูกเกราะหยิบเ้าละดาบจากราวศาสตราวุธแล้ววางเพลิงเผาหมู่ตึกทางท้ายเครืหดก่อนเหล่าบริวารรีบพากันเก็บข้าวของเครื่องใช้ของพวกตน พอไพร่ผลด้านนอกเห็นแสงไฟลุกขึ้นที่ตึกด้านหลังก็พากันกรูไปด้านหลังซื่อจินก็จุดไฟเผาตึกกลางขึ้นอีกเอาเท้าถีบประตูหน้าร้องตะวาดแล้วทลันออกไปติดตามด้วยจูวูหยางซุ่นเฉินต้าและเหล่าองค์รักษ์โจรทั้งหมดโถมเข้าใส่ในทหารพอบ้านหนุ่มเป็นนักรบที่วีระอ่าหาฉนฉนไหนจะมีใครต้านอยู่แสงเพลิงฉาบฟ้าแดงฉานซื่อจินกับพลพรรค แวกของทหารออกไปเป็นทางสักประเดี๋ยวหนึ่งก็ประจันหน้ากับนายดาบตำรวจทั้งสองที่ยืนอยู่พร้อมกับหลีจี้ซื่อจินเห็นดังนั้นโทสะก็พลันเดือดพล่านสมดังโบราณว่าพอปะหน้าศัตรูตาทั้งคู่ก็ลุกเป็นไฟเมื่อปรับทั้งสองนายเห็นท่าไม่ดีรีบกบลับหลังหันวิ่งหนีหลีจี้ก็เพนตามแต่ซื่อจินไล่ทันฟันด้วยงาว <c oughs> เพียงงาวเดียว <c oughs> ก็พาหลีจี้ออกเป็นสองซี่ เฉนต้ากับหยางซุ่นก็สำเร็จโทษสองมือปราบด้วยปลายเงาอีกคนละแผลในอำเภอที่ยืนมมาอยู่ตกตะลึงพรึงเพลิดพวกมมาหนีจนสุดฝีเท้าประดาทหารเหล่านั้นก็กลับหลังหันเพ่นหนีแตกกระจัดกระจายไปซื่อจินกับพวกทหารตะลุยเข็นข้าไปตลอดเส้นทางที่บ่ายหน้าขึ้นสู่รังโจรบนเขาเศ้าหัวพอถึงจึงหยุดพักหายใจ จูบูสั่งให้คนล้มมา้าฆ่าวัวเลี้ยงฉลองเหตุการณ์หลังจากนั้นเราจะไม่พนานาต่อซื่อจินอยู่บนเขาต่ออีกหลายวันแล้วก็รำพันกับตัวว่าอ้หนาเพียงช่วยคนสามคนเราถึงกับต้องเผาบ้านช่องห้องหองของตัวถึงจะพอเอาของมีค่าออกมาได้บ้างแต่ทรัพย์ถินส่วนใหญ่ก็ต้องตกอยู่ในกองไฟซื่อจินรู้สึกขุนขัด อัดอั้นในใจจะอยู่อย่างนี้ต่อไปอย่างไรได้จึงกล่าวขึ้นกับในโจรใหญ่ทั้งสามว่าอาจารย์หวางครูวรยุทธของข้าเดินทางไปค่ายทหารทางภาคตะวันตกของดานข้าเองก็ตั้งใจจะตามท่านไปแต่ตอนนั้นพ่อมาตายเสียก่อนจึงจำต้องอยู่ดูแลบ้านช่องไปไหนไม่ได้แต่ตอนนี้บ้านข้าพี่นานปนปี้ไปสิ้นแล้วไม่มีอะไรจะรังค่าไดอีก นายโจนพากันรั้งบอกว่าอย่าไปเลยท่านพี่รออีกสักหน่อยหนึ่งเถิดแล้วเราคอยปรึกษาหารือกันหากท่านพี่ไม่ประสงค์จะอยู่ร่วมกับเราจริงๆริงรอให้เรื่องสงบอีกสักนิดเราจะสร้างคฤหาสให้ใหม่แล้วท่านพี่จะได้กลับไปประพฤติตนเป็นพลเมืองดีเยี่ยงเดิมดีไหมล่ะท่านพี่อย่าไปเลยซื่อจินเอ่ยขึ้นว่า ขอบใจในความปรารถนาดีของพวกท่านนักแต่ข้าก็ไม่คิดจะอยู่อยู่ดีหากได้พบอาจารย์และมีการมีงานทำข้าก็คงจะได้ลืมตาอ้าปากใช้ชีวิตโดยปราศจากความกังวลใจได้อยู่อย่างผู้ไร้ทุกข์จูบูถามขึ้นว่าแล้วฉันไหนจึงไม่อยู่ที่นี่เป็นผลหน้าพวกเราสืบไปเสียเลยเล่าการนี้จะไม่ทำให้ท่านพี่เป็นสุข่าดอกหรือ ค่ายบนเขาของเราดูจะเก่าแก่และเล็กเกินไปสำหรับผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านพี่กระมังฮะซื้อจินตอบว่าอย่าว่ากันถึงขนาดนั้นเลยเท่าที่ผ่านมาชื่อเสียงของข้าก็ไม่เคยดังพร้อยแล้วจะให้ข้าเอาร่างกายที่พ่อแม่ให้ลงไปเกลือกกลัวอย่างไรได้ถึงพวกท่านจะหวานล้อมต่อไปอย่างไรก็คงไร้ประโยชน์เปล่า หลายวันต่อมาซื่อจินก็ตัดสินใจเด็ดขาดจะลงเขานิ ย, ยัยนายโจรจะพากันเลกลี้ยกล่อมหว่านล้อมและเขี้ยวเข็นอย่างไรอย่างไรเขาทิ้งบ่าะแ่และเงินทองส่วนใหญ่ไว้ที่ค่ายหยิบเอาแต่เศษเงินชิ้นเล็กๆใส่ห่อผ้าไปซื่อจินหยิบหมวกสกราชปีกว้างประดับผู้แดงขนหางม้าสวมทับผ้าโพกหัวดาผูกผ้าพันคอสีเหลืองสดใส สวมเสื้อคลุมไหมสีขาวตัดยาวทรงทหารคาดเอวด้วยแพรสีเปลือกลูกพรมกว้างห้านิ้วพันแข้งกึ่งสนับด้วยผ้าแถบสลับลายฟ้าขาวใส่รองเท้าฟางเดินเขาห้อยดาบยาวเข้ากับสเอวบุรุษหนุ่มเบี่ยงหอบผ้าขึ้นหลังมือถือเงาแล้วกล่าวอำลาในจนทั้งสามที่พาบริวารมาส่งถึงตีนผูและร่าให้ด้วยความอาลัยลา ก่อนจะหันหลังบ่ายหน้ากลับขึ้นภูซื่อจินเดินตามลำพังไปบนถนนด้านด้นสูด่านสุดเข็ดแดนเย็นอันจะกินและดื่มก็ต่เมื่ออยากจะหยุดพักก็เฉพาะยามกลางคืนพอรุ่งขึ้นก็รีบตื่นออกเดินทางไปแต่หัวรุ่งไปเช่นนี้ได้กว่าครึ่งเดือนก็บรรลุถึงตำบลเว่ยโจที่นี่เป็นด่านชายแดนเขาบอกกับตนเองว่าบางที เราอาจจะพบท่านครูวางที่นี่ก็ได้เมืองที่ซื่อจินเข้าไปเ <spe cial> ต็มไปด้วยเสียงอึกทึกครึกโครมมีถนนหลายสายตลาดหลายแห่งพอเจอร้านน้ำชาเล็กๆที่มุมถนนสายหนึ่งซื่อจินก็ก้าวเข้าไปนั่งเสี่ยวเอรอปรีเข้ามาต้อนรับแล้วถามว่าท่านต้องการดื่มอะไรหรือครับคุณชายซื่อจินบอกว่า ข้ายอยากได้ชาสักจอกเสี่ยวเออร์ยกชามาป้านหนึ่งวางลงตรงหน้าซื่อจิน้นแล้วซื่อจินก็เอ่ยถามเสี่ยวเออร์ขึ้นว่าป้อมทหารประจำเมืองอยู่ที่ไหนท่านพอจะบอกได้ไหมเสี่ยวเออร์ว่าข้างหน้านี่เองขอรับคุณชายซื่อจินถามอีกว่าแล้วท่านพอทราบไหมว่าครูทหารจากเมืองหลวงตะวันออกผู้หนึ่งนามว่าหวางจิน ประจำการอยู่ที่นี่หรือไม่เซียวเออร์ตอบว่าหอ้ยป้อมที่นี่มีครูฝึกตั้งมากเฉพาะแซ่วางก็ป้าเข้าไปตัง้งสามสี่คนแล้วแต่ไม่เคยได้ยินว่ามีชื่อวางจิ้นเลยขณะที่คนรับใช้กำลังพูดบุรุษหนึ่งร่างสูงกำยำล่ำสันแต่งตัวคล้ายนายทหารก็ก้าวเข้ามาศีสษะพวกผ้าติดตราสวัสดิกะห่วงเข็มขัดรัดแน่นติดแผ่นหลังสองห่วง ตีเป็นแหวนทองควยแบบไทยหยวนแพร่คาดเอวทับสีเขียวคร้ำจนดำดังคนนกกาน้ำเขียนทับเสื้อคลุมทหารตัวบนสีเขียวนกแก้วสองเท้าสวมรองเท้าหุ้มข้อสีเหลืองคลิปปริมด้วยหนังสัตว์สีน้ำตาลลายนูนตกแต่งเป็นรูปกรงเล็บเยียวใบหน้ากลมป้มกรามเกลี้ยงเกลาแต่ไว้คราแต้มคางดังรูปพัดลามเป็นจรจากหูซ้ายจดหูขวาใบหูหนากลางปากกว้าง จมูกโด่งเป็นสันสูงหกอกรอบอกวัดได้สิคืบครับหนึ่งอกจีนครับก็อยู่ประมาณ3ามมเซนนะครับก็ได้ความสูงประมาณ198เดเซนกันเลยนะครับรอบอกวัดได้สิคืบพอผู้มาใหม่ได้ที่นั่งเสี่ยวเออจึงพูดแก่ซื่อจินว่าท่านผู้พันมานั่นแล้วขอรับเชิญท่านสักถามเรื่องท่านหวางจินเอาเองเถอะ ท่านผู้นี้รู้จักครูฝึกทหารที่ป้อมนี้ดีทุกคนซื่อจินรีบผุดลุกขึ้นโดยไวยกมือทั้งสองขึ้นกุมไว้กับวางอกโค้งคำนับแล้วว่าท่านผู้กล้าขอรับใครขอเชิญท่านมาดื่มน้ำชากับข้าพาเจ้าผู้ตาต้อยสกจอกคงไม่รังเกียจกรามังในทหารผู้นั้นขม่นมองมาทางซื่อจิน เมื่อเห็นว่าซื่อจินเองก็มีรูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสันท่วงท่าอง์อาจปราดเปรียวจึงรีบลุกขึ้นรับไหว้เดินไปที่โต๊ะซื่อจินแล้วชวนกันนั่งลงซื่อจินเอ่ยกับนายทหารว่าขอถือวิสาส์ใครสาบน้ำท่านด้วยขอรับนายทหารผู้นั้นว่าพ่อผ่อเจ้ามีนามว่าตาแซ่ลู่ เป็นผู้บังคับกองพัน์อยู่ที่ป้อมแห่งนี้แล้วท่านละ่ะมีนามว่าอะไรฮะซื่อจินตอบว่าข้าพเจ้ามีนามว่าจินแซ่ซื่อเป็นคนมาจากตำบลหัวหยินเขตจังหวัดหัวโจวหวางจินอาจารย์ข้าพเจ้าเคยเป็นครูทหารแปดหมือนแห่งกองทหารราชวรรบในเมืองหลวงตะวันออกท่านพอทราบบ้างไหมว่าอาจารย์หวางจินอยู่ที่ป้อมแห่งนี้หรือไม่ ไอ้ท่านเองดอกหรือคือนายน้อยซื่อแห่งหมู่บ้านตระกูลซื่อน่ะฮะผู้ที่คนเข้าขนานานามให้ว่าก้าวมังกรใช่ไหมซื่อจินคำนับพรางว่าเป็นขา้าพเจ้าเองนั่นแหละผู้พันหลูต้ารีบโค้งคำนับตอบแม่ท่านผู้กล้าโบราณว่าพบหน้าย่อมดีกว่าได้ยินแต่กินที่พั์ แล้วครูของท่านผู้นั้นคือหวางจินที่ไปมีเรื่องขัดใจกับจอมพลเกาแห่งเมืองหลวงตะวันออกคนนั้นใช่หรือไม่ล่ะฮะแหม่ก็เรื่องมันดังจะตายซื้อจินว่าใช่เป็นคนคนเดียวกันนั่นแหละในทหารผู้นั้นว่าเขาป้าเจ้าเองก็เคยได้ยินเรื่องราวแต่ครูท่านหาได้อยู่ที่ป้อมนี้ไหมมีคนว่าท่านไปอยู่เสียกับท่านขุนพลจอผู้เท่าที่ป้อมเยียนอัน เวยโจงแห่งนี้เป็นแค่ด่านเล็กๆขุนพลจงผู้ลูกเป็นผู้บังคับบัญชาที่นี่พี่วางหาได้อยู่กับเราไหมลู่ต้าว่าพลางเอ่ยกับซื่อจินอ้าท่านเองดอกหรือคือนายน้อยซื่อข้าได้ยินกิติศั์ของท่านมานานนักหนามามามามาม า, มาเชิญมาดื่มฉลองกับข้าพเจ้าให้สำรานอุราสักหลายจอกเถิด ว่าแล้วก็ตรงเข้าหยุดมือซื่อจินขณะกำลังจะพ้นร้านน้ำชาออกมาหลูต้าก็ผินหน้าตะโกนข้ามไหลไปว่าเิียวเออร์ลงบนชีค่าไว้นะเิียวเออร์ตะโกนตอบมาว่าไม่เป็นไรดอกครับท่านผู้พันเชิญตามสบายเถิดครับหลูท้ากับซื่อจินคล้องแขนพากันเดินออกไปตามถนนพอไปได้ไม่ถึงห้าสิบเก้าก็พบเข้ากับ คนเป็นอันมากล้อมวงที่โล่งแปลงหนึ่งม่เราลองไปดูทีซิซื่อจินนะทั้งสองแบกฝูงชนเข้าไปก็เห็นบุรุษหนึ่งยืนอยู่กลางลานหอบไม้พรองกว่าสิบเล่มเอาไว้เห็นจะได้กระปุกยาหมองและขวดน้ำมันติดป้ายบอกราคากองสุมอยู่ในถาดที่วางแบกอยู่กับพื้นชายผู้นั้นเป็นพ่อค้าปาหิเรก ข, ขายา อาศัยการไรล่ลาเพลงอาวุธมาดึงดูดคนพันซื่อจินก็นึกออกว่าเป็นลี่จงครูอาวุธคนแรกของตนมีฉายาว่านายพลสู้เสือนั่นเองซื่อจินทักออกไปว่าเอา้าท่านครูไม่ได้พบกันมานานนักหนาะลี่จงอุทานออกมาว่ามาทำอะไรที่นี่ล่ะน้องพี่ฮะลู่ต้าเอ่ยขึ้นว่า ในเมื่อท่านเป็นครูของหนาหยน้อยซื้อก็ขอเชิญท่านมาร่วมดื่มกับพวกเราสักหลายจอกเถิดคนแสดงปาหี่เอ่ยขึ้นว่าหม่ยินดีนะักขอให้ข้าพเจ้าขายกอเอีย้ยให้พอได้ประทังชีวิตเสียก่อนเถิดลูต้าเอ่ยประชดว่าไม่ใครจะมีเวลาคอยถ้าคิดจะมาก็รีบตามมาไ ว, ไว้ๆเถิดเฮ้ยลี่จงพูดกับผู้พันว่า ท่านผู้พันขอรับชีวิตข้าหาเช้ากินข่าพอจะมีอะไรตกใส่มือก็ต้องรีบฟ้าเอาไว้ขอเชิญท่านล่วงหน้าไปก่อนเทิดแล้วข้าจะตามไปสมทบภายหลังแล้วหันมาบอกซื่อจินว่าน้องพี่จงไปพร้อมกับท่านผู้การก่อนเทิร์ดหลูดต้าให้นึกเคืองพรางพลัก อ, อกผู้คนที่มุงดูไปข้างๆแล้วตะหวาดว่ารีบย้ายก้นของพวกเจ้าออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้น ข้าจะฟาดให้ยับลงกับพื้นเลยฝูงชนจำหลู่ต้าได้รีบตาลีตาเลือกแตกหนีไปโดยไวหลี่จงให้นึกแค้นแต่ไม่กล้าปริปากเกรียาอาการหลู่ต้านั้นดูดุดันเหลือใจเฮ้ยอู้วามอะไรจะปันนั้นหลี่จงนึกพลางยิ้นแย้มเป็นเชิงประจบแล้วหันไปเก็บรวบรวมข้าวของหยูกยาและสัตว์ราวุธฝากไว้กับเพื่อนก่อนจะเดินไปพร้อมกับซื่อจินและผู้พันท่านนั้น พวกเขาพากันเดินไปตามถนนเลี้ยวเข้าตรอกนั้นทะลุออกตรอกนี้จนกระทั่งในที่สุดก็ทะลุถึงโรงเตี้ยมขนาดใหญ่มีชื่อแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตีนสะพานดำเนินการโดยคนแท่ป้านจากผ้าที่แขวนติดปลายไม้เสียบไว้เหนือประตูไวเพยื่อเพยาพยาเมื่อต้องแรงลมอ่านได้ความว่าที่นี่มีสุราขายแล้วเลือกเอาห้องสะอาดสอาดห้องหนึ่ง หลู่ต้าสุดตัวลงนั่งที่หัวโต๊ะเป็นประธานในฐานะเจ้าบ้านหลี่จงนั่งลงฝั่งตรงกันข้ามเสี่ยวเออร์คนหนึ่งคุ้นเคยกับหลู่ต้าดีนักจึงรีบเข้ามาทักอย่าง น, บนอบน้อมแล้วว่าท่านผู้พันต้องการสุราสักเท่าใดหรือขอรับเอามาสี่นานก่อนเสี่ยวเออร์นำจานออกมาเรีงบนโต๊ะทางถามว่าพวกท่านต้องการกับแกลบอะไรหรือขอรับ แมถามแล้วถามแล้วอารมณ์หรูต้าพลันระเบิดออกมาอีกไปเอาไอ้ที่เอ็งมีนั่นแหละมาอะไรก็ได้ลงบัญชีข้าไว้แล้วข้าจะจ่ายยายต้องพีร่รีพี่ไรให้มากความไปด้วยเราเฮ้ยเสี่ยวเออรีบลงบันไดไปชั้นล่างไม่ช้าก็กลับมาพร้อมด้วยสุราอุ่นๆเอาถาดไม้ใส่เนื้อและอาหารอื่นๆลำเลียงขึ้นมาวางจนเต็มโตะ๊ะคนทั้งสามร่าสุราไปหลายจอก โอภาพราสายกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นที่สับเพเหระเปรียบเทียบเชิงมวยซึ่งกันและกันขณะที่การสนทนากําลังดําเนินไปอย่างออกรถออกชาติพันก็ได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นแว่ดออกมาจากห้องที่อยู่ถัดไปด้วยเป็นคนใจไวนิสัยขี้งุหงิดอารมณ์ลูต้าพันน์ลุกเป็นไฟหยิบได้ถาดได้จานก็คว้างลงพื้นเสียวเออตาลีตะเลือกลนลานขึ้นบันไดามาก็พบว่าลูต้ากําลังเดือดดาลในอารมณ์นักแล้วเอ่ยขึ้นว่า หากประสงค์สิ่งใดท่านย่อมสั่งข้าพระเจ้าได้เต็มที่ข้าพระเจ้าพูดตามต้อยเป็นต้องรีบมากราบพรานท่านให้จงได้อยู่แล้วเสี่ยวเ อ, อ้อคำนับอยู่ปลุกปลุกตัวสั่น ง, งันงกแล้วหลูต้าพูดกับเสี่ยวเ อ, อ้อว่าแล้วใครพูดใดจะไปต้องการอะไรอื่นอีกฮะไอ้ข้าหรือหลงคิดว่าเจ้ารู้ดีว่าข้าเป็นใครแล้วกล้าดีอย่างไรจึงปล่อยให้ใครๆเที่ยวขึ้นมาต่อล้อต่อเถียงกันอยู่ในห้องข้างๆ รบกวนการกินดื่มของพวกข้าทำรากับว่าข้าจ่ายเกินแล้วเสิอีกเฮ้ยเซียวเออร์พูดอย่างร้อนรนว่าโปรดอย่าได้โกรธเคืองไปเลยนายท่านข้าไม่มีวันจะยอมให้ใคคยๆขึ้นมารบกวนท่านได้อยู่แล้วคนที่ร้องไห้อยู่นั้นเป็นพ่อกับลูกสาวที่มักขับลำนำประจำที่โรงเตียมของเรานั่นเองพวกเขา คงไม่ทันรู้ว่าท่านกับเพื่อนกําลังดื่มสุราอยู่ที่นี่จึงอดรําพึงรําพันปรับทุกข์กันไม่ได้ลูตาตะวัดขึ้นว่าเอ๊ะทํางราวกับว่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากนวะเนี่ยฮะเฮเจ้าจงไปพาพวกเขามาหาข้าเดี๋ยวนี้ไอ้ครับครับเจ้านายให้เดี๋ยวนี้แหละไม่นานนักเสี่ยวเออก็กลับมาพร้อมด้วยดารุนีแรกรุ่นนางหนึ่งสาวเจ้าอยู่ในวัยกํำดัด อายุราวส8ปดปีติดตามมาด้วยชายชาราวัยห้าสิบปลายทั้งสองถือกลับไม้คู่หนึ่งอยู่ในมือแม้จะไม่ถึงกับจัดได้ว่าสวยแต่ทว่าสาวน้อยนางนั้นกลับยั่วยวนชวนใจไม่น้อยนางกรีดน้ำตายอกกายลงแล้วโขกศรีรษะเป็นการคารวะสามครั้งชายชารารีบทําตามลูตาถามว่าพวกเจ้าเป็นใครมาจากไหนใจจึงมาพิรีพิไรอยู่เช่นนี้ ดรุณีน้อยตอบว่าข้าพเจ้าพูดตามต้อยจะเล่าเรื่องราวของเราให้ฟังไหนพวกเจ้าลองเล่าให้ข้าฟังสิมันมีเรื่องราวอะไรกันแน่ฮะพวกเรามาจากเมืองหลวงตะวันออกบิดามารดาและข้าพเจ้าเดินทางมาเยี่ยมญาติผู้หนึ่งแต่พอมาถึงก็ทราบว่าญาติผู้นั้นจากเวโจไปเมืองหลวงทางใต้เสร็จแล้วมารดาข้าพเจ้าล้มป่วยลง และจากพวกเราไปทีนี้ข้าพเจ้ากับบิดาต้องตกละกรรมลําบากท่านนายเจิงมีฉายาว่าเจ้าแห่งประจิมทิพเห็นข้าจึงอยากได้ข้าพเจ้าไปเป็นเมียเก็บส่งคนมาทั้งปลอบทั้งขู่ในที่สุดก็ทําสัญญาซื้อตัวข้ารับปากว่าจะให้เงินบิดาข้าพเจ้าสามพันถุงอีแปะได้ <c oughs> ท่านเจ้าขะ สัญญานั้นเป็นของจริงแต่ทว่าหลมปลากกลับเป็นของปลอมไม่ทันครบสามเดือนดีนางพัญญาหลวงของเขาเป็นคนใจดำอ ม, มหิตก็ เ, เชดหัวค่าออกจากบ้านแถมท่านนายยังสั่งคนดูแลโรงแรมให้มาเรียกเอาเงินกับเราให้เราเอาเงินสามพันพุงอีแปะไปคืนทั้งทั้งที่จริงแล้วเรายังไม่เคยได้เงินจากเขาเลยแม้แต่บาทเดียว <c oughs> ชันไหนเลย เราจะมีปัญญาใช้คืนได้บิดาข้าพเจ้าก็อดแอนฮักจะให้ไปโต้เถียงกับคนรวยคนมีอิทธิพลอย่างท่านนายเจิ้งก็ทำไม่ได้เราไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีแต่เมื่อครั้งยังเยาว์บิดาเคยต่อเพลงให้อยู่หลายชิ้นพวกเราจึงได้เร่ร่อนไปตามโรงเตี๊ยมร้องเพลงแลกเศษเงินได้มาแต่ละวันก็น้อยอยู่แล้วแถมยังต้องแบ่งส่วนใหญ่ เอาไปผ่อนใช้นี่ให้นายท่านทุกวันอีกด้วยที่เหลืออยู่เหลือกินก็ช่วยกันเก็บหอมรอมริบเพื่อเอาไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางกลับบ้านแต่หลายวันมานี้โรงเตียมต่างๆค้าขายไม่ดีไม่มีงานมากนะักพวกเราพลอยไม่ได้ค่าจ้างค่าอ่อนไปด้วยพวกเรากลัวท่านนายจะตามมาทวงเงินแล้วทุบตีเราอีกชีวิตนี้ช่างยากเย็นเข็นใจนะัก หันไปทางไหนก็มีแต่จะสิ้นซั์อับจนเลยทำให้พวกเราพร่ำบน่นร่าให้ปลอบใจกันไปมาพวกเราหาได้ตั้งใจรบกวนท่านไหมที่กล่าวมาทั้งหลายทั้งสิ้นล้วนเป็นความจริงโปรดประธานอาภัยในสิ่งที่เราทำไปด้วยเถิดเจ้าค่ะแล้วหลู่้าจึงถามว่าแล้วพวกเจ้าชื่อแสอะไรกันล่ะฮะพักอยู่โรงแรมไหน แล้วท่านนายเจิงแห่งประจิมทิศเล่าเป็นใครอาศัยอยู่ที่ใดหรือชายชราได้ฟังจึงตอบว่าพวกเราแซจิงบิดามาันดาคามีบุตรชายสองคนข้าเป็นน้องคนที่สองบุตรีของข้ามีนามว่าบัวยกส่วนนายเจิงนั้นเป็นคนข่าหมูอยู่ตีนสะพานจ่«วงหยวนมีนามสมยาว่าเจ้าแห่งประจิมทิศ บุตรีข้ากับตัวข้าอาศัยหลับนอนอยู่ที่โรงแรมตระกูลลูเลยประตูเมืองด้านตะวันออกไปหน่อยนึงลูต้าอุทานขึ้นอย่างดูมิ่นทินแพรนบ๊ะที่แท้ท่านนายเจิงก็คือไอ้เจิงคนข่าหมูไอ้บัตรซบคนนี้นี่เองบัตรโถเอ้ยไอ้ชาติชั่วนี่มันเปิดร้านขายหมูเป็นข่าในอุปถัมภ์ของนายพลจงผู้ลูกผู้บัญชาการป้อมของเรานี่เอง หลอกลวงอย่างเดียวไม่พอแถมมันยังกดขี่บีทาผู้คนซะอีกไอชาติชั่วนี่แล้วสิ้นดีเฮ้ยว่าพลางก็หันมาทางหลี่จงกับซื่อจินท่านทั้งสองรถรอท่าอยู่ที่นี่ข้าจะขอไปตื้บไอคนถอยคนนั้นให้ตายซสีก่อนเดี๋ยวจะรีบกลับมารออยู่นี่นะอย่าไปไหนคนทั้งสองพากันยื้อยุดชุดหลู่ต้าอ้อนวอนว่า ท่านพี่สงบออกสงบใจสิก่อนเถิดแล้วค่อยพูดค่อยจ้ากันนะหะะลูต้าหันมาพูดกับผู้เป็นบิดาว่ามานี่แน่พ่อเท่าข้าจะให้เงินท่านพรุ่งนี้ท่านจะได้กลับเมืองหลวงตะวันออกไปเสทีท่านจะเห็นดีประการใดพ่อเท่ากับบุตรสาวตอบว่าหากท่านช่วยพวกเราให้ได้หวนขืนสู่บ้านเกินก็เปรียบสเสมือนหนึ่งบิดา ให้กำเนิดชีวิตใหม่แก่บุตรแรงอยู่แต่ว่าเจ้าของโรงแรมจะไม่ยอมปล่อยให้เราไปท่านไหนเชิงสั่งให้คอยเรียกชักเงินกับเราอยู่ทุกวันลู่ต้าเอ่ยขึ้นว่าอย่าได้กังวลในเรื่องนี้เลยข้าจะจัดการกับเจ้าของโรงแรมเองว่าพางก็หลวงเอาเงินห้าตำลึงออกจากพกนําขึ้นมาวางลงบนโต๊ะแล้วหันมาเอ่ยปากกับซื่อจินว่า วันนี้ข้านำเงินติดตัวมาเพียงเท่านี้หากท่านพอมีก็จงเอาออกมาให้ข้ายืมยืมก่อนไว้พรุ่งนี้ข้าจะคืนให้ซื่อจินว่านิ่ได้ท่านพี่ไม่จำเป็นต้องใช้คืนดอกซื่อจินหยิบแท่งเงินออกมาจากห่อผ้าะเนดูหนักราวสิบตำลึงจึงวางลงข้างๆเงินของหลูตาผู้พันมองหน้าลี่จงแล้วว่าท่านก็ให้ข้ายืมด้วยสิ ที่จงก็นาเงินออกมาให้สองตำลึงหลู่ต้านึกเคืองที่เจียดเงินได้น้อยนักก็ค่นเสียงว่าไปว่าแม่ท่างใจกว้างดีแท้พรางหยิบเงินสิบห้าตำลึงส่งให้ชายชราแล้วว่าเงินก้อนนี้คงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับท่านกับบุตรสาวท่านจงกลับโรงแรมแล้วจัดเก็บข้าวของเตรียมเข้าไว้พร้อมพรุ่งนี้ข้าจะไปส่งท่านที่โรงแรมแต่เช้าตรู่ หากไอ้เจ้าของโรงแรมคิดจะยับยั้งท่านไว้ก็ให้มันลองดูเท่าจิ้นกับบุตรสาวเข้ามาคารวะโคกศีรษะแล้วพากลากลับไปลูต้าหยิบเงินสองตำลึงส่งคืนให้ลี่จงหลังจากชายทั้งสามสั่งสุราเพิ่มไปอีกสองธนานพวกเขาก็พากลนงลงบันไดลูต้าตะโกนบอกเจ้าของโรงเตรมว่าเฮ้ ไว้พรุ่งนี้เขาจะจ่ายให้นะเจ้าของโรงเตียมบอกว่าโอ้ยไม่ต้องรอกขอรับเชิญตามสบายเถิดสำหรับท่านุูพันธนะ์น่ะเชื่อดื่มกินได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเร่งว่าท่านจะไม่มาอีกเท่านั้นแม่เหมือนพูดเป็นร่างเลยโอ้ยทั้งสามออกจากโรงเตียมตระกูลบ้านพอมาถึงถนนก็แยกกันซื่อจินกับลี่จงตรงไปยังโรงแรมที่ต่างคนต่างพัก ลูต้ากลับที่พำนักของตนใกล้ป้อมทหารพอไปถึงไม่ยอมแตะต้องอาหารมื้อเย็นแต่ตรงเข้านอนทันทีทั้งทั้งที่อารมณ์ยังคุ ก, กรุ่นเจ้าของบ้านไม่กล้าแซาซีวุ่นวายแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเท่าจิน้นกลับถึงโรงแรมพร้อมเงิน15าตำรึงจัดที่หลับปรับที่นอนให้บุตรสาวแล้วตัวก็ออกไปหาจ้างรถม้านอกเมือง พอกลับมาถึงโรงแรมก็ง่วนอยู่กับการเก็บข้าวของจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าปืนและค่าเข้าศาลชายชาราเกือบจะรอให้เช้าไม่ไหวคืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นบิดากับบุตรสาวตื่นแต่เช้าตรู่ติดไฟแล้วเตรียมอาหารพอกินเสร็จก็เก็บถ้วยโถโอชามตอนที่ลูตา้าก้าวเข้ามาในโรงแรมนั้น ท้องฟ้าเริ่มจะสางพอดีลูต้าถามเด็กรับใช้ว่าเซียวเออเท่าจินอยู่ห้องไหนหรือเด็กรับใช้ตะโกนเรียกว่าลุงจินลวงจินท่านผู้พันลูต้ามาหาแน่ชายชราแง้มประตูออกมาดูพลางกล่าวขึ้นว่าอ่าท่านผู้พันเชิญเขามานั่งสักพักสิขอรับลูต้าตวาดว่า นั่งหาสวรรค์วิมานอะไรถ้าจะไปก็รีบไปจะมามัวชักช้ารอรีอะไรอีกเล่าฮะเท่าจิ้นพันเรียกหาลูกสาวแล้วยกไม้คานขึ้นประทับบา่าหันมาขอบพระคุณลูต้าก่อนจะตรงออกไปทางประตูใหญ่เด็กรับใช้ทลันเข้ามาหยุดไว้จะไปไหนลูกจิน้นฮะลูต้าขึ้นเสียงว่าเขายังค้างค่าเช่าเจ้าอยู่หรือไรฮะ ชะตากรรมของลุงจิ้นกับปัวยกบุตรสาวและไอเจิ้งขนขายหมูจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อในตอนหน้านะครับเท่าจิ้นพลันเรียกหาลูกสาวแล้วยกไม้คานขึ้นประทับมาหันมาขอบพระคุณหลู่ต้าก่อนจะตรงออกไปทางประตูใหญ่เด็กรับใช้ถลันเข้ามาหยุดไว้ จะไปไหนลูกจิน้นฮะลูต้าขึ้นเสียงว่าเขายังค้างค่าเช่าเจ้าอยู่หรือไรฮะเด็กรับใช้พูดกับลูต้าว่าจ่ายหมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนก่อนขอรับแต่ท่านนายเจิงสั่งให้ข้าคอยเรีย ก, เ, กเงินที่จ่ายค่าตัวลูกสาวเท่าจิน้น เท่าจินยังไม่ได้จ่ายเลยครับลูต้าจึงพูดว่าข้าจะไปคืนเงินก้อนนั้นให้คนขายหมูเองเจ้าจงปล่อยใช้ชาราคนนี้ไปเสียเถิดเด็กรับใช้ไม่ฟังเสียงหลูต้าจึงตวัดฝ่ามือตบเฉียดไปที่หน้า uh huh. oh. ด้วยความแรงจนเลือดกลบปากแล้วอีกมัดหนึ่งก็ลั่นตาม uh huh. ส่งให้ฟันหน้าเด็กคนนั้นกระเด็นออกไปอีกสองซี่เด็กรับใช้ รีบขานสี่เท้าเข้าไปซ่อนตัวอยู่หลังโรงแรมเจ้าของโรงแรมหาได้กล้าเข้ามาห้ามปรามใดๆไม่เท่าจิ้นกับบุตรสาวรีบสาวเท้าออกจากโรงแรมแห่งนั้นตรงไปยังประตูเมืองพอพ้นก็รีดเข้าไปเอาเกวียนที่จ้างแล้วนําเอาไปแอบซ่อนไว้ที่ชายป่าเมื่อวันก่อนขี่ออกไปโดยไวด้วยเกรงว่าเด็กรับใช้จะตามไปขวางท่านผู้เท่าอีกหลูต้าจึงนั่งคุ้มเชิงที่หัวกระไดหน้าโรงแรม ผู้พันแห่งป้อมค่ายเวยโจคอยอยู่เช่นนั้นจนสองช่วยยามได้คเนดูจนกระทั่งแน่ใจว่าเท่าจิ้นกับบุตรสาวจากเมืองไปไกลโขแล้วคงไม่มีใครไล่ตามทันจึงออกเดินตรงไปยังสะพานจ้วงหยวนหรือสะพานสอบผ่านชั้นหนึ่งที่ตีนสะพานแห่งนั้นเจิ้งผู้กำลังชะตาขาดตั้งเขียงสองเขียงเปิดเป็นร้านขายหมูสองห้องหมูสี่ห้าซีก แว้นอวดสายตาลูกค้าอยู่หน้าร้านเจิ้งกำลังนั่งนับเงินอยู่หลังเคอบติดประตูหน้าร้านตาคอยจับจ้องดูคนใช้นับสิ์บางก็หันบ้างก็สับและบ้างก็รับเงินทอนเงินขายหมูกันอยู่เป็นที่อุดตลุดโกลาหนหลูต่ตามาถึงประตูพรางตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าจิง้งเจ้าค้นข้าหมูเจิ้งจำหน้าได้รีบพระจากหลังโต๊ะเก็บเงิน ก้าวมาหาด้วยท่าทีนอบน้อมแล้วว่าข้าถือเป็นเกียรติที่สุดที่ท่านผู้พันมาว่าพรางก็หันไปสั่งลูกน้องให้เร่งยกตังออกมาเชิญนั่งขอรับท่านผู้พันหลู่ต้านั่งลงแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่านผู้บัญชาการป้อมสั่งให้มาซื้อเนื้อหมูแดงสิบช่างสับเป็นบะช่อเอาไว้ยัดไส้ย่าให้มีมันปนเด็ดขาดนะฮะ เจ้งคนขายหมูพยักหน้ารับแล้วว่าขอรับขอรับแล้วหันไปสั่งผู้ช่วยว่าเฮ้ย hey, พวกมึงเลือกเอาแต่เนื้อแดงนะอย่าให้ปนมันแล้วสับให้ละเอียดสิบช่างลูต้าบอกกำชับกับเจ้าของเขียงหมูว่าข้าไม่ต้องการให้ไอ้พวกสถุนสกรปกรกนรกพวกนี้เอามือมาถูกเนื้อลูต้าบอกว่าเจ้าจงลงมือด้วยตนเองเถิดเจ้งพูดว่า อ๋อได้ขอรับยินดีนเสมอเขาหยิบเนื้อแดงสิบช่างเลือกไม่ให้ติดมันแล้วลงมือสับเป็นบาช่อพลันเด็กรับใช้จากโรงแรมมีผ้าพันแผลสีขาวพันอยู่รอบศรีรษะก็โผล่มาถึงเตรียมจะเข้ามารายงานเจิ้งเรื่องผู้เท่าจินแต่พอเห็นหลูต้านั่งถลึงตาอยู่ปากประตูก็ให้นึกครามไม่กล้าเข้าใกล้หนีไปหลบอยู่ใต้าชายคาร้านค้าฟากตรงข้ามเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆด้วยใจระทึก หลังจากสัต์หมูมาได้ครึ่งช่วยยามเจิ้งก็บรรจงเอาใบบัวห่อบะช่อไว้แล้วว่ากับลู่ต้าว่าจะให้ข้าเอาไปส่งที่ป้อมไหมขอรับลู่ต้าตะวัดไปว่าเฮ้ยจะไปส่งหาพระแสงอะไรจะรีบร้อนไปไหนตอนนี้เจ้าจงเอาหมูสกสิทธ์ช่างเลือกเอาเฉพาะมันนะอย่าให้มีเศษเนื้อปนแล้วสับให้ละเอียดไว้ยัดไส้ด้วยเจิ้งคนข่าหมู หันไปถามหลูตาอย่างสงสัยว่าเฮ้ยนายท่านหมูบักช่อใช้ยัดไส้สละเปานั่นถูกแล้วแล้วมันบักช่อล่ะจะไม่ยัดใส่อะไรหลูตาถลึงตาใส่แล้วว่า<ม>เออนะ่ะผู้บัญชาการสั่งใครหน้าไหนจะกล้าถามฮะได้ไล่ล่ครับท่านนายท่านสั่งมาข้าก็สับให้เฮ้ยจะเอาไปทําอะไรว่ามันบักชอ่อส่วนมากมันหมูเข้อาไปเทียวน้ํามันกัน ไไหหมม่เม่เเเคคยยพ็น ว, ว่าแล้วเจิ้งก็เลือกเอาแต่มันได้สิบช่างแล้วเริ่มลงมือสับ พ, พอห่อบะช่อเสร็จตะวันก็เสด็จขึ้นมาตรงหัวพอดีได้เวลากินมื้อเที่ยงเด็กรับใช้ในโรงแรมไม่กล้าเข้าใกล้ส่วนลูกค้าคนอื่นๆที่ตั้งใจจะมาหาซื้อหมูก็รีรีรอรออยู่ไม่กล้าเข้าร้านพอเสร็จแล้วเจิ้ง ถามขึ้นอีกว่าท่านจะให้ข้าเอาไปส่งให้ผู้บัญชาการที่ป้อมหรือไม่ขอรับลูต้าบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอนนี้ข้ายากได้กระดูกอ่อนอีกสิบั่างสับให้ละเอียดนะเอาไว้ยัดไส้อีกเหมือนกันและข้าก็ไม่ต้องการให้มีเศษเนื้อปนแม้สักนิดเดียวเจิ้งหัวเราะแปลงแปล ง, แ, ปลงแล้วว่านี่ท่านล้อข้าเล่นกระมังฮะ หลูต้าลุกขึ้นโดยไวมือถือบะช่อข้างละหอทลึงตาใส่ไอ้คนฆ่าหมูแล้วตะโกนว่านั่นแหละที่ข้ากำลังทำคือเล่นตลกกับเจ้าอยู่นี่ไงว่าพรางก็คว้างบะช่อทั้งสองหอใส่หน้าเจิง้งบะช่อเพื่อนเประเลอะเทอะไปทั้งตัวยามนั้นอารมณ์เจิ้งให้เดือดเป็นไฟดังโดนแต่ไล่ต่อยความโกรธพุ่งจากส้นตีนขึ้นมายันกระหม่อมร้อนรุ่มดังไฟเผาผลาญอยู่ในอก หยิบปังตอขึ้นจากเขียนได้ก็กระโดดลงบันไดหน้าร้านส่วนลูต้านั้นออกไปยืนรอท่าอยู่กลางถนนนานแล้วเสมียนหน้าร้านในละแวกนั้นนับสิบไม่มีใครเลยสักคนที่จะรีบห้ามปรามคนสัญจรไปมาเหล่านั้นเล่าก็ต่างพากันตกตะลึงนิ่งขึงอยู่ตามถนนหนทางทั้งสองฝากส่วนเด็กรับใช้จากโรงแรมก็พูดอะไรไม่ออกเมื่อขวากำมดหมูกระชับมั่น เจิงยื่นมือซ้ายออกไปหมายจะคว้าคอลูต้าแต่ลูต้าจิงยื่นมือสวนออกมาคว้ามือเจิงข้างที่ยื่นออกไปดึงเข้าหาตัวแล้วเตะช้อนเท้าหนึ่งขึ้นใส่ร่างเซทหลาเข้ามาตามแรงกระชากจับเปาะเข้าไปที่วางขาพอยกเท้าอีกข้างซืบตามไปข้างหน้าลูต้าก็เหยียบลงบนยอดอกของเจิงซึ่งบัดนี้ล้มลงไปนอนหงายแผ่หลารอท่าอยู่กับพื้นก่อนแล้วพลางชูกระปั้นขึ้นเหนือศีรษะ ดูประหนึ่งจะสาวกระบวยตตวงเล่าขึ้นจากไหทันตะคอกออกไปว่าพันตัวข้าเคยเป็นถึงจเจริทหารต ร, ตรวจการไปทั่วทุกย่านรัฐถิ่นในเขตมณฑลทนาหารตะวันตกตลอดครบห้าจังหวัดที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านขุนพลจงผู้เท่าผู้คนทั้งสิ้นต่างพากันเรียกหาข้าว่าเจ้าแห่งประจิมทิศแต่เจ้ามันก็แค่ไอคนข้าหมูชาติสะถุนตระกูลไพ่ต้อยตำ ฉนไหนจึงทําอวดกล้าแพร่ักดาตั้งสมญายให้ตนเองเสียหรูหราถึงปานชนีแล้วใครใช้ให้เจ้าเที่ยวไปหลอกลวงขูเข็นคมขืนเอากับนางบวญยกบุตรีเท่าจิ้นด้วยละ่ะฮะว่าพรางหลูต้าก็ประเคนกัาปั้นเข้าใส่ดั้งจมูกของเจิ้งหมัดหนึ่ง <c oughs> จนดั้งจมูกหักพับไปอีกฝั่งหนึ่งเลือดสดสทลักออกมาเหมือนกระทอกพริกหมักออกจากกระปุกในร้านขายเครื่องดอง ทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดเจิ้งดิ้นรนยันตัวขึ้นจากพื้นแต่ก็ไร้ผลมีดหล่นลงจากมือแต่ก็ยังพอร้องบอกออกไปได้ว่าโอ้ยตายได้ดีตายได้ดีผู้พันด่าออกไปว่าไอ้สารเลวเจ้ากล้าดียังไรถึงได้ต่อปากต่อคําว่าพลางก็ใช้หมัดตลุมพุกทุบเข้าไปที่เบ้าตาของคนข่าหมูอีกหนึ่งหมัด น, นี่เอาไปอีกหมัด น, นึง <Hey. S 2> uh huh. ลูกตาพลันทลักออกมานอกเบาเลือดสดๆไปริมๆทั้งแดงทั้งดำทั้งม่วงก็ไหลเนืองนองออกมาเหมือนสีในร้านขายผ้าใกล้ๆพวกคนที่มุงดูต่างกลัวลูตาไม่มีใครกล้าเข้าขวางเมื่อเห็นว่าหมดทางสู้จริงๆเจิงจงจ้งก็อ้อนวอนขอชีวิตผู้พันอุทานขึ้นอย่างเหลืออดว่าเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไอชาตทั่ว ถ้าเจ้าจะกล้าอีกสักนิดกูก็อาจจะไว้ชีวิตแล้วปล่อยมึงไปก็ได้แต่ฮันนี่ใจมึงดังปลาซิวกูจะไม่ไว้ว่าพางก็ทุบคนข่าหมูอย่างแรงเข้าที่ขมับอีกหนึ่งหมัดหวัวเจ้งสันประดุนใครลั่นโคมโหมอคล้องด้วยค้องกลองและชิงฉับในงานศพคนขายหมูนอนแผ่แน่นิ่งอยู่บนพื้นถนนลมหายใจรวยรินออกจากปากผักแผว แน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่เช่นนั้นลูต้าสร้างทาทีเป็นยั่วแกล้งตายเหรอไม่ยอมให้ค่าทุบอีกสักสองสามตุ๊บละสิแต่ตัวก็เห็นแล้วว่าใบหน้าเจิ้งเปลี่ยนสีข้าเพียงแต่คิดจะสั่งสอนไอ้บัตซบคนนี้อีกสักหน่อยเดียวเท่านั้นลูต้ารำพึงกับตัวเองใครเลยจะไปคิดว่าแค่สา ม, มัดมันก็ดับดิ้นไปใช่ก่อนกรมการเมือง ต้องเอาตัวข้าไปสอบสวนแน่ๆอยู่ในคุกไม่มีใครคอยส่งข้าส่งปลาหาน้ำท่าให้เสียด้วยอยากระนั้นเลยหนีจากเมืองนี้ไปเสียถ้าจะดีกว่าลูต้าลุกขึ้นพระจากไปชักสีหน้าให้เห็นเป็นเช่นปกติแต่พอไปได้ไม่กี่ก้าวก็เอี้ยวหน้ากลับมาทางร่างเจิง้งที่นอนแบ๊บอยู่กับพื้นยกนิ้วขึ้นส่ายไปมาพรางตะโกนขึ้นอีกว่า เฮ้ยทำเป็นแป้งตายไปเลยไว้ข้าจะกลับมาคิดบัญชีกับเจ้าในภายหลังไม่มีใครหน้าไหนไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างในร้านขายหมูหรือพวกเสมียนหน้าร้านในละแวกนั้นที่จะหารกล้าเข้ามาหยุดเขาไว้ลูต้ากลับถึงที่พักรีบเก็บข้าวของเอาไปแต่เฉพาะเสื้อผ้าเดินทางและเงินอีกนิดหน่อยทิ้งเสื้อผ้าเก่าๆและของหนักๆเอาไว้ลูต้าหยิบไม้คานขึ้นถือเป็นอาวุธ รีบรุดออกจากเมืองทางประตูด้านทิศใต้ก่อนจะวูบหายกระดุดควันไฟในอากาศแม้ครอบครัวและเด็กรับใช้ในโรงแรมจะพากันนวดเฟ้นคนฆ่าหมูอย่างไรอย่างไรก็หาฟื้นคืนชีวิตกลับมาได้ไม่เจิ้งตายสนิทพัญญากับเพื่อนบ้านจึงพากันไปที่ว่าการประจำตำบลแล้วรายงานเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้น กรมการเมืองเปิดสารขึ้นพิจารณาไต่สวนเทษาพิบาลตำบลหวยโจขึ้นนั่งบัลลังก์อ่านเอกสารคำร้องเทษาคิดว่าแม่หลู่ต้าผู้นี้เป็นถึงในพันธิป้อมแล้วแทนที่จะรีบออกหมายจับฆ่าตัวหลู่ต้ามาไวๆเทษากลับเลือกที่จะนั่งเสลียงออกไปหาผู้บัญชาการทหารถึงป้อมพอลงจากเสลียงทหารยามหน้าประตูพลันตะโกนรายงานขานการมาถึง ไร่งอนท่านเทศามาครับเจ้าน้อยมีคนมาพาเทศาตรงเข้าไปในห้องโถงใหญ่ซึ่งผู้การรอยอยู่ก่อนแล้วทั้งสองคำนับกันตามประเพณีผู้การถามขึ้นว่ามาเฮ่ลมอะไรหอบท่านมาถึงนี่ล่ะฮะท่านเทศาพิบาลเชิญเชิญเชิญ เ, เข้ามาก่อนเทศาพิบาลพูดว่าข้ามาเรียนท่านขุนพลว่าผู้พันลูต้า ไม่มีสาเหตุโกรธเครื่องใดๆแต่กลับไปทุบตีคนฆ่าหมูที่มีนามว่าเจิงจนถึงแต่ความตายบนถนนกลางวันแสกๆข้าไม่ถึงสิทธิจับกุมแต่รีบรุดมารายงานให้ท่านขุนพลทราบก่อนผู้ปัญชาการจงผู้ลูกให้ตกตะลึงนิ่งขึงอยู่กับที่รำพึงกับตนเองว่าอัหลูตาผู้นี้เป็นในทหารที่เชี่ยวชาญฝีมือการรบกอเก่งนักแต่ทว่า นิกริยามารยาทั้งหยาบคายทั้งมุทะลุดุดันวันนี้ถึงขั้นต้องยังทำแกงกันแล้วแล้วนี่จะให้เราทำชั้นใดดีจึงจะแก้มันออกมาได้เห็นทีจะต้องปล่อยให้เขาฆ่าตัวมันเอาไปดาเนินคดีเสรยจแล้วคิดพรา์ก็หันมากล่าวกับเทศาว่าเมื่อก่อนลูต้าเป็นทหารของบิดาท่านขุนพลจงพูดเท่าเมื่อท่านเห็นว่าข้าขาดแขนขาดขา เลยส่งตัวมันมาเป็นนายพันอยู่ที่นี่ในเมื่อเขาก่อกรรมทาเข็ญร้ายแรงถึงขั้นนี้ท่านเทศาก็จงจับ ก, กุมและไต่สวนเอาตามกฎหมายเถิดอย่าได้เป็นกังวลกับข้าเลยเพียงแต่ว่าหากท่านได้คำสารภาพและมีข้อพิสูจน์ชัดเจนแล้วก็ขอท่านได้โปรดกรุณาแจ้งแกบิดาข้าก่อนจะตัดสินความใดๆออกไปไม่เช่นนั้นแล้วหากวันใดวันหนึ่งข้างหน้า บิดาข้าเกิดเรียกตัวเขากลับเราจะพลอยวุ่นวายกันไปใหญ่เทสาพิบาลให้สัญญาว่าข้าจะปฏิบัติตามข้อเสนอของท่านและก่อนตัดสินความใดๆจะรายงานให้ท่านขุนพลจงผู้เท่าทราบว่าพรางก็ออมลาขุนพลหนุ่มลงจากป้อมก้าวขึ้นเสลียงแล้วกลับมายัางที่ว่าการพอมาถึงเทสาก็ให้เปิดศาลขึ้นนั่งบาลังแล้วจึงมีบัญชาให้ในดาบตำรวจ ไปกลุ่มตัวหลู่ต้ามือปราบพร้อมพลตรเวนยี่สิบก็รีบรุดไปยังที่พำนักของหลู่ต้าโดยพันผู้พันหลูเพิ่งแบกห่อผ้าถือไม้พรองออกไปไม่นานนี้เองเจ้าของบ้านบอกกับผู้มาจับกลุมว่าผู้พันหลูเพิ่งแบกห่อผ้าถือไม้พรองออกไปไม่นานนี้เองสันนิษฐานว่าท่านผู้พันคงไปในกิจการทหารข้าเลยไม่กล้าซักถามนะ่ะ ในดาบตำรวจจึงสั่งการให้เปิดห้องลูต้าค้นหาทุกซอกทุกมุมก็หาพบอะไรไม่เท่าที่เหลืออยู่ก็มีเพียงเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆกับมุ้งหมอนที่นอนเตียงเมื่อไม่ได้ตัวลูตา้าพลตระเวนจึงคุมตัวเจ้าของบ้านไว้แล้วส่งคนออกไปค้นตามละแวกใกล้เคียงทั้งเหนือและใต้แต่ก็คว้าน้ำเหลวหามีวิแววของลูต้าไม่ในดาบจึงตัดสินใจคุมตัวเจ้าบ้านกับเพื่อนบ้านอีกสองคนพันนาการกลับมาที่ว่าการ แล้วตรงเข้าไปรายงานตัวแล้วรายงานว่ารายงานอูพันลูนต้าหนีอาญาไปแล้วหามีใครรู้ที่ไปไหมข้าถึงจับตัวเจ้าของบ้านกับเพื่อนบ้านอีกสองคนมาแทนขอรับเทศาสั่งให้คุมตัวคนทั้งสามไว้เบิกตัวคนในครอบครัวเจิง้งและเพื่อนบ้านใกล้ชิดเข้ามาครั้นแล้วก็สั่งให้เจ้าพนัก ง, งานนิติเวชร่วมกับกรมการตาบล และหัวหน้าพักษดีออกไปตรวจพิสูจน์ศพคนตายอย่างละเอียดละ อ, อ่ครอบครัวคนข่าหมูเอาร่างเจิ้งใส่โลงและฝากวัดไว้เป็นการชั่วคราวเมื่อมีบันทึกเป็นเอกสารอย่างแน่นหนาถาวรท่านเทศาจึงสั่งให้ตำรวจเร่งจับตัวลูต้ามาให้ได้ตามกำหนดมิเช่นนั้นจะถูกเคี่ยนหลังทำคำประการเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วฝ่ายโจทย์ก็ได้รับอนุ ญ, ญาตให้กลับบ้านชาวบ้านที่มุงดูแต่ไม่เข้าช่วยเหลือ ถูกเขียนส่วนเจ้าบ้านที่หลู่ต้าพานักและเพื่อนบ้านอีกสองคนได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระมีการส่งใบบอกออกไปตามหัวเมืองต่างๆเสนอรางวันนำจับหลู่ต้าเป็นเงินหนึ่งพันพวงอีแปะใบบอกที่นกไปติดไว้ตามชุมชนต่างๆนั้นบอกอายุอานามบ้านเกิดและรูปพันสันฐานของคนร้ายไว้อย่างครบถ้วนผู้เกี่ยวข้องที่เหลือถูกปล่อยตัวเป็นอิสระและให้คอยฟังคาสั่งต่อไป รครอบัวเจิง้งเริ่มไว้ทุกสํสำหรับเรื่องนี้เราจะไม่ขอกล่าวให้มากความอีกกลับมาที่หลู่ต้าหลังจากหนีออกจากเมืองเว่ยโจเขาก็เร่งรถผุดขึ้นเหนือวกลงไปโผล่ทางใต้ให้เป็นที่สัตวสนอเมานผ่านไปตามตำบลต่างๆหลายสิบแห่งมีสภาพไม่ต่างอะไรไปจากกรอนบทที่ว่ายามหิวกินอะไรก็อิ่มยามหนาวเพียงผ้าของม้าก็อุ่น ยามกลัวถนนไหนก็มีให้ซอกซอนไปยามเข็นใจมียคนไหนให้ก็เอาลูต้าย้ายไปทางนั้นแล้วก็หนีมาทางนี้หามีความคิดว่าจะไปที่ไหนจริงๆจังๆไม่หลังจากเร่ร่อนอยู่หลายวันก็ลุถึงเมืองเอียนเหมินที่ตั้งของตำบลชื่อเดียวกันอยู่ในเขต จ, จังหวัดใต้โจเอียนเหมินเป็นเมืองใหญ่ผู้คนก็เยอะ ตลาดก็แยะม้าต่างเกวียนต่างเต็มถนนหนทางไปสิน้นร้านค้าเรียงรายตลอดไปตามถนนทั้งสองฝากขายสินค้าทุกชนิดรับซื้อผลิตผลทุกประเภทแม้จะเป็นเพียงที่ตั้งตัวตำบลแต่ทว่ากลับเจริญกว่าตัวจังหวัดบางแห่งเป็นไหนไหนที่มุมถนนสายหนึ่งลูต้าเลือบเห็นผู้คนมุ่งดูใบบอกแผ่นหนึ่งที่ติดอยู่มีใครบางคนอ่านออกเสียงอยู่เบาเ ข้าที่ตัวไม่รู้หนังสืออ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้หลูต้าก็กระเถิบเข้าไปใกล้เอียงหูไปฟังให้ได้ยินถนัดถนัดแล้วพลันก็ได้ยินใครคนหนึ่งอ่านว่าโดยคำ บ, บัญชาของผู้บัญชาการทหารเขตไทห ย, ยวนทางจังหวัดได้รับใบบอกจากเมืองไหโจจึงแจ้งให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าต้องการตัวฆาตกรผู้ฆ่าเจิง้งคนฆ่าหมูนามหลูต้า อดีตพันตรีกองบัญชาการป้อมไวยโจมันผู้ใดปกปิดที่อยู่ให้ข้าวปลาอาหารให้ที่หลับที่นอนจะถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันส่วนใครก็ตามที่จับหรือนำตัวผู้ต้องหามาได้หรือชีบ้บาะแสที่นำไปสู่การจับกลุ่มจะได้รับรางวัลเป็นเงิน 1,000 พวงอีแปะขณะที่ลูต้ายืนเงี้ยหูฟังอยู่นั้นใครบางคนก็ยื่นมือมาทางด้านหลังโอบไหล่ลูตาไว้ พรางร้องออกไปให้ได้ยินกันทั่วๆว่าพี่ช่างมาทําอะไรอยู่ที่นี่ล่ะฮะว่าพรางก็ชุดลูต้าออกไม้พ้นจากหัวมุมถนนหากคนผู้นี้ไม่บังเอิญผ่านมาเห็นเข้าเสียก่อนแล้วลากตัวออกไปให้พ้นลูต้าก็คงจะไม่ได้กนหัวโนหนวดกนเคราเปลี่ยนชื่อแท้หนีอัชญาแผ่นดินจนได้มาทุบตีรูปปั้นในอารามเป็นแน่ แล้วผลที่ตามมาก็คือไม้ยท้าพระธรรมเบิกทางเปลี่ยวมีดหมอวูบวับขับเขียวดื่มเลือดคนอาธรรมแต่ใครกันเล่าที่เข้าไปกอดลูต้าฟังบทต่อไปแล้วท่านก็จะรู้เองขณะที่ลูต้ายืนเงี่ยหูฟังอยู่นั้นใครบางคนก็ยื่นมือมาทางด้านหลัง อบไล่ลูต้าไว้พร่างร้องออกไปให้ได้ยินกันทั่วๆว่าผิดทางมาทาอะไรอยู่ที่นี่ลรอฮะเฮลูต้าหันไปดูผู้ที่ลากตัวเขาออกมาหาใช่ที่ไหนใครอื่นนอกจากเท่าจิน้นแห่งโรงเตี้ยมในตลาดเวยโจผู้ที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้ผู้นั้นนั่นเองชายชราชุดกระชากนาคถูกลูต้าไปไม่หยุด กระทั่งทั้งสองหลุดมาอย่างที่สงัดแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีพระคุณขอรับตัวท่านนี้ช่างเลินเล่อนักประกาศแผ่นนั้นตั้งเงินรางวัลให้คนนำจับท่านไว้ถึงหนึ่งพันวงอีแปะทีเดียวฉันไหนจึงได้กล้าไปยืนเบิงเบอ้อดูอยู่อย่างนั้นนี่ทำไมบังเอิญข้าเกิดผ่านมาเห็นเข้าเสียก่อนตารวจก็อาจจะมาขวาเอาตัวท่านไปแล้วเสียก็เป็นได้ทั้งอายุอานามรูปประพันธ์สันผาน บ้านช่องห้องหอล้วนมีกำกับอยู่ในใบบอกแผ่นนั้นทั้งหลายทั้งสิ้นลู่ต้าพูดกับเท่าจินด้วยความดีใจว่าขอเรียนท่านลุงด้วยสัตว์ตอนที่ข้าไปตีนสะพานเจิ้งหยวนในวันนั้นก็เพื่อไปพูดกับไอ้เจิงคนข่าหมูให้รู้เรื่องแต่พอข้าทุบไอ้ถอยนั้นไปแค่สามมัดเท่านั้นมันกระดวนตายไปเสียจริงๆข้าเลยต้องหนีกระเสรกระเซิงระเห็ดระเหระเหรเห่ร่อน นี่ก็ปาไปสี่สิบห้าสิบวันเข้าไปแล้วกระทั่งในที่สุดก็มาถึงเมืองนี้ข้านึกว่าท่านจะถึงเมืองหลวงตะวันออกแล้วสิอีกท่านไหนจึงได้มาอยู่เสียที่นี่เราฮะท่านลุงเท่าจิ้นจึงพูดกับหลูต้าว่าท่านผู้มีพระคุณหลังจากท่านช่วยข้าไว้ในวันนั้นข้าก็ออกไปหาเท่าเวยนเดิมทีก็ตั้งใจจะเดินทางไปเมืองหลวงตะวันออกอยู่แล้วแต่เกิดกลัวว่าไอ้ถอยนั่นจะตามไปทนัน แล้วท่านก็ไม่อยู่ช่วยข้าเสียด้วยคิดเช่นนั้นแล้วข้าก็เลยเปลี่ยนใจมุ่งขึ้นเหนือพอมาจำทางก็เกิดปะกับเพื่อนเก่าจากเมืองหลวงมาทําธุระแถวนี้ <S <S เขาจึงรับข้ากับบุตรเข้าร่วมกองคารวานมาด้วยเพื่อนข้าผู้นี้ดีนักแท้ท่านเชื่อไหมท่านรู้เขาช่วยหาสามีให้ลูกสาวข้าด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้นางมีผัวเป็นตัวเป็นตนไปแล้ว <c oughs> ก็ตอนนี้นะนางได้เป็นพัญญาของขะหบดีเจ้าท่านเจ้าบ้านลูกเรือนให้นางอยู่หลังหนึ่งต่างหากก็เพราะท่านผู้มีพระคุณแท้แท้เทียวพวกเราตอนนี้จึงได้มีอยู่มีกินมีใช้อย่างเหลือเฟือนทีเดียวเลยบุตรสาวของข้ามักจะเล่าเรื่องท่านให้ท่านเจ้าฟังอยู่บ่อยๆท่านเจ้านั้นชื่นชอบฝึกซ้อมกระบี่กระบองอยู่เป็นนิเห็นมนต่งอิด ต, ต่งอิตเป็นหลายครั้งว่าอยากพบท่านสักครา ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะไม่ได้ท่านผู้มีพระคุณขอรับมาพักอยู่กับเราสักหลายวันก่อนเถิดจะได้หาหรือกันว่าอนาคตต่อไปควรจะทำอะไรจึงจะชอบเท่าจินพาลูต้าเดินมาได้สักครึ่งลี้ก็ถึงหน้าประตูบ้านหลังหนึ่งแต่เท่าเลิกม่านไม้ไผ่ออกพลางเอ่ยปากออกไปว่าเน่ ee, ลูกเอ้ยท่านผู้มีพระคุณมาอยู่ที่นี่แล้วมาดูสิ ชตรีนางหนึ่งเยี่ยมหน้าออกมาแต่งหน้างามสง่าเสื้อผ้าอาภรแลดูสวยสุดสะดุดตานางเชิญหลู่นตาให้นั่งลงตรงกลางห้องและแล้วแลดูประหนึ่งจะอัญเชิญทูบขึ้นกระถางหญิงสาวกุมมือชูขึ้นจรดหน้าผากแล้วคุกเข่าก้มลงโคกศีรษะกับพื้นเบื้องหน้าหลู่นตาหกครั้งแล้วนางเอ่ยขึ้นว่าท่านผู้มีพระคุณหากไม่ได้ท่านช่วยไว้ฉันไหนเราจะมีดังที่เห็นเช่นทุกวันนี้ได้ ว่าพรางก็เชิญลูตาขึ้นบันไดไปเหล่าเต็งชั้นบนลูตาพูดกับนางขึ้นว่าอย่าได้ลำพากลำบนเพราะเราเลยเรากำลังจะไปอยู่แล้วพอดีพรางพูดเท่าจินก็พูดขึ้นว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วฉันไหนเลยจะยอมปล่อยให้จากปงไปง่ายงพรางแย่งไม้เท้ากับห่อผ้ามาถือไว้แล้วดุนหลังลูให้ก้าวขึ้นบันไดก่อนจะหันมากาชับบุตรสาวว่าเฮ นัง่งหมวยเจ้านั่งกำกับอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้มีพระคุณเอาไว้ก่อนนะส่วนพ่อจะไปเตรียมสำรับกับข้าวหลู่ต้าพูดขึ้นว่าโอ้ยอย่าได้ลำบากเพราะเราให้มากไปกว่านี้เลยมีสิ่งไหนก็กินได้ทั้งสิ้นนั่นแหละเฮ้เท่าจิ้นพูดกับหลู่ต้าว่าต่อให้หมอบชีวิตข้าก็ไม่มีวันทดแทนหนี้บุญคุณที่ท่านทาไว้ได้หมดสิ้นหรอก แล้วสามมหาอะไรกันนักขันหนาะกับข้าวปลาอาหารเล็กๆน้อยๆเช่นนี้มีหรือที่ควรจะเอ่ยออกมาให้เป็นที่รำคาญใจนะ่ะฝ่ายลูกสาวนั่งกำกับอยู่กับตัวลูข้างฝ่ายผู้พ่อก็ลงไปห้องครัวสั่งเด็กรับใช้ที่เพิ่งจ้างมาใหม่ให้รีบไปบอกสาวใช้เตรียมติดเตาไฟตัวเท่าจิ้นกับเด็กรับใช้ก็ออกไปตลาดหาซื้อปลาสดๆไก่รุ่นๆห่านตัวหนึ่งปลามะและลูกไม้สดสด ช่วยกันหอบข้าวของกลับบ้านและเปิดกระปุกเหล้าปรุงกับข้าวสองสามจานเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาบนเหล่าเตงถ้วยสุราสามจอกตะเกียบสามคู่วางอยู่บนโตะ๊ะเมื่อสำรับข้าวปลาอาหารและผักผลไม้มาพร้อมแล้วหญิงรับใช้ก็นำเอากาเงินใส่สุราเข้ามาอุ่นในห้องพ่อกับบุตรสาวผลัดกันรินเหล้าให้หลูต่ตา แล้วเท่าจินก็ซุดตัวลงกับพื้นคุกเข่าแล้วก็เข้าเต่าอีกหลูต้าเอ่ยขึ้นอย่างกระดากระเดื่องว่ากระุนฮะเถิดท่านูเท่าโรดอย่าได้กระทําเช่นนี้อีกเลยท่านทําให้ข้าลําบากใจนักแต่เท่าเอ่ยเสียงหลงว่าเฮ้ยไรได้เมื่อกี้เมื่อก่อนตอนที่เรามาถึงคันใหม่ๆข้าเขียนชื่อท่านบนเทียบแดงแล้วติดป้ายเอาไว้บูชา ทุกเย็นคํายาำเช้าข้าก็เอาทูกเอาเทียนออกมาจุดชวนบุตรสาวออกมาเขาเต่าเทียบนั้นอยู่เป็นเห็ก็ในเมื่อตอนนี้ท่านมานั่งอยู่ถึงที่นี่ตัวเป็นเพ่นเหตุฉันไหนมาเที่ยวกะเกนชาวบ้านไม่ให้กราบกรานตัวนั้นก็ไรได้เฮ้ขัดใจนั้นเนี่ยท้คนจะกราบลูต้าพูดกับสองพ่อลูกว่า ข้าซึ่งใจในการกระทําของท่านฮักแล้วทั้งสามก็พากันดื่มกินไปจนกระทั่งใกล้คำ่ำทันใดนั้นก็มีเสียงเกลียวกราวอยู่ข้างนอกหลูต้างแง้มบานหน้าต่างออกดูพรันก็เห็นคนสักยี่สิบสามสิบถือพรองเป็นอาวุธรุดมาชุมนุมกันอยู่หน้าบ้านร้องตะโกนว่าไปเอาตัวมันลงมาที่นี่บุรุษหนึ่งยืนมาอยู่ พลันก็ร้องสัำทับขึ้นไปอีกว่าพวกมึงอย่าปล่อยให้ชาติชั่วมันหนีไปได้ไปนั้นขาดนะเฮ้ลูต้าสำเนียกภัยที่มาใกล้ตัวก็คว้าได้ตัง้งตั้งใจจะถลันลงมาชั้นล่างเท่าจิน้นรุดมาดักหน้าเอาไว้สิก่อนยกมือขึ้นห้ามพรางตะโกนลงไปว่าใครอ ย, า, า, อยากขยับนะเฮ้ขยับพวกหญิงตัดแตกช่มึง แล้วก็แล่นลงไปหาชายที่นั่งอยู่บนหลังม้าพูดจาอะไรขึ้นสองสามคำชายผู้นั้นพันก็หัวร่อร่าหันมาสั่งที่ชุมนุมให้สลายตัวไปเสียพอบรรดาผู้มาด้วยจากไปสิ้นแล้วบุรุษผู้นั้นจึงลงจากหลังม้าก้าวเข้ามาในบ้านเท่าจินเรียกตัวลูต้าลงมาชายผู้นั้นก็โค้งคำนับให้ตั้งแต่ขาลูต้าเยียบอยู่ที่หัวบันไดชายผู้นั้นพูดขึ้นว่าแม่ สมดังโบราณว่าได้พบหน้าดีกว่าได้ยินแค่กิติศรัพย์โปรดรับคาระวะจากข้าด้วยเถิดท่านผู้พันผู้การุนพยายมบุญด้วยใจบริสุทธิธรรมลูต่ตาหันไปถามเท่าจินว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันยังไม่ทันได้รู้จักเหตุชั้นไหนจึงได้มานอบนอบกระทึงพันนี้เท่าจินพูดกับลูต่ตาว่า ท่านผู้นี้ก็คือท่านขะหะบดีเจ้าสามีบุตรสาวข้าเองนั่นแหละมีคนไปบอกว่ามีคนพาชายหนุ่มมาที่บ้านแล้วพาขึ้นไปเหล่าเต็งเซฟสุรากันดังนั้นท่านจึงได้พาบาพ่าวไพร่คิดจะมาชำระบัญชีพ่อข้าอธิบายให้ทราบท่านจึงไล่คนเหล่านั้นกลับไปก่อนลูตาพูดว่าอ๋อเป็นเช่นนี้นี่เองจะให้ข้าตาหนิท่านก็คงไม่ได้ดอก ข้าหาบดีเจ้าเชิญลูต้ากลับขึ้นไปชั้นบนเท่าจินจัดแกงโต๊ะเสียใหม่ตระเตรีรยมข้าวปลาอาหารและเครื่องดื่มอีกคำรบหนึ่งข้าหาบดีดุนหลังผู้พันให้ไปนั่งเป็นประธานที่หัวโตหลูต้าสันหน้าข้าหาบดีเอ่ยขึ้นว่าเป็นการแสดงคาราวะเล็กๆน้อยๆจากข้าข้าได้ยินวิรกรรมของท่านผู้พันมานานนักหนาเป็นวาสนาเหลือกเกินที่บังเอิญได้มาพบท่านในวันนี้ หลู่ต้าว่าอันตัวข้าเป็นคนหยาบกระด้างกอกำทำเข็นมาเสียก็หนักหนาหวานท่านข้าหากบดีอย่าได้ถือสาดูมินทินแครนคนชั้นต่ำที่บังอาจทำตัวตีเสมอท่านเลยขอรับหากจะมีอะไรพอให้ข้ารับใช้วานบอกด้วยเถิดข้าหากบดีเจ้ายินดียิ่งนักซักไซ้์ไต่ถามรายละเอียดในการต่อตีกับเจิง้งคนข้าหมูไปเสียทุกถ้อยกระทงความ ทั้งคู่สนทนาปราศัยกันเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างหาเรือแนกเปลี่ยนเชิงยุทธและดื่มกินกันไปจนกระทั่งดึกแล้วทุกคนก็อำลาไปยังห้องของตัวเช้าวันต่อมาข้าฮาบดีเอ่ยขึ้นว่าข้าเรงว่าสถานที่นี้จะไม่ปลอดภัยย้ายไม่ไปอยู่เสียที่คฤหาสน์ของข้าสักพักหนึ่งเล่าลูต้าว่าคุ้มบ้านท่านอยู่ที่ใดหรือท่านก็าฮาบดี ข้าบดีตอบว่าจากนี่ไปสักสิบลี้เห็นจะได้ใกล้หมู่บ้านเจ็สมัติแค่นี้เองลูต้าว่าขออนุญาตไม่ปฏิเสธนะท่านข้าบดีเจ้าบ้านจึงใช้บ่าวไปยังเครื่องหานให้นำม้ามาให้หลูต้าขี่ก่อนเที่ยงบ่าวคนนั้นก็กลับมาพร้อมด้วยมา้าข้าบดีเจ้าสั่งบา่าวไพร่ให้แบกสัมภาระลูต้าแล้วเชิญผู้พันขึ้นมา้า ลูตากล่าวอำลาเท่าจิ้นกับบุตรสาวแล้วขี่ม้าเคียงกันไปทั้งสองเสวนาหัวรอต่อกระซิกกันเป็นที่สบายอารมณ์ไปตลอดทางจนกระทั่งถึงหมู่บ้านเจ็สมบัติอีกไม่ช้าก็มาถึงตัวคฤหาสน์ทั้งสองลงมา้าข้าบดีเจ้าจุ้งมือลูตาเข้าไปในห้องโถงแล้วซุดตัวลงนั่งตามอย่างเจ้าบ้านกับแขกข้าบดีสั่งคนให้ลงแกะและเรียกหาสุรามาดื่มคืนนั้นลูตา นอนในห้องรับแขกวันรุ่งขึ้นก็ดื่มกินกันอีกเหมือนดังเคยผู้พันหลูเอ่ยขึ้นว่าแม่ท่านขะฮะบดีท่านดีต่อข้ามากไปแล้วข้าไม่ทราบว่าจะแทนพระคุณคืนให้อย่างไรได้ขะฮะบดีเจ้าว่าใต้ฟ้าทั่วสีขคาบมหาสมุทรใหญ่คนเราผองล้วนเป็นพี่น้องกันยัยจึงต้องเอ่ยเรื่องทดแทนขึ้นมาด้วยเรา ลูต้าก็พำนักอยู่ที่คฤหาสน์หลังนั้นต่ออีกหกเจ็ดวันวันหนึ่งขณะที่คนทั้งสองกำลังสนทนากันอยู่ในห้องหนังสือเถ่าจินกระหืดกระหอบเข้ามามองไปรอบๆทาราวกับว่าจะมีใครอื่นตามมาแล้วเอิดปากกับลูต้าขึ้นว่าเอ <c oughs> <c oughs> โปรดอย่าว่าข้าระแวงไปนักเลยท่านผู้มีพระคุณแต่ว่าวันที่ท่านขหะวันนี้พาบ่าพรายไปเ อ, อะอะบัเทิงที่หน้าบ้านขา้า ตอนที่พวกเรากำลังดื่มสุรากันอยู่บนเหล่าเด้งนั้นผู้คนต่างพากันระแวงสงสัยเรื่อยมาไม่คนเอาไปรื้อกันว่าท่านอยู่ที่นี่เมื่อวานมีพลระเวนสองคนมาซักไซ้ไต่ถามชาวบ้านข้าเป็นกังวลเ้วยกลัวว่าพวกเขาจะมาจับท่านที่นี่ท่านผู้มีพระคุณหากเกิดอะไรขึ้นข้าเกรงว่าเรื่องราวจะไปกันใหญ่นั่สิเ อ, อ้ย เล่นเองเหนื่อยเลยวิ่งกระคืดกระหอบมาหลู่นตาตอบว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็เห็นจะต้องอำลาไปตามทางเสียทีข้าบดีเจ้ายอมรับหากข้าขืนเก็บตัวท่านไว้เหตุร้ายก็อาจจะลุกลาไปใหญ่โตแต่ถ้าไม่ข้าก็จะเสียหน้านักข้ามีความคิดประการหนึ่งหากทำแล้วผู้คนก็จะได้สิ้นนินทาสวรตัวข้า ก็จะได้คุ้มครองดูแลท่านไปจนตลอดรอดฟังแต่ท่านอาจไม่เห็นตามนี้ก็ได้ลู่ต้าว่าคนต้องโทษมีอัจฉรยะถึงตายอย่างข้ายังจะมีอะไรที่ทำไม่ได้ข้าบดีว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีจากนี้ไปสาสิบลีเป็นที่ที่พระโพธิสัตว์วนสู้มานั่งทำวิปัสสนากรรมฐานบนยอดเขาอู๋ไทที่นั่นมีอารามตั้งอยู่แห่งหนึ่ง มีพระสงฆ์จำพรรษายอยู่สักเจ็ดร้อยรูปเจ้าอาวาสกับข้าเป็นเกลือกันมาแต่เด็กมันพระชน่้เคยอุปถัมภ์วัดนี้และข้าก็เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาสืบต่อมาข้าเองเคยสาบานว่าอย่างน้อยก็จะขอบรรพชาเนนน้อยสักรูปหนึ่งข้ายังมีสุทธิบัตรติดบ้านอยู่นี่แต่ยังหาใครเหมาะสมไม่ได้หากท่านตกลงปรงใจจะบวชเป็นพระภิกษุแล้วล่ะก็ท่านผู้พัน ข้าจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดมีแห่ด้วยเปล่าล่ะแล้วตัวท่านเราจะยินดีปลงผมเข้าวัดหรือไม่ลูต้าครุ่นคำหนึ่งอยู่พักหนึ่งแล้วพูดกับตัวเองว่าหากจากที่นี่ไปแล้วเราจะหันหน้าไปพึ่งใครให้เขาช่วยคุ้งกะลาหัวได้อีกเล่าเห็นควรรับเอาข้อเสนอนี้ไว้น่าจะดีกว่าแล้วก็พูดขึ้นดังๆว่า ข้ายินดีบวชหากท่านยินดีจะอปสมบทให้ท่านข้าบดีข้าต้องพึ่งพาความเมตตาปราณีของท่านสิ้นแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามนั้นในคืนนั้นเสื้อผ้าอาพรเงินทองใช้จ่ายและผ้าแพรผ้าไหมก็เตรียมไว้พร้อมสับทุกคนตื่นกันแต่เช้ามืดข้าบดีเจ้ากับหลูต้าก็ชวนกันขึ้นม้าไปยังเขาวู่ไท แวดล้อมไปด้วยบ่าวไพร่ช่วยกันแบก ห, หยีบไหและของกำนันขึ้นไปพอตกสายหน่อยคณะก็มาถึงตีนภูข้าบดีเจ้ากับดูตา้าก้าวขึ้นเกี้ยวแล้วส่งบ่าวคนหนึ่งล่วงหน้าขึ้นไปแจ้งข่าวพอคณะชุดใหญ่ขึ้นมาถึงประตูวัดก็เห็นบรรดาสังฆาการีสัพปะบรุษมัคนายกและหลวงจีนผู้รับผิดชอบมารอต้อนรับอยู่ก่อนแล้ว จึงพากันลงเกี้ยวแล้วเข้าไปนั่งพักในศาลารอท่าให้คนไปแจ้งข่าวท่านเจ้าอาวาสไม่ช้ามหาสมพานเจ้าก็ออกมาพร้อมด้วยบรรดาหลวงจีนสิทธิานุสิตและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ข้าบอดีเจ้ากับหลู่ต้ารีบพากันออกไปคำนับเจ้าอาวาสประนมมือรับว่าที่วางอกเจ้าอาวาสทักขึ้นว่าอา้าวท่านโยบอุปถากมาไกลถึงเพียงนี้ย่อมดีต่อสุขภาพนะัก ข้าบดีบอกว่าข้าพระเจ้ามีเรื่องนิดหน่อยใครจะขอมากราบเรียนรบกวนท่านสมภารสมภารพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นประสบโปรดเข้ามาในวัดเดือดหมน้ําชากันก่อนเถิดลูด้าตามข้าบดีเจ้าเข้าไปในห้องโถงเจ้าอาวาสเชิญข้าบดีนั่งเก้าอี้สาหรับแขกส่วนลูด้าก็นั่งลงบนตั้งตรงข้ามเจ้าอาวาสข้าบดีเจ้าเห็นดังนั้นก็เอ็นตัวมากระซิบบอกว่า นี่ท่านลูตาท่านจะมาบวชอยู่ที่นี่แล้วฉันไหนจึงได้หานกล้ามานั่งทําปั้นจิ้มปั้นเจอต่อหน้าท่านสมภารเช่นนี้เล่าฮะเฮ้ยลูต้าอุทานขึ้นว่าขอขอขอประทานอภัยเถิดข้าไม่รู้ธรรมเนียมมาก่อนว่าพรางหลูต้าก็ลุกขึ้นแล้วเลี่ยงไปยืนอยู่เบื้องหลังที่นั่งของขหาบดีพระเถระท่านผู้ใหญ่รองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาส บรรดาพระผู้รับผิดชอบพระลูกวัดพระรับรองแขกและอาลักษ์ต่างก็แบ่งกันออกเป็นสองแถวแถวหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายอีกแถวหนึ่งอยู่ฝั่งขวาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามชั้นแห่งฐานานุรูปในห้องโถงแห่งนั้นบรรดาเบาไพรของข้าบดีเจ้าพักเกี้ยวไว้ในที่อันควรแล้วช่วยกันขนหีบไหและของกำนันต่างๆเข้าไปในห้องนำไปวางกองไว้เบื้องหน้าเจออ้าอาวาส เจ้าว่าถามขึ้นว่าอ้อท่านพระศกใจจึงต้องลำบากลำบนขนเอาของกำนันมาอีกด้วยเราที่เคยทำบุญให้วัดมาก็อักโข อ, อยู่แล้วข้าบดีออกตัวว่าของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองขอรับไม่ได้มีราคาค่างวดอันใดเพราะให้ต้องขอบอกขอบใจใดๆ ด, ดอกพระคุณเจ้าบรรดาสังฆาการีและเนรรีบพากันมขนออกไปข้าบดีเจ้าลุกขึ้น แล้วเอ่ยขึ้นว่าข้าน้อยมีกิจประการหนึ่งใครมาขอร้องกราบเรียนท่านมาหาสมภารคือข้าน้อยเคยฝันมานานนักหนาแล้วว่าอยากจะอุปชาสมณศักดิ์ให้มาร่วมอารามแห่งนี้สักรูปหนึ่งแต่จนแล้วจนรอดก็หาได้สำลิกผลไม่มาบัดนี้คนแท่ลูกลูกพี่ลูกน้องของข้าพเจ้าผู้นี้ก่อนกี้เคยไปในทหารแต่ปัจจุบันต้องมาประสบเคราะห์กรรมปรารถนาจะตัดขาดจากทางโลกหันมาบวชพระ หวังพึ่งรถพระธรรมอันสงบสุขใสข้าน้อยหวังในความเมตตากรุณาของพระคุณเจ้าและเพื่อเห็นแก่ข้าน้อยโปรดรับบุรุษผู้นี้ไว้ในอารามแห่งนี้ด้วยเถิดขอรับข้าน้อยจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิน้นหากพระคุณเจ้าจะโปรดข้าน้อยจะได้นอนตายตาหลับเจ้าอาวาสกล่าวว่ายินดียิ่งท่านประศกอารามของเราจะได้เจริญรุ่งเรือง เชิญท่านรับน้ำชาให้สบายใจก่อนเถิดแนนรูปหนึ่งกรากเข้ามารินน้ำชาหลังจากที่ทุกคนดื่มแล้วก็เก็บเอาถ้วยออกไปเจ้าอาวาสหันมาปรึกษาพระเทระผู้ใหญ่และรองเจ้าอาวาสถึงพิธีกรรมที่จะบวชหลู่ต้าแล้วสั่งมคณาโยกและพระลูกวัดให้ออกไปจัดหาอาหารมังสวิรัตมารับรองแขกพระเถระผู้ใหญ่หันไปกล่าวเบาๆกับหลวงจีนรูปอื่นๆว่า คนผู้นี้หาแววตัดกิเลสไม่เห็นเลยดูแววตาเหี้ยมเกรียมคู่นั้นของมันสิหมู่สงฆ์ที่ชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นหันมาบอกกับพระรับรองแขกว่าท่านจงพาเขาออกไปสักครู่เราอยากหารือกับท่านเจ้าอาวาสสักน้อยพระต้อนรับจึงเชิญขหาบดีเจ้ากับดูต้าให้ออกไปรออย่างเรือนรับรองก่อนพอทั้งคู่คล้อยหลังพระผู้ใหญ่ก็ขยับเข้าไปใกล้เจ้าอาวาส แล้วมู่สงก็เอ่ยขึ้นว่าคนจะบวดใหม่ผู้นี้ช่างดิบนักไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนดูป่าเทือนสิ้นดีหากเรารับเขามาอยู่ที่วัดมีหวังเขาต้องก่อเรื่องขึ้นแน่แท้เจ้าวาดกล่าวว่าเขาเป็นถึงลูกพี่ลูกน้องก็หาบดีเจ้ายหอมอุปถาคของเราจะให้ปฏิเสธอย่างไรได้เก็บข้อสงสัยของพวกเจ้าเอาไวเ้เถิดปล่อยให้อัตมาจัดการเรื่องนี้เอง เจ้าอาวาสก็จุดทูปขึ้นดอกหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บนแคร่บริกรรมท่องมนต์บัดดนก็เข้าฌานเวลาล่วงผ่านไปไม่นานพอวิญญาณคืนร่างลืมตาขึ้นทูปนั้นก็พลันหมดดอกไปแล้วแล้วเอ่ยขึ้นกับหมู่สมว่าพวกเจ้าไปเตรียมการอุปสมบทไว้ได้เลยคนพูดนี้เป็นดาวจุติจากสวรรค์ชั้นฟ้า จิตใจใส่ซื่อบริสุทธิ์แม้รูป ก, กายภายนอกจะดูดุร้ายป่าเถื่อนและชีวิตต้องประสบเคราะห์กรรมมาแล้วก็ตามทีแต่ต่อไปนี้เขาจะได้ไถ่บาปที่เคยทำมาบรรลุซึ่งฌานสมาบัตและในที่สุดก็จะได้เป็นเซียนพวกเจ้าทุกคนในที่นี้ไม่มีใครเทียบจงจำคำของอัตมาเอาไว้ให้ดีอย่าได้มีผู้ใดคัดค้านขึ้นมาเปน็นอันขด พระผู้ใหญ่กล่าวกับพระรูปอื่นๆว่าแม่เจ้าอาวาสคิดแต่จะกลบเกินความผิดให้มันแต่เราต้องเชื่อฟังไอเรามันก็เป็นได้แค่ที่ปรึกษาหากไม่นำพาก็ช่วยอะไรไม่ได้ท่านต้องรับของท่านเองนะข้าบดีเจ้าและคนอื่นๆได้รับเชิญให้อยู่รับประทานอาหารเย็นที่วัดพอเสร็จสังฆาลีก็นำอไหยการข้าวของเครื่องใช้ที่หลู่ต้าต้องใช้ในการบวชออกมาเสนอ อันได้แก่รองเท้าเสื้อกางเกงหมวกจีวรสังขติและเสื้อรองเขา่าข้าบดีเจ้าเอาเงินออกมาแล้ววานให้ทางวัดช่วยจัดซื้อหาเครื่องอัฐบริขารดังกล่าวทั้งที่วัดทําได้เองและที่ยังขาดเหลืออยู่สวันต่อมาทุกอย่างก็พร้อมสับเจ้าอาวาสจับเลิกงามยามดีแล้วก็สั่งให้ย่าระคัง ปีกล้อกก็ประคมขึ้นพร้อมกันทุกคนไปรวมตัวกันที่โรงสวดจีวรเหลืองอารามงามอัมภัยปลิวสวัยไปทั่วทั้งอารามภิกษุสงฆ์กว่า6 0รรูปพากันพนมมือแสดงความคารวะเจ้าอาวาสแล้วก็แยกออกไปสองปีกโอบบัลลังก์ธรรมมาตที่บัด น, นี้ท่านเจ้าอาวาสขึ้นไปนั่งขันสมาธิอยู่ชั้นบนขหะบดีเจ้านำของกำนันเป็นเงินแท่งและผ้าเนื้อดี ถือธูปดอกหนึ่งตรงไปยังธรรมธาต์แล้วโค้งคารวะมีการกล่าวคาถานำบอกวัตถุประสงค์สำคัญของพิธีเนนรูปหนึ่งพาหลูต้าเดินตรงไปยังธรรมธาต์ที่เจ้าอาวาสขัดสมาธิอยู่รองเจ้าอาวาสบอกให้หลูต้าถอดหมวกแบ่งผมออกเป็นก้าปลอยแล้วรวบไว้ช่างตัดผมค่อยๆโกนผมนั้นออกทีละปอยทีละปอยจนหมดสิน้นก่อนจะหันมาจดดใบมีดลงที่คราวรูปพัดหลูต้าอุทานขึ้นว่า อยขอทำทานไว้ด้วยเถิดบรรดาพระสงฆ์ที่ชุมนุมกันอยู่อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเจ้าอาวาสเอ่ยจากธรรมาาด้วยน้ำเสียงบูดบึ้งว่าจงฟังไวเ้เถิดแล้วเทศเป็นท้อยคำน้ำเสียงสูงสูงต่ำต่ำความว่าอันว่าจะถอนกิเลตัญหาทั้งหกนั้นต้องบรันให้สิ้นเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องโกนเสียให้เกลี้ยงเป็นธรรมดาถางย่าไว ต่อย่อมจะแตกหนอขึ้นใหม่แล้วก็หันไปสัมทับช่างตัดผมว่าก้นออกให้หมดช่างตัดผมเร่งมือบัดเดียวเดียวก็เสร็จพระเทระผู้ใหญ่นำสุธิบัตรมาถวายเจ้าอาวาสขอให้เลือกตั้งชื่อให้หลู่ต้าเอาไว้ใช้ในสังฆปริมณฑลเจ้าอาวาสเทศเป็นเสียงสูงสู ง, สงต่ำๆ่ขึ้นอีกว่ารัศมีแห่งดวงวิญญาณย่อมเรืองร้องยองใหญ่กว่าแสงแห่งสุวรรณสักร้อยหาบแล้วก็พูดขึ้นว่า ผนทางแห่งพระตาถาคตนั้นกว้างใหญ่นักจงเรียกเขาว่าผู้รู้แช่งเถิด <c oughs> อารักษ์จะละสมญ า, านามนี้ลงในสุทิบัติแล้วนำ ม, มามอบให้ลูตาเจ้าอาวาาสั่งให้หลวงจีนมอบเครื่องอัฏฐบริขารให้แก่ลูตาแล้วให้ผัดผ้าหันมานุ่งห่มจีวร อ, อย่างสงสร็จแล้วลูตาก็ถูกพามาที่ธรรมาสอีกคำรบหนึ่ง เจ้าวาดวางฝ่ามือข้างหนึ่งลงบนกระหม่อมของหลูตาแล้วสั่งสอนให้ประพฤติตนอยู่ในศีลกินในธรรมหนทางดับทุกข์คือต้องถือปฏิบัติพระปริยัติธรรมต้องเคารพกราบไหว้พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าได้ลักเล็กขโมยน้อยอย่าผิดประเวณีอย่าดื่มสุราอย่าได้โป๊ปมดมดเท็จนี่คือศีลหา้า ที่ต้องรักษาไว้อย่าให้ดางพร้อยลูตาไม่รู้ธรรมเนียมว่าหลังจากเจ้าอาวาสประทานสินห้าแล้วตนจะต้องตอบรับสินห้าไปทีละข้อละข้อโดยพูดว่าขอรับเมื่อเจ้าอาวาสให้สินข้อแรกจบและพูดคำว่าไม่ขอรับกับสินสามข้อหลังด้วยเหตุ น, นั้นจึงพร่งองเอาไปคำเดียวว่าข้าจะจาไว้ พอพูดเสร็จทุกคนในที่นั้นก็โห่ร้อขึ้นอีกครืนใหญ่ข้าบดีเจ้าเชิญทุกคนในที่ชุมนุมนั้นให้เข้าไปในโบสถ์แล้วจุดธูปเทียนถวายพัตหานแด่พระประธานถวายจตุปปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่จำวัดในอารามทุกรูปไม่เลือกที่ต่ำที่สูงบัดนั้นลูต่ต้าก็ได้กลายเป็นหลวงจีลู่พูดรู้แจ้งพระลูกวัดแนะนาหลวงจีลู่ให้รู้จักพระรูปต่างๆแล้วพาเข้าไปด้านในอาราม อันเป็นบริเวณที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานทำสมาธิสวดมนต์และที่จำวัดของหมูสงคืนนั้นเหตุการณ์ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นข้ามบดีเจ้าก็คิดจะกลับจึงเข้ามานมัสการเจ้าอาวาสเพื่ออำลาถึงเจ้าอาวาสจะคัดค้านอย่างไรก็ไร้ผลหลังอาหารเช้าหลวงจีนทุกรูปพากันมาส่งข้าบดีเจ้าถึงประตูหน้าอาราม ข้าพระีเจ้าพนมมือเข้าด้วยกันแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านมหาสมภารและท่านอาจารย์ทั้งหลายโปรดจงได้เมตตาปราณีเห็นแก่ข้าน้อยผู้นี้ด้วยเถิดญาติพี่น้องผู้นี้เป็นคนหยาบกระด้างโงผางขวานผาดซากหากว่าเขาเกิดลืมกริยามารยาทลืมพระธรรมคำสั่งสอนหรือกล่าวอันใดให้เป็นที่ล่วงเกินก็โปรดจงให้อภัยแก่เขาถือเสีย ว, ว่า เป็นทานให้แก่ตัวข้าน้อยด้วยเถอะนะขอรับเจ้าอาวาตรับคำแล้วว่าญาตได้กังวลไปเลยท่านข้ า, าบดีอตาตมาจะค่อยๆ อ, อบรมบ่มสอนให้ดีทั้งเรื่องบทสวดมนต์พระธรรมวิ น, นัยการประกอบศาสนากิจและการนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรจะไม่ขาดตกบกพร่องเลยข้าบดีให้สัญญาว่าต่อไปภายหนะ้าข้าน้อยจะกตันอยู่พระคุณเจ้าให้สม ว่าแล้วก็เรียกหลวงจินลูกไปที่ล้มไมยใกล้ๆกระสิบสั่งด้วยเสียงอันเบาว่าน้องพี่ชีวิตท่านนับแต่บัดนี้จะผิดไปสิ้นจากเกา่าจะทำอะไรก็ให้ถูกต้องตามทํานนองครองทาต้องรู้ยับยั้งชั่งใจอย่าทําตัวเย่อะยิ่งยะโสโอหังไม่เช่นนั้นแล้วพี่กับท่านจะไม่มีวันไดพบกันอีกพึงถนอมรักษาตัวเอาไว้ให้จงดี พี่จะทยอยส่งเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมาให้เป็นพักๆลูต้ารับปากแล้วว่าท่านพี่ไม่ต้องบอกข้าดอคข้าจะประพฤติตนให้ดีให้สมกับที่ได้รับมาสั่งเสร็จข้าบดีเจ้าก็อำลาบรรดาพระเถรเนรเจ้าขึ้นเกี้ยวแล้วลงเขากลับบ้านเบาไพร่แห่แหนตามหลังกันไปเป็นพรวนแบกเกี้ยวอีกหลังซึ่งบัด น, นี้ว่างเปล่า หีบหายที่ใส่ข้าวของมานั้นเล่าก็ล้วนล่วงโถงโปร่งเบาส่วนเจ้าอาวาสและบรรดาหลวงจีนเหล่านั้นก็หันหลังกลับขึ้นวัดพ่อลูกกลับถึงห้องวิปัสสนากรรมฐานก็ล้มตัวลงนอนแล้วหลับไปหลวงจีนที่นั่งกรรมฐานอยู่ทั้งสองข้างเข้ามาเขยา่าท่านประพฤติอย่างนี้ไม่ได้นะพวกเขาพูดขึ้นตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วต้องเรียนรู้วิธีนั่งขัดสมาธิและเข้าฌานจึงจะชอบ ลู่ตะโกนถามขึ้นว่าถ้าขครอยากจะนอนแล้วมันไปหนักหัวอะไรของพวกเจ้าเลยเราบรรดาหลวงจีนพากันอุทานว่าเอ๋อย่างนี้ไม่ไหวลู่ต้าพูดย้อนกลับไปว่าอะไรปราลาไหลข้าชอบกินแต่เตาตั้งหากพระพวกนั้นพูดอย่างไม่ใหญ่ดีว่าเฮ้ยเจ้านี่มันเลวสิ้นดีลู่ต้าพูดแกมบ่นว่าไม่เห็นมีอะไรไม่ดีสักอย่างพุงเตาทั้งหวานทั้งมัน เวลากินกหนุ่มลิ้นอะไรปากนักลู่เล่นคําอยู่เช่นนั้นจนหลวงจีนที่อยู่ร่วมห้องต่างเอือมระอาจําต้องเลิกรากันไปปล่อยให้หลู่นอนหลับไหลไปตามสบายรุ่งขึ้นพวกเขาก็นําเรื่องดังกล่าวไปฟ้องเจ้าอาวาสแต่พระผู้ใหญ่ห้ามไว้ว่าท่านเจ้าอาวาสเพิ่งจะกลบเกลื่อนความผิดให้มันถึงขนาดบอกว่ามันจะได้เป็นเสียนพวกเราไม่มีทางเทียบได้ เราทำอะไรไม่ได้ดอกอย่าไปยุ่งกับมันเลยพอได้ฟังดังนั้นบรรดาหลวงจีนก็กลับไปสิน้นเมื่อไม่มีใครคอยดุด่าว่ากล่าวทุกค่ำคืนลูกจึงนอนเขงอยู่บนเสือกรนเสียงสนั่นปานฟ้าร้องยามจะลุกขึ้นไปปลดทุกข์ก็ทำเสียงเ อ, อะโครมครามถ่ายอุจระปั ส, สวะอยู่ข้างโบดให้เป็นที่สศกกระปรกรีบไปทั่ว ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเห็นดังนั้นจึงไปฟ้องเจ้าอาวาสว่าหลวงจีนลูกผู้นี้ไม่มีกริยามารยาทเอาศีลเลยขอรับพิษด้อย่างไรก็ไม่เหมือนจะตัดกิเลสได้แม้แต่พิงกับเพียงลิ้นยัยต้องเก็บคนแบบนี้ไม่รบวัดเราด้วยเจ้าอาวาสตวาดว่าแล้วไรเจ้าลืมคำขอร้องของท่านโยบูปถากแล้วหรือชันไหนเขาจะดัดแปลงตนเองได้ในภายหลัง เมื่อพูดดังนั้นแล้วก็ไม่มีผู้ใดหน้าไหนจะกล้าแหลมขึ้นมาอีกด้วยเหตุนี้หลวงจีนลู่จึงยังอยู่ในอารามบนเขาวู่ไทยอย่างสุขสบายกว่าจะรู้ตัวการเวลาก็ผ่านสี่5าหเดือนเข้าไปแล้วยามนั้นเพิ่งจะย่างหน้าหนาวใจของลู่ที่เคยสงบเยือกเย็นมานานบัดนี้พลันก็เริ่มร้อนเร่าขึ้นตึงิด ต, ตึงิดวันหนึ่งท้องฟ้าสีครามอารามสายตา ลู่หยิบสังคติยาวสีดำขึ้นมาหม่มผูกผ้าคาดเอวสีนกกาน้ำเปลี่ยนมาใส่รองเท้าอย่างพระแล้วก็เตะเตะออกไปนอกอารามผู้ช่วยเจ้าอาวาสเห็นดังนั้นจึงไปฟ้องเจ้าอาวาสว่าหลวงจีนลูกผู้นี้ไม่มีกริยามารยาทเอาสินเลยขอรับพิก ด, ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนจะตัดกิเลสได้แม้แต่พิงก็พิงลิ้นยัยต้องเก็บคนแบบนี้ ไม่รกวัดเราด้วยจเจ้าว่าตวาดว่าแล้วไรเจ้าลืมคำขอร้องของท่านโยบุปถากแล้วหรือชันไหนเขาจะดัดแปลงตนเองได้ในภายหลังเมื่อพูดดังนั้นแล้วก็ไม่มีผู้ใดหน้าไหนจะกล้าแหลมขึ้นมาอีกด้วยเหตุนี้หลวงจีนลูจึงยังอยู่ในอารามบนเขาวูทไายอย่างสุขสบาย กว่าจะรู้ตัวการเวลาก็ผ่านสี่สาห้าเดือนเข้าไปแล้วยามนั้นเพิ่งจะย่างหน้าหนาวใจของลูกที่เคยสงบเยือกเย็นมานานบัดนี้พลันก็เริ่มร้อนเร่าขึ้นตึงิด ต, ตังอิดวันหนึ่งท้องฟ้าสีครามอารามสายตาลูกหยิบสังคติยาวสีดำขึ้นมาห่มผูกผ้าคาดเอวสีนกกาดำเปลี่ยนมาใส่รองเท้าอย่างพระแล้วก็เตะเตะออกไปนอกอาราม พ่อลงจากเขามาได้จากเครื่องทางก็มาถึงสาราพักร้อนหลวงจีนลูกแวะเข้าไปนั่งอยู่บนต่างมายาวนึกแช่งชักหักกระดูกตัวเอง <mm> ก่อนนี้เราได้กินแต่เนื้อดีๆ ด, ดื่มสุราดังๆอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดตอนนี้มาบวชเป็นพระให้อดอยากปากแห้งดุดจะลงแดงตายท่านข้าบุีเจ้าก็ไม่ได้ส่งอะไรมาให้กินนาหแล้วปากเบิกหมดรสหมดชาติไปสิน้น ถ้าได้เล่าสักหายก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวนึกเปรี่ยวปากมาตะหงิดตงหงิดเลยเว้ยนั่งมือมองออกไปแต่ไกลหลวงจีนลูกก็เห็นชายผู้หนึ่งแบกไม้คานหาบถังไม้สองใบกระเตงกระเตงขึ้นเขามาในมือถือกระบวยรำกรอนไปด้วยจับใจความได้ว่าท่องไปในยุทธภูมิเก่าเชิงเขาเก้าลี้ เด็กเลี้ยงควายยังเห็นทวนหักดาบบินทิ้งเกลือนาลมโชยลูกผิวน้ำในแม่น้ำหมู่กระเซ็นดุดดังแม่นางอี้ร่ำให้หาสามีลู่ขมเม่นมองตามคนคนนั้นก็ดุ่มเดินเข้ามาพักในศาลาพรางวางหาบลงลู่ตะโกนถามว่าเฮ้ไอเกลอมีอะไรอยู่ในถังนั่นหราวะฮะคนขายเหล้าตอบว่า สุรานีครับพระคุณเจ้าลูกถามว่าแล้วถังหนึ่งมันเท่าไหรว่วะนะ่ะฮะคนขายเหล้าตอบว่าอย่างเราเล่นนะ้ะพระคุณเจ้าท่านจะเอาจริงหรือหลวงจีนลูตอบว่าใครจะไปเล่นตลกอะไรกับเจ้าเราฮะูดจริงๆคนขายเหล้าว่าแต่พระคุณเจ้าสุรานี้ค่ะกำลังจะหาไปส่งยังอารามเพื่อให้คนทำครัวพันลงมักขณะยก และกรรมกรแบกหามดืมขายให้ใครไม่ได้ดอกอกอย่างท่านจอาวาดคอยตักเตือนอยู่เสมอเสมอว่าอย่าได้ขายเหล้าให้พระสงฆ์องค์เจ้าไม่เช่นนั้นจะยืดเงินทุนที่ทางบ้านช่องที่อารามให้ยืมคืนข้าไม่กล้าขายให้พวกคุณเจ้าดอกลู่ตะโกนถามอีกว่าเจ้าหไม่ยอมขายให้เราจริงๆนะหรือฮะคนหาเหล้าพูดว่าจะขายก็ได้แต่ต้องขามสมข้าไปก่อน หลวงจีนลูก ว, ว่านี่เราไม่ฆ่าแกงเจ้าดอกแค่จะขอแบ่งเหล้าสักน้อยหนึ่งเท่านั้นเองพ่อค้าขายเหล้ารู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงยกไม้คานขึ้นบ่ารีบสาวเท้าออกไปลูกกระโจนตามหลังใช้มือสองข้างดึงไม้คานไว้แล้วดีดเท้าเข้าใส่ขาหนีบพ่อค้าเหล้ารีบเอามือกุมเป้าที่บัด น, นี้ความจุกเสียดอัดแน่นค่อยๆแล่นไล่ตามลำไส้ขึ้นไปจรดขอหอย ล่วงเอยลงไปนอนคุดคูอยู่กับพื้นกระตุกตัวอยู่เร่าๆจุกแอดแอดจะร้องก็ร้องไม่ออกจะลุกก็ลุกไม่ได้อยู่พักใหญ่หลวงจีนลู่รีบเก็บกระบวยขึ้นจากพื้นยกหาบกลับเข้าไปในสารางัดฝาไม้ออกแล้วจ้วงกระบวยลงไปตักเหล้าขึ้นมาดื่มไม่ทันนานเหล้าก็หมดไปถังหนึ่งหลวงจีนลู่พูดกับคนขายเหล้า ว, ว่าพรุ่งนี้จ้าไปเก็บเงินกับเราที่อาราม พ่อคาเล่เริ่มฟื้นจากอาการจุกเสียดถ้าความนี้รู้ไปถึงเจ้าอาวาสนั่นหมายถึงชะตาชีวิตของเขาจะต้องจบเหตแล้วเหตุชะไหนยังจะมีหน้าไปเรียกเก็บเงินกับลูกที่อารามอีกพ่อคาเล่กล้ากลืกล้นอารมณ์โกรธรีบแบ่งเหล้าที่เหลือครึ่งหนึ่งใส่อีกถังที่บัด น, นี้ว่างเปล่าช่วยได้กระบวยก็รีบกกยอ้าลงเขาไปลูก นั่งรับลมอยู่ในศาลาต่ออีกพักใหญ่ริจุราค่อยๆคลืบครานขึ้นมาบนหัวพอออกจากศาลามาได้หน่อยหนึ่งก็ต้องซุดลงนั่งใต้ต้นสนตอนนี้ริทเล่าเริ่มแร่ออกไปทั่วร่างลุ้งจีรุลวงมือข้างหนึ่งออกจากแขนสังคติแล้วเอาแขนเสื้อเปล่าเนบเข้ากับเออปล่อยแผ่นหลังที่สั่นยันไว้ลายพร้อยยกแขนสองข้างขึ้นกวัดแกว่งและมุ่งหน้าขึ้นเขาไป ยามเฝ้าประตูอารามและเห็นลุงจินลู่มาแตกไกลแล้วพอเข้ามาใกล้ก็พากันถลันออกไปขวางลู่ไว้ด้วยพรองไม้ไผ่ผาซิกยามประตูตะคอกว่าท่านสมควรเป็นศิษย์ที่ดีในพระตถาคตแล้วใหญ่จึงกล้ากลับมาในสภาพเมามายเช่นนี้ต า, าบอดหรือไรมองไม่เห็นป้ายประกาศของอารามดรอกหรือหากพระรูปใดแหกกฎ ด, ดื่มสุราจะถูกไม้ผ่าซีกบ่อยเอาสีสิที แล้วอับเบหิหนีออกไปเสียจากวัดอย่า้ามฝาประตูผู้ใดหากปล่อยให้คนเมาเข้าไปในอารามก็จะโดนโบยอีกสี่สิบทีเช่นกันหากท่านไม่อยากทุกข์เขียดก็จงรีบกลับลงเขาไปเสียเดี๋ยวนี้แต่เหตุด้วยประการแรกนั้นลูกเป็นพระบวนใหม่และประการต่อมาอารมณ์ร้อนของเขายังไม่เคยหายไปไหนดังนั้นพันดวงตาก็เลือกถลนลู่ตวาดออกไปว่า ไอ้คนสารเลวอยากจะตีกูนักหรือกูนี่แหละจะกระทืบมึงแองอสถานการณ์ที่ราบเรียบมาโดยตลอดบัดนี้แปลเปลี่ยนกลับเลวร้ายลงไปโดยฉับพลันยามเฝ้าประตูผู้หนึ่งรีบวิ่งขึ้นไปไรายงานมัคขนายกด้านในส่วนอีกคนหนึ่งก็พยายามใช้ไม้พรองดันลู่เอาไว้ลู่ใช้มือปัดออก แล้วตกเฉดเฉียดเข้าใส่ใบหน้ายามผู้นั้นกระเด็นไปตามแรงตกลูกตามไปอีกหมัดส่งยามเพราะร้ายรายนั้นลงไปนอนวัดพื้นนอนคลุกฝุ่นหลวงจีนลูกพูดว่าคราวนี้กูจะปล่อยมึงไปก่อนไอ้ถอยว่าพรางก็สายอาดอเข้าอารามไปข้างฝ่ายมขนายกรีบระดมบรรดาสังฆาลีคนรับใช้คนครัว ผ่านโรงคนหามเกี้ยวได้เกือบสามสิบทุกคนถือไม้พลองเป็นอาวุธรู้กันออกมาจากด้านตะวันตกเข้าล้อมลูกไว้คนเหล่านั้นไม่รู้เลยว่าลูกเคยเป็นทหารมาก่อนลุมจีนลูกกระโจนเข้าฟาดใส่อย่างดุเดือดกระทั่งพวกที่ล้อมเข้ามานั้นแตกกระเจิงหนีเข้าไปรวมกันอยู่ในหอไตรปิดประตูไม้ระแนงขวางเอาไว้ลุมจีนลูกทลันขึ้นบันไดด้วยหนึ่งมัดกับอีกหนึ่งเท้าเขาก็ถีบประตูเปิดออก พวกที่ติดอยู่ในห้องเงื้อไม้พรองขึ้นแล้วกรูกันเข้ารบฝ่ายเจ้าอาวาสเมื่อมัขณายกวิ่งมาบอกก็รีบแน่นตรงมายัางที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพระผู้ช่วยอีกสี่ห้ารูปเมื่อมาถึงเจ้าอาวาสตะวัดขึ้นว่าหลวงจีนลูงรามเฮอด้วยลูกกำลังเมาแต่ก็จำเจ้าอาวาสได้จึงรีบทิ้งไม้พรองแล้วก้าวออกมาคารวะหลวงจีรุอธิบาย ข่านน้อยดื่มสุรามาสองสามกระบวยจริงๆแต่หาได้ยั่วแย่คนเหล่านี้ไมมแต่พวกมันกลับยกขยโยงกันมากลุ่มรุ่ง่าเจ้าอาวาสเอ่ยขึ้นว่าถ้าหากเจ้ายังเชื่อฟังอัตมาอยู่ก็จงรีบไปนอนให้หายเมาเราจะหาหรเรื่องเหล่านี้กันในวันอื่นลูกพูดกับเจ้าอาวาสว่า เป็นเพราะข้าเคารพพระคุณเจ้าดอกวันนี้ไอ้ลาขี่เรือนพวกนี้จึงรอดตัวไปได้เจ้าอาวาสสั่งให้ผู้ช่วยพระคองปีกลูกเข้าไปจํำวัดพอไปถึงลูกก็ล้มพับสลบสไลดโกลืนออกไปเสียงดังสนัน่นบรรดาหลวงจีนที่เหลือพากันเข้าไปห้อมล้อมเจ้าอาวาสแล้วพูดขึ้นว่าพวกเราก็กราบเรียนพระคุณเจ้าไปแล้วตอนนี้พระคุณเจ้าเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะขังแมวคขาวเอาไว้ในอารามอย่างไรได้ ต่อไปนี้ชีวิตของพวกเราคงจะปนปี้ไม่มีที่จะสงบสุขเจ้าอาวาดรับว่าจิงอยู่เขาเป็นคนเกกงมเร็เกเรแต่ต่อไปในภายภาคหน้าเขาจะบรรลุโสดาบันถึงขั้นเซียนแต่ตอนนี้เราคงแก้ไขอะไรไม่ได้เพื่อเห็นแก่ข้าพบีเจ้าผู้อุปการะวัดเราเอาภัยให้เขาเสียเถิดพรุ่งนี้อาตมาจะอบรมสั่งสอนเขาเอง บรรดาพระในวัดแค้นหัวเราะพวกเขาซุบซิบกันว่าวิจารณญาณอันหลักแหลมของเจ้าอาวาสเราบัด น, นี้บูบี้บุบินไปสิ้นแล้วและพวกเขาก็ล่าถอยกลับไปยังที่พำนักของตัววันต่อมาเจ้าอาวาสส่งคนไปตามหลวงจินลูกมาจากห้องพักตอนนั้นลูกยังไม่ทันตื่นพระผู้ช่วยต้องไปยืนรอพอตื่นลูกก็หยิบเสื้อผ้าขึ้นมานุง่งทันใดนั้นก็วิ่งท้าเล่าออกไป พระผู้ช่วยให้นึกชะโนจึงตามออกไปดูก็พบว่าลูกไปยืนปัสสาวะอยู่ข้างตึกพระผู้ช่วยอดหัวเราะไม่ได้เสร็จแล้วจึงเอ็ดขึ้นว่าหลวงจีนลูกจะ อ, อวาวราชให้มันตามตัวนะลูกออกเดินตามไปยังห้องเจ้าอาวาสพอถึงแล้วเจ้าอาวาสเอ่ยขึ้นว่าถึงเจ้าจะเคยเป็นทหารแต่อตาตมาก็ยังบวชให้ ด้วยรำลึกถึงพระคุณของขหบดีเจ้าที่ยอมรับเอาเป็นองค์อุปชายยะอตมห้าก็กำชับกำชาเจ้าเป็นหนักหนาแล้วว่าอย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยผิดประเวณีดื่มสุราหรือโอ้ปวดมดเท็จนี่เป็นสินห้าที่หลวงจีนทุกคนต้องจำเริญนภาวนาแกบรักษาเอาไว้ไม่ให้ขาดโดยเฉพาะการดื่มสุรายาเมานี้แต่เมื่อเห็นหวาน เจ้าเมาหมายกลับมาแถมยังดุด่าทุกตียามทาลายประตูหอไตรไล่ตีคนครัวนักการผ่านรงแล้วยังส่งเสียงเอะอะเอตโรเขาอีกเหตุฉันไหนจึงประพฤติตนแล้วสามต่ำท้ายเยียงเนฮะหลงจินลูกลูกคุกเข่าต่อหน้าท่านสมภารเจ้าแล้วว่าข้าจะไม่ประพฤติตนเช่นนั้นอีกแล้วขอรับเจ้าวาดเทศตอไปว่าระวนฮะ เป็นพระเป็นเจ้าแล้วนะฮะฉันไอจึงกล้าไปละเมิดศินข้อที่ห้ามไม่ให้ดื่มสุราไม่ให้ไร<อ>แถมมากรอกวนชีวิตอันส ง, งบของวกเราอีกนี่ถ้าไม่ใช่เพราะข้าบดีเจ้าอาตมาต้องเฉดหัวเจ้าออกเพ่พอารามในแห่เที่ยวฉะนั้นต่อไปนี้จงอย่าประพฤติตนเป็นคนผ่านเช่นนี้อีกเป็นอันขาดเข้าใจไหมลูกพนมมือเข้าด้วยกันพรางรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า ข้าไม่กล้าอีกแล้วขอรับท่านเจ้าอาวาสเมื่อเห็นดังนั้นเจ้าอาวาสก็ใจอ่อนเกิดความเมตตาสงสารสั่งให้คนจัดหาอาหารมื้อเช้ามาให้แล้วอบรมสั่งสอนให้กลับตัวกลับใจด้วยนุ่มนวลคลางหยิบสังคติและรองเท้าหุ้มข้อคู่หนึ่งส่งให้และอนุญาตให้กลับไปยังที่พำนักก็ดังที่โบราณว่าขี้เมาไม่ควรดื่มเหล้าจนเต็มคาบเพราะสุราพาใจให้เหิมกล้า ฆ่าไปสิ้นทุกสิ่งสั์หากดื่มสุราถึงกลับทําให้คนเรียบร้อยเกิดใจกล้าหน้าด้านแล้วคนกล้าบ้าบินละ่ะมันจะพาไปถึงไหนหลังจากเมาครั้งนั้นไปได้สามสี่เดือนลู่ไม่กล้าหยิยบออกนอกอารามอีกจวกจนเวลาล่วงเลยกระทั่งย่างเข้าเดือนยี่อากาศที่เคยหนาวเหน็บบบบนี้กลับอุ่นขึ้นโดยพลัน ลูกเดินออกมาจากที่พักเต็ดเตรไปนอกอารามทอดสายตาเมื่อมองดื่มดำไปกับความงามของทิวทัศน์บนเขาหูไท้สายลมโบกโบยโชยเมาอ่อนๆหอบเอาเสียงแคร้งแครงของโลหะกระทบกันแววขึ้นมาจากตีนภูหลวงจีนลูกจึงย้อนกลับเข้าไปในห้องหยิบเงินจำนวนหนึ่งยัดใส่อกเสือ้อแล้วเดินทอดหุยลงเขาไปพอลอดซุ้มประตูหมู่บ้านที่ขึ้นป้ายว่า หมู่ไท่หรือหมู่บ้านประธานพรเข้ามามองและออกไปเบื้องหน้าก็เห็นตลาดชุมชนเล็กๆที่ประกอบขึ้นจากครัวเรือนราวห0ร้อยหรือเจ็ดร้อยทอดตัวอ้อยส้อยอยู่อย่างนิ่งสงบอิงซบอยู่ข้างเชิงเขาสิ่งของต่งตางๆมากมายวางขายเกลื่อนไปสิน้นไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ผักสุราอาหารและแป้งข้าวหลวงจีนลูกบอกกับตนเองว่าเรา จะไปมัวรออะไรอยู่เล่าหากรู้ว่าไม่สถานที่เช่นนี้แทนที่จะไปแย่งกับไอ้หมอนท่านสู้ลงมหาซื้อเล่ากินเองดีกว่าไปไหนไหนเราถูกล่ามไว้บนนั้ำสินหานเจ็บเนื้อระบมตัวไปทั่วสิ้นแล้วดูทีสิว่าที่นี่มีอะไรขายกินเด็ดๆได้บ้างแล้วลูกก็ได้ยินเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นมาอีกที่กระท่อมหลังหนึ่งขึ้นป้ายเขียนบอกว่าโรงเตี๊ยมพ่อกับลูก แต่กิจการหลักกลับเป็นโรงตีเหล็กต้นเสียงแครง้งแคร้งบนภูที่แท้ก็แว่วดังมาจากบ้านหลังนี้นี่เองหลวงจีนลู่เดินเข้าไปดูก็เห็นชายสามคนกำลังง่วนอยู่หน้าค้อนกับทั้งหลวงจีนลู่ถามชายที่ดูอาวุโสที่สุดว่านายทาั้งนายทั่งที่นี่มีเหล็กเนื้อดีหรือฉันไหนชายผู้นั้นเงยหน้าขึ้นมองพอเห็นหลวงจีนลู่เต็มตา พ่านก็ให้จังงาังไปพักใหญ่เพราะใบหน้านวดวเขาก็เพิ่งงอกออกเป็นต่อแข็งเดชด่างดำลุกลามไปทั่วใบหน้ามองดูน่ากลัวนักแต่พอนึกได้ว่าตนกำลังเสียมารยาทชายผู้นั้นก็รีบวางคอนแล้วกล่าวว่านี่ม น, นั่งก่อนเถิดขอรับพระคุณเจ้าปรารถนาจะให้ตีเป็นแบบไหนหรือขอรับลูกพูดกับนายช่างว่าข อ, อยกได้ไหมเท้าพระธรรม กับดาบสักเล่มหนึ่งท่านมีเหล็กชั้นหนึ่งหรือไม่นายช่างกล่าวว่าอ๋อมีขอรับแล้วพระคุณเจ้าอยากจะให้ไม้เท้ากับดาบหนักสักเท่าไหเราจะได้ตีได้ตามสัง่งหลวงจีนรู้ว่าไม้เท้าเอาสักร้อยช่างเป็นไรนายช่างว่าอ๋อนี่มันหนักเกินไปแล้วขอรับนายช่างตีเหล็กกับลูกพากันหัวเราะ ทนาตีให้ได้แต่พระคุณเจ้าจะมีปัญญาควงมันไหวหรื อ, รอแม้แต่ง้างของท่านกวนกง<อ>ก็ยังหนักแค่81ช่างเท่านั้นหลวงจีนลู่เริ่มมีโทสะแล้วพูดว่ากำลังข้าเองก็พอกับท่านกวนกงเขาเป็นคนข้าก็เป็นคนนายช่างว่าข้าหวังดีดอกพระคุณเจ้าแค่45ช่างก็ยังนับว่านักเกินไปแล้วหลวงจีนลู่ว่า เจ้าว่าเงาท่านกวนกงนักแปสิบเอ็ดช่างเช่นนั้นหรือถ้าเช่นนั้นตีให้ขา้านักเท่านั้นก่อนแล้วกันในช่างว่ามันจะใหญ่เกินไปหนาพระคุณเจ้าเวลาจะดูก็น่าเกลียดเวลาจะใช้ก็เถอะทักหนาหนักเอาตามที่ขา้าแนะนําดีกว่าข้าคิดจะตีไม่ท้าพระธรรมขัดเงาให้พระคุณเจ้านักสักหกสิบสองช่างหากนักเกินไปก็อย่าได้ตำหนิข้าก็แล้วกันส่วนดาบนั้น ไม่ต้องมีอะไรพิเศษข้าจะเอาเหล็กชั้นดีตีให้หลวงจีนลู่ว่าสองชิ้นนี้ราคาเท่าใหรในช่างว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหนาะขอรับไม่ต้องต่อสองด้านคิดห้าตำดึงเงินขาดตัวหลวงจีนลู่ตกลงราคาแล้วว่าฮ่าฮตกลงตกลงถ้าเจ้าทำดีไอเสร็จแล้วจะเพิ่มให้อีกช่างตีเหล็กรับเงินไปแล้วว่า พวกเราจะเริ่มทันทีเลยหลวงจีนลูกพูดกับพวกในช่างว่าข้ายังพอมีเงินเศษเหลืออยู่ออกมาดื่มเหล้ากับข้าสักจอกสิหลวงจีนลูกจเจ้าว่าตวาดขึ้นเจ้าสินวาดนาจะอยู่วัดให้เสียแล้ว ที่นขอหลวงตะวันออกอาตมายังมีพี่น้องทางทมอยู่รูปหนึ่งนามว่าท่านพระคูแ่งรัสมิเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเฉียงก่อเจ้าจงนำหนังสือฉบับนี้ไปกราบกรานของงานจากท่านอาจารย์ทมเมื่อคืนก่อนข้าเข้าฌานจนเกิดนิมิตจึงได้เขียนทํานายเป็นลิขิตคำกราไว้สีบาทให้เจ้าเป็นเครื่องนาทางชีวิตเจ้าจะต้องท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจนะ หลวงจีนลู้ลูหมอบกราบเจ้าอาวาสลงกับพื้นแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าการุณาบอกคําทํานายด้วยขครับข้าน้อยจะได้ท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจเจ้าอาวาสจึงท่องสโลกเป็นสําเนียงสูงสู ง, สงต่ํต่ขึ้นว่ากอการในไัศนเฟื่องฟูบนภูสูงอึ้งอนในสายชนจักนิพพานในสายน้าหลวงจีนลู่โคกศีรษะคารวะเจ้าอาวาสก้าครั้ง แบกห่อของขึ้นบ่าเขียนห่อผ้าไว้กับเซเลเก็บหนังสือใส่กระเป๋ากล่าวอำลาเจ้าอาวาสและบรรดาหลวงจีนลูกวัดลงจากขาหูไถ่แวะไปรอรับไม้เท้ากับดาบที่ร้านตีเหล็กบรรดาหลวงจีนน้อยใหญ่บนอารามพากันดีอกดีใจข้าที่ได้ขจัดลูกออกไปจนสำเร็จเจ้าอาวาสสั่งมัคคณายกให้เก็บกวาดซากปรักหักพังที่สาาและรูปปัน้น ไม่กี่วันต่อมาข้าบดีเจ้าก็ถือเงินค่าซ่อมมาให้ทางวัดได้สาาและรูปปั้นองค์ใหม่เรื่องนั้นเราจะไม่พูดถึงอีกหลวงจีนลู่นอนรอที่โรงเตี้ยมอยู่นานหลายวันกว่าอาวุธทั้งคู่นั้นจะเสร็จพอสั่งให้ทำฝักดาบทาสีไม้เท้าแล้วมอบเงินพิเศษให้ช่างตีเหล็กหลวงจีนลู่ก็สะพายห่อผ้าขึ้นไหลเนบดาบไปกับเอลถือไม้เท้าอำลาเจ้าของโรงเตี้ยกับช่างตีเหล็ก แล้วก็ออกเดินทางผู้คนที่พบเห็นต่างโจดจันกันไปต่างๆนาน า, นาว้าช่างเฮาหารดีแท้ใช่ใช่โอ้โหเดินนะขับถนนเลยหลวงจีน อ, องนี้สุดยอดสุดยอดตลอดครึ่งเดือนเต็มๆหลวงจีนลู่รอนแรมไปตามทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงตะวันออกไม่ยอมค้างแรมตามอารามแห่งใดยามค่ำก็อาศัยหลับนอนตามโรงแรม ยามกลางวันก็ฉันตามโรงเตียมอยู่เป็นนิจจะสินบ่ายวันหนึ่งขณะเดินไปตามถนนลุงจีนลู่ให้ดื่มดำ่ำบรนดานใจไปกับทิวทัศน์แห่งป่าเขาลำนาไพรและน้ำตกสองฟากทางเสียจนลืมเวลาพลันก็ตระหนักขึ้นว่าตัวน่าจะไปถึงโรงเตียมข้างหน้าไม่ทันมืดค่ำเสียแล้วหันไปดูเพื่อนร่วมทางเล่าก็ไม่มีสุดจะนอนค้างอ้างแรมที่ไหนลุงจีนลู่ผู้รู้แจ้ง จำเดินต่อไปอีกยี่สบสาสิบลี้พอข้ามสะพานไม้มาได้หน่อยหนึ่งก็เห็นคฤราหาดหลังใหญ่แทรกอยู่หลังแมกไม้ซ่อนตัวอยู่ใต้กลุ่มเมฆมหฮมาหนาหนักเป็นปุยก้อนแดงราวเลือดนกตัวอาคารหมกเอาไว้ด้วยแสงอำพันยามตะวันชิงครบตัดกับฉากหลังโดดเด่นเห็นอารามดังกลักท้องรอยเรือเหนือเกลียวขึ้นเขียวคล้ำดำตรังานซ่อนซพอยู่ใต้ตีนภูสูงอันแผ่ผางไพศาล หลวงจีนลู่บอกกับตนเองว่าขอเข้าไปค้างแรงคืนที่กระหัดหลังนั้นท่าจะดีแฮะพอเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นชาวนาหมู่หนึง่งกำลังขนย้ายข้าวของกันให้เป็นที่ชุลมนุนวุ่นวายหลวงจีนลูพ่พิงไม้เท้าเหล็กเข้ากับกำแพงแล้วเดินเข้าไปทักทายบรรดาชาวนาเหล่านั้นพวกเขาถามว่าเอา ฉนันไหนมาถึงคฤหาดของเราเอาตอนเย็นย่ำชันนี้ละหลวงเพโอุ้ยหลวงจีนลูต่ตอบไปว่าได้มืดค่าเข้ามาแล้วอาตมาเห็นท่านจะไปไม่ทันรงเตรียมข้างหน้าจึงมาขออาศัยข้างแรมที่นี่สักคืนหนึ่งพรุ่งนี้ตื่นจะรีบไปแต่เช้าพวกคนงานพูดกับหลวงจีนลู่ว่าโอ้ยคืนนี้เรายุ่งนักจะให้ท่านพักไม่ได้ดอกหลวงจีนลู่ว่าแม่แค่คืนเดียวเท่านั้น พอเช้าอาตอมาจะรีบไป ท, ทันทีพวกเขาพูดขึ้นอีกว่าถ้ารักตัวกลัวตายก็จงรีบรีบไปซะหลวงพี่อย่าได้เตร็ดเตอยู่แถวนี้เลยเอ๊พูดอะไรพิษก่อ น, นักเพียงแค่ขอค้างคืนเดียวฉนันให้ต้องเที่ยวเป็นฝืนเป็นไฟไปด้วยเรามันจะมีพิษภัยอะไรกันนักหนาฮะเฮ้พวกเขาพูดว่าเออน่รีบรีบไปซะ ให้เช่นนั้นหลวงพี่จะถูกจับมัดนะพอได้ฟังดังนั้นหลวงจีนลูกหันก็ตบาทท่าแตกหมดความอดทนและพูดด้วยความโมโหว่าเอ๊ะฉันไหนไม่มีมารยาทเอาเส้นเลยยังไม่ทันตอบปากต่อคําสั ก, กนหน่อยฉันไหนครูจะจับจะมัดกันด้วยน้อยแน่เฮ้ยไม่รู้จักซะแล้วไผเป็นไผชาวนาเหล่านั้นบ้างก็กลนด่าบ้างก็เข้ามาปรอบหลวงจีนลูกหันไปหยิบไม้เท้าเตรียมจะเข้าฟาด ก็พอดีชายชราผู้หนึ่งโผล่ออกมาจากคารุหาต์คเนอายุ broken, tá, in illing, 60ปีปลายถือไม้เท้าสูงท่วมหัวแล้วเอ่ยขึ้นว่าเอ๊ะบะเฮิออะไรกันแล้วเดินตรงเข้ามาหาพวกชาวนาฟ้องพ่อเฒ่าว่าหลวงจีนลูกนี้ลรอครับคิดจะทุบตีพวกเราหลวงจีนลูกบอกว่าอาตมามาจากเขาวูไท่จะไปเมืองหลวงตะวันออก แต่วันนี้ไปไม่ถึงโรงเตียมข้างหน้าจึงได้มาขอค้างที่คฤรหานนี้แต่พวกกระขเหล่านี้คิดจะจับอาตมามัดเฮยชัยชราตัดบทแล้วว่าถ้าเป็นพระมาถักพระอารามบนเขาโหัไทยก็นี่มนต์ตามข้าพเจ้ามาทางนี้เถิดหลวงจีนลูดเดินตามชัยชราเข้าไปยังห้องโถงใหญ่แล้วก็ลงนั่งในฐานะเจ้าบ้านกับอคันตุกะ สยชราพูดขึ้นว่าพวกบ้านนอกขอกนะเหล่านี้ไม่ทราบหรอกว่าพระคุณเจ้ามาจากที่ที่จำภาษาของพระโพธิสัตว์นะโรดจะได้ถือสาหาความเลยพวกมัาานนึกว่าพระคุณเจ้าเป็นพระธรรมดาธรรมดาข้าเองก็เครารพกราบไหวบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอไม่ได้ขาดเลยถึงคืนนี้เราจะยุ่งแต่ก็ยินดีนิมนต์พระคุณเจ้า จังวัดเสียที่นี่เถิดฮนะข้ามืดแล้วไปก็อันตรายหลวงจีลูกวางไม้ท้ากระทัมลงลุกขึ้นโค้งคำนับอย่างนอบน้อมแล้วเอ่ยว่าขอขอบใจนักขอให้อัตมาได้ทราบนาที่ทรงเกียรติของท่านด้วยเถิดพ่อเท่าว่าข้าแช่หลิวเพราะสถานที่นี้คือหมู่บ้านดอกท้อบา้านพวกชาวบ้านจึงพากันเรียกข้าว่า เท่าหลิวแหงมูบ้านดอกท้อบ้านนั่นเองข้าขอสราบนาของพระคุณเจ้ากับสมณศักดิ์ในสังฆปริมณฑลด้วยเถิดจะเป็นพระคุณยิ่งนักขอรับหลวงจีนลูว่าอาตามาแซ่ลูกเจ้าอาวาสตั้งสมัญญานามว่าผู้รู้แท่งทั้งทางโลกและทางธรรมชายชราเชิญให้หลวงจีนลู่รับประทานข้าเย็นด้วยถ้าเช่นนั้น นี่มนฉันข้าวเย็นกับเร้าด้วยเถิดเออแล้วพระคุณเจ้าฉันเนื้อได้หรือเปล่าลนะ่ะขอรับหลวงจีรู้ว่าไม่อัตามาไม่งดทั้งเหล้าทั้งเนื้อนั่นแหละถ้าเป็นเหล้าจะาใสก็ดีจะคุณก็ดีไม่ว่าเนื้อวัวหรือเนื้อหมาอัตามารับได้หมดพระชายชราก็ว่าในเมื่อพระคุณเจ้าไม่ดูจีพิริพี่ไร ข้าก็จะให้บ่าวยกมาทั้งเนื้อทั้งเหล้าเลยแต่ยังไงดีไหมล่ะพระคุณเจ้ากินให้เมากริ้งไปเลยพอโตยกตั้งขึ้นตะเกียบวางอยู่ต่อหน้าบรรดาคนรับใช้ก็ยกจานเนื้อหนึ่งกับจานผักอีกสามสี่อย่างเข้ามาบริการหลวงจีนลูกปลดห่อผ้าที่คาดพุงออกเตรียมฉันพัตหารให้เต็มคาบคนรับใช้รีบอุ่นเหล้าแล้วริมใส่จอกมิพักจะต้องนิมนต์ พียไม่กี่อืดใจหลวงจีนลูกก็สวาปามเนื้อเข้าไปทั้งจานกรอกเล่าตามเข้าไปอีกจนหมดกระปุกเท่าหลิวที่นั่งอยู่ตรงข้ามถึงกับจ้องตาค้างพอข้ามาถึงหลวงจีนลูกก็ฉันเข้าไปรวดเดียวหมดเกลี้ยงในที่สุดคนใช้ก็มาเก็บโต๊ะชายชรากล่าวว่านิมนท์พระคุณเจ้าไปพักในห้องปีข้างๆนี้ให้เป็นที่สบายก่อนเทิดคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงเอะม ะ, ะเถิงอะไร ก็จองอย่าได้กลายออกมาจากห้องโดยเด็ดขาดนะพระคุณเจ้าหลวงจีนลู่ถามด้วยความแปลกใจประงค์พอจะเล่าให้อัตมาฟังได้ไหมว่าคืนนี้จะมีอะไรกันอะ่ะเท่าเหลิวกล่าวอย่างโปรงๆว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอามาสาทยายให้ท่านผู้สละแล้วซึ่งวิถีแห่งเวเนยศัตร์ฟังดอกขอรับหลวงจีนลู่ว่าแล้วเหตุฉันไหน หน้าตาท่านจึงดูไม่สเบยเอาเสียเลยเล่าการมาของอัตมาท้าให้ประสบต้องเป็นทุกข์เป็นกังวลจนถึงเพียงนี้ทีเดียวหรือฮะถ้าเป็นเช่นนั้นพอเช้าขึ้นอย่าลืมเตือนอัตมาด้วยว่าเป็นหนี้อยู่เท่าใดแล้วอัตมาจะชําระให้สิ้นเลยใช่ชราว่าโปรดฟังก่อนขอรับพระคุณเจ้าเราวินทบาดข้าวปลาอาหาร และที่พำนักพักพิงแด่พระวิษุสงฆ์องค์เจ้าที่ผ่านไปมาอย e ู enfin her her ่เสมอเสมอมิได้ขาดแลวแล้วจะเป็นไรมีกับพระอีกแค่รูปหนึ่งที่ข้ากังวลอยู่ก็แต่ว่าคืนนี้ลูกสาวข้าจะแต่งงานเอาลูกเขยเข้าบ้านนะขอรับพอได้ฟังดังนั้นหลวงจีนลูกก็หัวรอฮ่าฮ่ฮแม่เลิกว่าเรื่องอันใดอันธรรมดาหญิงกับชายย่อมเป็นของคู่กันอยู่แล้ว นี่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งในชีวิตของเราทุกผู้ไม่ใช่เรื่องพ้นวิสัยใดๆแต่แล้วเหตุัะไหนท่านต้องคุณเคืองถึงเพียงนี้ด้วยเล่าเฮ้ยชายชราว่าท่านไม่เข้าใจดอกพระคุณเจ้าเราไม่ต้องการแต่งงานครั้งนี้หลวงจีนลู่ยิม้มแล้วว่าไม่ตาเท่าหน้าโง่เอย้ยไ่เต็มใจแล้วใหญ่ไปย่อมให้เขาเล่า ชายชราว่าโอ้พระคุณเจ้าอันทวขขานี้ไม่มีลูกเต่าคนอื่นอีกแล้วไม่ีลูกสาวอยู่กับเขาแค่คนเดียวโดดเดียวอายุอนานน้ำก็พึ่งย่างเขาสิบเก้าแต่ไม่ไก จ, จากนี้มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อภูเขาดอกท้อบานนายโจรสองคนตั้งชุมโจรมีสมัครพักพวกเราหกเจ็ดร้อยเที่ยวตีชิงปล้นสะดมอยู่ไม่ได้ขาดตำรวจเมืองฉิงโจ ทำอะไรพวกมันไม่ได้ไม่กี่วันมานี้พวกมันมาเรียกบรรณาการจากหมู่บ้านของเรานายจนคนหนึ่งเกิดเห็นลูกสาวข้าจึงเอาทองยี่สิบตำลึงกับผ้าต่วนแดงอีกพักหนึ่งมาเป็นของมันแล้วกําหนดจะมาแต่งงานที่คาราฮา์ข้าในคืนนี้ข้าไม่รู้จะทัดทานด้วยวิธีใดต้องกล่อกลื้อฟื้นทนด้วยจนใจที่ข้ากลุ้มกว็ด้วยเหตุนี้แหละหาใช่เพราะไม่อยากต้อนรับพระคุณเจ้า เิงดังสัตหลวงจีรุว่าอเช่นนี้นี่เองดอกหรือถ้าสมมติว่าอัตมาจะวานล้อมให้เขาแต่งกับลูกสาวท่านแล้วท่านจะว่าอย่างไรเท่าหลิวว่าแม่ไอสารเลวนั่นมันค่าได้ทั้งๆั้ ท, ที่ไม่กระพริบตาเลยนะขอรับแล้วพระคุณเจ้าเจ้าอะไรไปเปลี่ยนใ้มันได้หลวงจีรุว่า ตอนที่อตาตมามาจำวัดอยู่บนภูเขาวโวทยัยให้บังเอิญได้รําเรียนคำพีพุทธทตันตระกับท่านเจ้าอาวาสมาถึงตอนนี้แม้คนผู้นั้นจะใจแข็งด่างเหล็กเพชรอตาตมาก็อาจง้างออกเสียได้ด้วยล้มปากจงบอกบุตรสาวท่านให้ไปซ่อนตัวเสียอตาตมาจะเกลี้ยกล่อมเจ้าบ่าวในห้องนอนของนางเองจะเอาให้เปลี่ยนใจล้มเลิกแผนการแต่งงานในครั้งนี้เสียให้จงไท้ยเท่าหลิวว่า แม่ฟังแล้วให้ดูดีเป็นที่ยิ่งนักขอรับแต่แน่ใจนะว่าพระคุณเจ้าจะไม่ไปกระทำให้เรื่องราวยิ่งเลวร้ายหลวงจีนลู่ว่าอัตมาเองก็ไม่อยากตายใช่หรือไม่ละ่ะเอาเถอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอัตมา เ, เาสด็จเถิดชัยชราพูดกับหลวงจีนลู่ว่าถ้าเช่นนั้น ก็นับว่าดีแท้นับเป็นโชควาสนาของตระกูลข้าที่ได้พระพุทธเจ้าเสด็จเหินหาอวตารจากสวงสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาโปรดบ่าวพร่พอได้ฟังเรื่องดังนี้ก็ให้สนเทยิ่งขึ้นไปอีกชายชราถามหลวงจีนลู่ว่าพระคุณเจ้ายังต้องการฉันสิ่งใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ขอรับหลวงจีนลู่ตอบว่า อาตมาอิ่มอาหารหมดแล้วแต่หากว่าท่านยังมีเหล้าเหลือก็เอามาเผื่อให้อาตมาอีกสักหน่อยก็จะดีไม่น้อยเลยเท่าหลิวรับประกันว่าบ้านเราในี่มีเป็นองค์เป็นไห่พรางหันไปสั่งให้บา่าวไพ่นำเอาเนื้อห่านย่างกับแบกเหล้ามาอีกหนึ่งไห่หลวงจีนลู่ฉลองศรัทธาให้อีกยี่สิบสามสิบชามแก้มห่านย่างไปจนหมดตัวเสร็จแล้วบาว่าวไพ่ ก็นำห่อผ้าของหลวงจีนลู่เข้าไปเก็บไว้ในห้องรับแขกตามสั่งหลวงจีนลู่ตรงไปหยิบไม้เท้าวงเดือนกับดาบหลวงจีนลู่ถามเจ้าของบ้านว่าเน่ประศกลูกสาวท่านไปซ่อนแล้วหรือไรเท่าหลิวว่าข้าทรงไปหลบอยู่หมู่บ้านข้างๆเรียบร้อยแล้วขอรับถ้าเช่นนั้นเราไปที่ห้องทรงตูวกันดีกว่าชัยชาราพาหลวงจีนลู่ ตรงไปที่ห้องห้องหนึ่งพลางชี้ว่าห้องนี้แหละขอรับหลวงจีนลูกว่าแก่คนทั้งหลายว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงไปจัดเตรียมทุระอภรงของพวกท่านตามปกติเถิดเท่าเหลิวกับบ่าวพากันออกไปตระเตรียมงานเลี้ยงตามพิธีรีตอง ส่วนภายในห้องหลวงจีนลูกย้ายโต๊ะเก้าอี้ไปไว้ริมห้องวางดาบลงบนหัวเตียงพิงไม้เท้าพระธรรมให้ข้างๆแก้เชือกที่เสาหัวเตียงและปลายเตียงโรยม่านกระดึงท้องลงมาปิดเตียงนอนเอาไว้จนมิดชิดครันเสร็จก็แก้ผ้าทงทงกระโดดตัวเปล่าเบาหวงขึ้นไปนั่งรออยู่บนฟูกภายนอกม่านฟ้าค่อยๆโรยตัวลงมาเท่าหลิวสั่งบ่าพร่ให้จุดตะเกียงตามไฟไวที่หน้าบ้านกับท้ายบ้าน บนโต๊ะยาวที่ตั้งอยู่กลางลานโลง่งในบ้านก็ให้จุดทูบจุดเทียนและตามโคมไฟให้เป็นที่สว่างสวัยเสร็จแล้ว ช, ชายชราก็สั่งให้นำเอาเนื้อหลายจานและสุราหายใหญ่ที่อุ่นไว้แล้วออกมาตั้งรอพ่อยามเคาะบอกเวลาได้ยามหนึ่งเสียงคล้องกรองชิงฉาบก็ลอยล่องลงมาจากเชิงเขาแต่เท่าหลิวกับบ่าวไพร่พากันออกไปชเงเสรดูอยู่ริมรัว้วเหงือแตกพรั ก, ก, กด้วยกลัวว่าอุบายของตัวจะแตก ไกลออกไปแสงไฟจับใต้สักสี่สิห้าสิบเล่มก็สาดขึ้นฟ้าสว่างจ้าราวกลางวันส่องให้เห็นฝูงคนทั้งขี่ม้าและเดินเท้าเร่งฝีก้าวตรงมาตามทางสู่คฤหาตเท่าหลิวตะโกนสั่งบ่าวไพรให้อ้าประตูใหญ่รอท่าเอาพวกมึงเปิดประตูรอพวกเขาเลยเฮ้ยเดี๋ยวพวกเขาโมโหกันมึงเฮ้ยชักชาจังพวกมึงนี่ไม่รู้ทาอะไรกันอัดท้อ แล้วก็ออกไปยืนรับขบวนแห่ที่ใกล้เข้ามาขบวนนั้นหนึ่งแน่นไปด้วยศาสตราวุธระดับระดาที่ิวทงด้วยผ้าริ้วโปร่งสีสวยสดใสบนหัวของเ่าไพร่ก็ปักแซมด้วยดอกไม้สดแสงจากโคมแดงสีห้าดวงอาบท้องร่างในโจรที่นั่งอยู่บนหลังม้าเจ้าเบ่าสวมชฎายอดแหลมหน้าหมวกทาสีแดงจางๆปักดอกไม้ไหวขนาดใหญ่เท่าของจริงทัดหูอยู่ดอกหนึ่ง ผมคลุมร่างกำยำล่ำสันด้วยเสื้อคลุมไหมสีเขียวปักดิ้นทองคลิบริมด้วยขนสัตว์คาดเอวด้วยรัดประคตที่ทำเป็นกระดิ่งทองสีแดงกำสวมรองเท้าหนังสีดำส้นหนาขี่อาชาขาวตัวใหญ่แผงคอหยิกสลวยย้อยเป็นคลื่นและระรื่นตาพอมาถึงประตูใหญ่นายโจนก็ลงจากมา้าขบวนแห่ที่มาด้วยต่างพากันเข้ามาห้อมล้อมส่งเสียงอํานวยอวยชัยกับเจ้าบ่าให้อึงมี ด้วยมวกใบใหญ่ที่สวมคืนนี้ขอให้ได้เป็นเปล่าเป่า้เสื้อคลุมไหมที่ใส่คืนนี้ขอให้ได้เป็นเคยเท่าหลิวเดินไปหาด้วยจอบสุราที่วางไว้บนถาดพอไปถึงก็คุกเข่าทูลถาดที่รองจอบสุราขึ้นเหนือหัวบรรดาบ่าวไพร่ล้วนคุกเข่าตามลงไปสิ้นนายโจรรีบก้มตัวลงฉุดเท่าหลิวให้ลุกขึ้นโดยไวแมท่านเป็นพ่อตาแล้ว ต่อไปอย่าคุกเขาให้ข้าอย่างนี้อีกนะเท่าหลิวตอบว่าแม่กระไรเลยถึงจะอย่างไรข้าก็ยังไปได้แค่หนึ่งในใต้อนัทแห่งมาหาอาณจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลของในท่านเท่านั้นเองในโจรที่เมามาแล้วแปดในสิบก็หัวร่อร่าอย่างเบิกบานแล้วว่าฮหาฮ่าฮ่า่า <laughs> เอานะเอา้าะ เอาข้าเป็นเขยแล้วท่านจะไม่มีวันเสียใจเลยลูกสาวท่านกับข้านั้นสมกันราวกับกิ่งทองไผ่ยกชายชรายกจอกสุราต้อนรับแขกส่งให้ไปตามรมเนียมแล้วพานายโจรไปที่โต๊ะยาวที่ตามเทียนและโคมไฟไว้นั้นนายโจรว่าแก่ชายชราว่าอุย้ยท่านไม่ควรจัดพิธีต้อนรับให้เป็นที่เอกระริกแบบนี้เลยท่านพ่อตานายโจรคัดค้านพอเป็นพิธี ว่าแล้วก็ดื่มสุราข้าพอีีสามจอกสั่งเบาไพรให้ผูกมา้าไว้ใต้ต้นหลิวริมรัว้วแล้วตัวก็ตรงไปยังห้องรับรองบรรดาโจนไพรเริ่มตั้งวงคล้องกรองให้เป็นที่บันเทิงเรื่นเริงกันอยู่ภายนอกนายโจนนั่งลงพรางถามชายชราว่าเอา้าท่านพ่อแล้วเมียข้าล่ะอยู่ที่ไหนพ่อเท่าว่าร้างไม่กล้าออกมานอกห้องหรอก นางยังหายอยู่ในโจนหัวเราะแล้วว่าเอาเหล้ามาอีกข้าจะขอดื่มกับท่านบ้างแต่พอรับจอกสุรามาถือไว้ก็เกิดเปลี่ยนใจพูดขึ้นว่าข้าขอไปดูเจ้าสาวก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาดื่มกับท่านที่หลังก็แล้วกันเท่าหลิวให้วิตกด้วยยังนึกไม่ออกว่าลุงจีนลู่จะตะล่อมนโจนอีท่าไหนพ่อเท่าพูดขึ้นว่า มามาข้าจะชี้ห้องนางให้ว่าพรางก็หยิบเทียนขึ้นมาถือเท่าหลิวผ้าในโจรเดินอ้อมบังตาแล้วตรงไปยังประตูห้องท่งตัวเจ้าสาวแล้วเอ่ยว่าที่นี่แหละนางอยู่ในห้องนี้เชิญท่านเข้าไปได้แล้วว่าแล้วก็ถือเทียนจากไปด้วยไม่รู้ว่าแผนของตัวจะสำฤิตผลหรือไม่ประการใดดังนั้น ทางที่ดีจึงต้องรีบปลดกตัวหนีออกไปเสียให้ไวที่สุดนายโจรผลักประตูเข้าไปภายในห้องมืดสนิทแม่พอตาเรานี่ช่างตระนีทีเหนียวนะักนายโจรพึมพำกับตัวปล่อยให้เจ้าสาวข้าต้องจมอยู่ในห้องมืดมืดตะกิ้สักดวงก็ไม่มีพรุ่งนี้เห็นทีต้องใช้ลูกน้องขึ้นเขาไปแบกออน้มามันลงมาสักถังหลวงจีนลูกกลั้นหัวเราะอยู่หลังม่านบนเตียง ไม่ยอมกระตกกระตากนายโจนค่อยๆคลำทางไปในความมืดจนมาถึงกลางห้องแล้วเอ่ยเบาวๆว่าเมียจา๋าผัวมาแล้วอย่าเหนียมอายไปเลยพรุ่งนี้ข้าจะตั้งให้เป็นหูหญิ้นใหญ่บนเขาพอเรียกหาเมียนายโจนก็ค่อยๆคลำทางไปในความมืดจนมือมาสะดุดถูกม่านกริ่งทองพอแหวกม่านออกเสียงดังกรุง้งกริง้งก็ยื่นมือควานเข้าไปข้างใน คลำไปแตะถูกพุงกะทิยุนย่นๆของคนที่อยู่บนเตียงฉับพลันนั้นหลวงจีนลูกก็ยื่นมือออกมาคว้าท้ายทอยในโจรหนุ่มกระชากกดเข้าหาพุงตัวในโจรลงไปนอนดิ้นคลุกขลักอยู่บนฟูกหลวงจีนลูกก็กำหมัดขวาแน่นแล้วตะวาดว่าไอโจรชั่วแล้วอาสันมัดทุบใส่ต้นคอของในโจรได้นับในโจรร้องสวนออกไปว่า เฮ้ยกล้าดียังไงมาตีผัวตัวเองวะเนี่ยเฮ้ยลูกจีนลูกย้อนว่ากูจะสอนให้มึงรูจร้จักเคารพหูยินของมึงเสีย บ, บ้างว่าพรางก็เอาเท้าถีบในโจรตกจากเตียงแล้วกระโดดตามลงมากระทืบใส่ร่างที่ดิ้นกระเด่ากระเด่อยู่กลางห้องซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นหลายหนพอรู้ว่าตัวพลาดในโจรก็ร้องเสียงหลงช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพอดาพอา้าเฮ้ยผกมึง วย ด, ดูย้นอกห้องเท่าหลิวตกตะลึงตัวชาด้วยเหตุที่กําลังคิดว่าหลวงจินลูกจะกําลังพูดจาว่านล้อมให้ในโจรทราบซึ้งในรถพระธรรมคําสอนชายชราช่วยได้ตะเกียงก็รีบวิ่งย้อนกลับไปที่ห้องลูกสาวตัวโจรที่เหลือก็กรูตามกันไปเป็นพรวนพอมาถึงก็เห็นพระตัวอ้วนสูงใหญ่รูปหนึ่งไม่ใส่เสื้อผ้ากออ้องโค้งคล่อมร่างในโจรที่นอนแผ่หลายอยู่บนพื้นข้างเตียงอยู่ทงทง พางใช้กัมพันธ์ทั้งสองละเลงทุบตีในโจรผู้นั้นอย่างดุ ด, ดันเฮ้ย <Hey, S 1> ไปช่วยนายเร็วๆเขา้าสมุนโจรคนหน้าตะโกนขึ้นคนอื่นๆก็ตามไปกระชับทวนกับไม้พลองได้ก็ถลันเข้าใส่หลวงจีนลูกหลวงจีนเห็นดังนั้นก็ทีบมในโจรออกไปข้างหนึ่งหันไปคว้าไม้ท้าพระธรรมจากข้างเตียงแล้วกระโจนเข้าใส่ริบไม้ท้าวงเดือน ช่างดุดันแหลรุนแรงจนบรรดาจนป่าพากันแตกกระเจิงไปสิน้นแต่เท่าใจหายวูบอุทานออกมาดังๆโอ้ยยุ่งกันใหญ่แล้ววันนี้เฮ้ย ใ, ในยามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนั้นนายจนหนุ่มได้ทีก็ค่อยๆ ค, ค, ค, ค, คลานหนีออกจากห้องพอหลุดมาได้ก็โกยสีข่ขาออกมาทางประตูใหญ่มงวุ่มาง่าม ง, งาหลาไปถึงม้าของตัวที่บัตรนี้ปลดอ่านออกไปแล้วพอหักได้กิ่งหลวก็ตะกายขึ้นหลัง หดใส่ก้นม้าเต็มรักแต่ทว่าม้ากลับเนี่ยงอยู่กับที่ในโจรคิดในใจว่าโอ้ยสวยแล้วสิข้าแม้แต่มา้ามันยังมีจิตคิดทรยศแต่พอมองดูอีกทีก็เห็นว่าตัวรีบจนลืมปลดเชือกที่ล่ า, ปามปากม้าไว้กับต้นหลิวจึงปลดออกแล้วทะยานขึ้นมา้าควบปูเลงปูเลงขึ้นเขาไปทั้งทงที่ไร้อาน ในโจรนึกด่าเท่าหลิวว่ามึงรอร อ, อยู่นี่แหละไอ้ล้ากแอขณะคว้ม้าผ่านประตูรัว้วก็ตะโกนออกไปว่ามึงอย่าคิดนะว่ามึงจะไปหนีไปไหนได้นะฮะด่าพลางก็หวดม้าด้วยกิ่งหลิวไปพลางม้าตะกุยดินพักสิ้นทั้งหินทั้งหญ้าปลิวว่อนสู่ท้องฟ้าเท่าหลิวคว้าแขนหลวงจิตลู่ไว้แล้วขวนว่าแม่พระคุณข้า เล่นเอาไฟมาใส่ตระกูลข้าเสียแล้วหลวงจีนลูต่ตอบว่าขออภัยให้อัตมา ท, ที่เสียมารยาทด้วยเอาเสื้อผ้าจีวอัตมามาก่อนแล้วค่อยว่ากันบ่าพรายรีบนําเสื้อผ้าออกมาจากห้องหลวงจีนลู่ก็แต่งกายให้รัดกุมแล้วเท่าหลิวพูดกับหลวงจีนว่าข้าคิดว่าพระคุณข้าจะหวานล้อมให้ไอโจรมันเปลี่ยนความตั้งใจด้วยล้มปากซะอีก ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะใช้กำลังทุบดีข้าคิดว่าพอไปถึงค่ายมันจะต้องพลธนาไปทั่วคราวนี้แหละพวกโจรก็จะต้องแหกันลงมาล้างข้ากับครอบครัวจนสิ้นอย่างแน่นอน <c oughs> หลวงจีลูกพูดกับเท่าหลิวว่า <c oughs> อย่ากลัวไปเลยท่านขอเรียนตามตรงอาตมาเคยเป็นครูฝึกทหารอยู่ที่ด่านชายแดนของท่านขุนพลจงพูดเท่า ประจำจังหวัดเย็ยนอันด้วยเหตุที่อาตมาฆ่าคนตายจึงหนีไปบวชเป็นพระต่อให้ทหารขี่ม้ามาสักสองพันอาตมาก็ไม่เคยวันสัมมาหาอะไรกับไอ้จอนขี้ปัตติวพวกเจ้าลองมายกไม้เท้านี่ดูสิถ้าไม่เชื่อน่ะฮะหลวงจีนลู่หันไปท้าพวกเบ่าวไพร่ที่ยืนฟังอยู่แน่นอนว่าไม่มีใครหน้าไหนจะยกไหวหลวงจีนลู่จึงดึงมากวัดแกว่งมองดูเบาราวไม้แขวนโคมไฟ เท่าหลิวอ้อนวอนหลวงจีนลูว่าพระคุณเจ้าอย่าทอดทิ้งพวกเรานะโปรดคุ้มครองครอบครัวข้าด้วยหลวงจีนลูพูดกับเท่าหลิวว่าไม่ต้องกล่าวดอกถึงตายอาตมาก็ไม่ยอมไปไหนทั้งสิ้นเท่าหลิวหันมาสั่งบบาวไพร่ว่าไปเอาเหล้ามาให้หลวงพี่แล้วบอกหลวงจีนลู ว, ว่าพระคุณเจ้าเองก็อย่าดื่มจนหมดสติไปสิกคอนล่ะหลวงจีนลู พูดกับเท่าหลิวว่าหากอาตมาหมึนหนึ่งในสิบอาตมาก็จะออกฝีมือได้หนึ่งในสิบแต่ถ้าเมาถึงสิบอาตมาออกฝีมือได้เต็มสิบเช่นกันเท่าหลิวจึงพูดกับหลวงจีนว่าถ้าเช่นนั้นก็ถามใจข้ามีเหล้ายาปลาปิ้งออกเหลือแหล่นี่มนพระคุณท้าวว่าเขาไปให้เต็มที่เลยขอรับ ถ้าเช่นนั้นก็ตามใจข้ามีเหล้ายาปราปิ้งออกเลือแลนี่มนพระคุณท้าวว่าเขาไปให้เต็มที่เลยขอรับตอนนี้หันมากล่าวถึงนายโจรใหญ่ที่อยู่บนภูดอกท้อบานก่อนขณะกำลังคิดจะส่งแมวมองลงไปสืบข่าวงานแต่งงานของนายโจรคนที่สองว่าไปถึงไหนแล้ว บัดดลสมุนโจรคนหนึ่งก็กระหืดกระหอบขึ้นมารายงานว่าแย่แล้วแย่แล้วแย่อะไรวะาหัวหน้าใหญ่คาดคันเหตุฉันไหนจึงตกตื่นไดถึงป่านนี้วะเนี่ยฮะลูกสมุนที่กระหืดกระหอบมาร้องตะโกนว่ากดไอ้สองของเรานั่นสิถูกทุกจนแย่แล้วพ่อนายใหญ่ขยับจะถามพันก็มีเสียงตะโกนขึ้นว่าแรงอ้น นายสองกลับมาแล้วในายใหญ่มองออกไปก็เห็นว่าในรองนั้นหมวกแดงหายไปเสื้อไหมเขียวสดใสก็ถูกฉีกขาดจนกระรุ่งกระริ่นายสองพอลงมาได้ก็สุดหัวบลงไปกองอยู่กับพื้นแล้วว่าท่านพี่ท่านพี่ช่วยข้าด้วยลูกพี่ใหญ่พูดขึ้นว่าเกิด อ, อะไรขึ้นกับแก้วนี่ฮะโอ้โห เฮ้เจ้าไปโดนหมาพิษบูที่ไหนฟัดเอาไว้เนี่ยฮะเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระเร่งเลยฮะโอ้โหดูไม่เจิดเลยหัวหน้าโจาน้อยพูดขึ้นว่าก็ข่าล้มเขาไปที่คฤรุหาดแล้วเข้าไปในห้องเจ้าสาวไอ้ล้าแกนั่นแอบส่งลูกสาวหนีไปซ่อนแล้วเอาลุงจีนอ้วนที่ไหนไม่รู้มาใส่เอาไว้แทนข้าไม่ ท, ทันสงสัยก็เอามือค้ำไปจนถึงเตียงไอ้ล้อนั่นกระชาก ข, ข่าลงไป ทั้งเตะทั้งต่อยจนฟกช้ำดำเขียวไปหมดทั้งตัวเพอคนของเรากรู ก, กันเข้าไปช่วยมันจึงได้ปล่อยข่าความไม่พร้อมวิ่งไล่หากไม่เช่นนั้นข้าเห็นทีจะห น, นีมาไม่ได้เพนแฮท่านพี่ช่วยแก้แค้นให้ข้าด้วยเถิดลูกพี่ใหญ่พูดขึ้นว่าเช่นนี้นี่เองเจ้าไปนอนพักซืก่อนข้าจะลงไปจับไอ้ขี่เรือตัวนั้นขึ้นมาที่นี่พรางตะโกนสั่งลูกน้องว่าเฮ้ย ไปเตรียมม้าให้ข้าเดี๋ยวนี้และพวกเจ้าทุกคนไปกับข้าในโจนที่หนึ่งขึ้นม้ารวบรวมคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วถือหอกขี่ม้าลงเขาไพรพลพากันกู่ร้องให้อึงมีย้อนกลับมาทางหลวงจีนลู่ที่กําลังดื่มสุราอยู่ในคาร์ลฮา์ดพลันบ่าวก็เข้าไปรายงานว่ารายงานหลวงพี่ไอโจนใหญ่ยกไพรพลกลับไปอีกแล้วหลวงจีนลู่บอกว่า <laughs> อย่าได้วิตกไปเลยถ้าอตาตมาฟาดผูก ม, มันล้มลงพวกเจ้าก็เร่งเข้ามัดคุมตัวไปรับเงินรางวัลก่อนอื่นเข้าไปเอาดาบอตาตมาที่หัวเตียงออกมาก่อนหลวงจีรุลุกขึ้นถอดสังฆะติตัวนอกออกเอาเชือกผูกชายเสื้อให้กระชับห้อยดาบไว้กับเข็มขัดไม้ท้าพระธรรมกำเป็นหมัดอยู่ในมือสาวเท้าลงมาที่ลานบ้านแสงคบไฟส่องสว่างให้เห็นหน้าในโจรถือหอกยาวควบม้ามาที่คฤหาด นายโจนใหญ่ตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยไอ้ลาขี้เรื้อนตัวนั้นมันอยู่ที่ไหนวะเร่งออกมาสะสามกันเสียให้สิ้นเรื่องเถิดเฮ้ยหลวงจีนลู่สะบดว่าไอ้บัดซบพุ่นนี่ไม่รู้จักชั่วดีรถแท่จะต้องสอนให้รู้เระบ้างว่าพรางก็ปัดแกว่งไม้เท้าแล้วถลันออกไปพอนายโจนได้ยินเสียงก็ลดห อ, อกแล้วว่าลุงพี่ลงพี่หยุดก่อนซุ่มเสียงนี้เป็นที่คุ้นทัก หลวงพี่มีนามว่าใครหรือหลวงจีนลู่พูดกับนายโจรว่าอัตมาหาใช่ใครอื่นไกลก่อนนี้มีนามว่าลูตา้าเคยเป็นครูทหารที่ด่านชายแดนประจําป้อมค่ายของขุนพลจงผู้เท่าบัดนี้อัตมามาบวชเป็นพระไม่นามว่าหลวงจีนลู่ผู้รู้แจ้งนายโจรหัวเราะด้วยความดีใจม้วนตัวลงมาจากหลังมา้าวางอาวุธไว้ข้างกายยกมือขึ้นกลุ้มแล้วโค้งคาระวะฮ่า ตอนจากกันยามนั้นก็ได้แต่หวังว่าท่านพี่จะปลอดภัยเป็นท่านนี่เองสั่งสอนนายรองของข้าหักแรกหลวงจีนลูกคิดว่าเป็นคนอุบายจึงถอยออกมาเสียหลายก้าวก่อนจะผ่อนปลายไม้เท้าข้างหนึ่งลงสู่พื้นเพ่งมองหน้าในโจรในแสงใต้สัตว์พักหนึ่งจึงระลึกขึ้นมาได้หาใช่ใครอื่นนายพลสู้เสือลี่จงคนควงกระบองขายกอเอะที่ตลาดเมืองว่วยโจผู้นั้นนั่นเอง ลี่จงตรงเข้าไปจับมือถือแขนหลวงจีนลู่พรานถามว่าจับพัดจับผูเป็นมาอย่างไรกันถึงได้ไปบวชเชนละท่านพี่หลวงจีนลู่พูดกับลี่จงว่าเชิญขโมยข้างไหนก่อนเถิดแล้วอาตมาจะเล่าให้ฟังเท่าหลิวเห็นการกลับตลบปัดไปเช่นนั้นก็ให้ใจหายคิดขึ้นว่าหลวงจีนรูปนี้ก็เป็นพวกเดียวกับมันไปอีกคน หลวงจีนลู่กลับเข้ามาในเครือข่ายหยิบสังคติขึ้นสวมใส่แล้วพาลี่จงตรงเข้าไปไต่ถามสารทุกขสุขดิบโอพาปราศัยกันในคืนวันก่อนเก่าหลวงจีนลู่นั่งอยู่กลางห้องแล้วเรียกเท่าหลิวแต่ชายชาราไม่กล้าเข้ามาใกล้หลวงจีนลู่บอกว่าท่านผู้เท่าอย่าเกรงกลัวไปเลยบุรุษผู้นี้เป็นน้องอัตมาเองยิ่งได้ฟังเช่นนั้นก็ยิ่งสร้างความวันไหวให้เท่าหลิวหนักขึ้นไปอีกชายชารา ยังคงกล้า ก, กล้า ก, กลัวๆแต่พอเห็นลี่จงซุดตัวลงนั่งเข้าอี้ตัวที่สองเท่าหลิวก็รีบเข้ามานั่งต่อเป็นตัวที่สามหลวงจินลูกพูดขึ้นว่าอัตมาจะย้อนเรื่องตั้งแต่หุนหลังของอัตมาให้ฟังหลังจากข้าเจ้าแห่งประจิมทิศที่ตลาดเวยโจโด้วยสามหัดอัตมาก็ห น, นีไปยังตำบลเอี่ยนเหมินเขตจังหวัดใต้โจและได้พบกับเท่าจินคนที่อัตมาช่วยให้ไปเมืองหลวงตะวันออกคนนั้นนั่นแหละ แตตาเท่ากลับตามเพื่อนไปอยู่เสียที่เมืองเอียนเหมือนลูกสาวแกไปได้อยู่กินกับขะหาบดีเจ้าผู้มั่งคั่งซึ่งก็ต้องชะตาพกสมัครรักใคร่กับอัตมาตั้งแต่แรกที่เจอแต่ด้วยความที่ว่าตํารวจตามก้อนอัตมามาติดติดดังนั้นขะหาบดีเจ้าจึงออกเงินส่งอัตมาเข้าไปอุปสมบทกับเจ้าอาวาสบนเขาบู่ไท่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอัตมาจึงก้นหัวเข้าวัดแต่พออยู่ไปสักพักหน่อยอัตมาเกิดเมา แล้วไปก่อเรื่องขึ้นในห้องวิปัสสนาเจ้าอาวาสเลยให้อาตามาถือหนังสือไปหาเจ้าอาวาสอารามหลวงวัดเชียงกอในเมืองหลวงตะวันออกให้ช่วยหางานให้ตอนกำลังเดินทางคืนก่อนอัตามาหาโรงเตี้ยมไม่ทันก่อนค่ำดังนั้นจึงต้องมาอาศัยค้างแรมที่คาราหาร์หลังนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้มาเจอน้องที่นี่คนที่อัตามาตีเป็นใครกันแลวตัวท่านละ่ะ มาทำอะไรอยู่ที่นี่ฮะลี่จงพูดกับหลวงจีนหลู่ว่าก่อในวันนั้นหลังจากวันที่ขา้าจากท่านกับน้องซื่อจินที่โรงเตี้ยมในตลาดเว่ยโจ้ข้าก็ได้ยินว่าท่านพี่ไปฆ่าไอ้เจิงค้นข้าหมูข้าจึงไปหาซื่อจินแต่เขาหลบไปก่อนแล้วเพราะข้าได้ยินว่าตำรวจกําลังตามจับตัวท่านพี่และตัวข้าเองก็ผูพันอยู่ด้วยข้าก็เลยหนีออกมาบ้างพอผ่านมาถึงตีนภูที่นี่ พอดีไอ้คนที่ท่านทุบเอายกพวกลงมาพ้นเขาม่น่าว่าโจถุงฉายาราชาน้อยส่องสูงผู้คนอยู่บนเขาดอกท้อบานถ้าเอาชนะเขาได้เขาจะให้ขึ้นเป็นหัวหน้าให้ว่าการเป็นใหญ่อยู่บนเขาข้าเลยต้องกลายเป็นพวกนอกกฎหมายมาตั้งแต่บัดนั้นหลวงจีนรู้ว่าถ้าท่านเป็นนายใหญ่ก็โปรดจงสร้างให้ล้มเลิกงานแต่งงานของลูกสาวเท่าหลิวคนนี้เสียเถิด นางเป็นบุตรคนเดียวของแกแกหวังใจลูกคนนี้อยู่ดูแลไปจนกว่าจะแก่เท่าท่านจะเอานางไปแล้วปล่อยให้แกอยู่โดยลำพังนั้นไม่พึงปฏิบัติเท่าหลิวได้ฟังดังนั้นก็ยินดียิ่งนักสั่งบ่าไพรให้จัดสุราอาหารมาเลี้ยงอาคันตุกะทั้งสองพวกโจรลูกแถวก็พลอยได้รับแจกซาลาเปาคนละลูกสองลูกเนื้อคนละสองชิ้นกับเหล้าอีกคนละกระปุกทั้งหมดกินกันจนอิ่มหมีพรีมัน เท่าหลิวเอาของมั่นออกมาคืนให้ทั้งที่เป็นทองคำแท่งและผ้าต่วนรับไปสิน้องพี่หลวงจีลุขยันขยอลีีจงอัตอมาขอมอบภาระทั้งหมดนี้ให้อยู่ในมือของท่านลี่จงตอบว่าไม่ไอเรื่องนี้มันก็พอจัดการได้อยู่หรอกท่านพี่แต่โปรดนิมนต์ขึ้นไปอยู่กับข้าบนเขาสักพักหนึ่งก่อนเถิดขอเชิญเท่าหลิวด้วยนะ ชายชราจัดให้หลวงจีรุ่งขึ้นเกี้ยวสั่งบ่าไพราหามไปทั้งไม้เท้าดาบและห่อผ้าลี่จงขึ้นมา้าส่วนเท่าหลิวก็ขึ้นเกี้ยวหลังย่อมลงมาเช้าวันนั้นอากาศช่า ง, งแจม่มใสสุดจะให้พนานาพอขึ้นไปถึงค่ายหลวงจีรุ่งกับเท่าหลิวก็ลงเกี้ยวลีดจงลงมา้านายโจนพาทั้งสองไปในห้องโถงใหญ่แล้วทั้งสามก็พากันนั่งลงลี่จงเรียกโจนถงเข้ามาหา พอเห็นเป็นหลวงจีนโจถุงก็โกรธแม่พี่กูไม่เพียงไม่ยอมชำระแคนให้กลับเชิญพวกมันขึ้นมาถึงนี่แถมยังให้มันนั่งเก้าอี้แขกเกียรติยอีกฮ <c oughs> มันยังไงกันวะเนี่ย <c oughs> ลี่จงถามว่า <c oughs> น้องพี่รู้ไหมหลวงจีนท่านนี้เป็นใครโจถุงพูดอย่างน้อยใจว่า <c oughs> ถ้ารู้ก็คงไม่ทุบตีเป็นแน่ <c oughs> นี่จงหัวเราฮะฮายังจำที่พี่เคยเล่าให้ฟังเรื่องที่คนฆ่าเจ้าแห่งประจินทิพไม่สามหมัดได้หรือไม่ละ่ะนี่ไงหลวงจีนท่านนี้นี่แหละโจถูงอุทานว่าไอย้ยาแล้วยกมือขึ้นกุมหัวทางก้าวออกมาโขกศรีรษะหลวงจีนลู่รับคาระวะแล้วว่ารถจะได้ถือสาหาความอตมาเลยแล้วทั้งสามก็นั่งลงแต่ชายชารายังคงยืนอยู่ต่อหน้าหลวงจีนลู่เอ่ยขึ้นว่า โปรดจงฟังอาตมาพี่โจมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับการแต่งงานระหว่างท่านกับลูกสาวพ่อเท่าหลิวนางเป็นลูกทนเท่าหลิวปรารถนาจะให้นางดูแลยามแก่เท่าเจ็บไข้ได้ป่วยและสืบทอดวงตระกูลหากท่านพาดเอานางมาทำเมียเสียแกก็จะไร้ใครอื่นอาตมารู้ว่าในใจแกไม่ยินยอมเพื่อเห็นแกหน้าอาตมาจงปล่อยนางไปเสียเถิด แล้วค่อยหาผู้หญิงดีๆเอาใหม่นะนี่คือผ้าตนกับท้องของมัน่นอาตมาขอคืนให้ท่านท่านจะว่าประการใดโจถุงว่าในเมื่อหลวงพี่ขอข้าก็จะไม่ไปเยียบบ้านนั้นอีกหลวงจีนลู่ย้ำว่าดีคนจริงย่อมไม่ระบัดสัตว์โจถุงนำลูกเกาทานออกมาหักเป็นหลักประกันเท่าเหลิวโค้งคำนับ เอาทองและผ้าต่วนคืนให้แล้วลงเขากลับไปยังบ้านของตนฝ่ายลี่จงกับโจถุงก็สั่งให้ล้มม้าฆ่าวัวจัดงานเลี้ยงดูปูเสือหลงจีนลูกอยู่หลายวันพาไปชมวิวทิวทัศน์บนเขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังปูดอกท้อบานนับว่าเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งแห่งหนึ่งสันถานทั่วไปยังเป็นทิวเถือนห้อมล้อมด้วยหน้าผาสูงชันต้นไม้ใบหญ้าขึ้นรกชัดแน่นขนาดไปสิน้นคนที่จะล่วงขึ้นไปได้ ต้องเลียงแถวขึ้นไปทีละคนเท่านั้นหลวงจีนคิดในใจแม่สมกับเป็นที่มัน่นอยู่เพียงไม่กี่วันหลวงจีนลูกก็รู้ว่าลี่จงกับโจถุงไม่ได้ใจกว้างหากยังหนักไปทางตรรนีทีเหนียวเสียด้วยซ้ําดังนั้นจึงตัดสินใจจะไปต่อถึงนายโจรทั้งสองจะหว่านล้อมเพียงใดก็ไร้ประโยชน์หลวงจีนลูกบอกกับสองนายโจรว่าอัตามาบทเป็นพระแล้วจะอยู่เป็นโจรอย่างไรได้ สองในโจรพูดกับหลวงจีนลู่ว่าหากลวงพี่ยืนยันจะไปพรุ่งนี้เราสองคนจะลงเขาหาขึ้นมาเท่าไรขากลับจะมอบเป็นค่าเดินทางให้ทา่ทานทั้งสิน้นรุ่งขึ้นมีการล้มหมูและแกะเป็นการเลี้ยงอำลาพอทุกอย่างเตรียมเสร็จสับถ้วยชามรามไห้และจอกเหล้าที่ทำด้วยเงินและทองก็ถูกลำเลียงขึ้นมาวางบนโตะ๊ะพอแขกกาลังจะนั่งลงดื่มสมุนโจรคนหนึ่งก็เข้าไปรายงานว่า ไรอ้อนหัวหน้าเวนขนาดใหญ่สองเล่มกับคนเดินทางสิบกว่าคนกาลังจะผ่านมาทางนี้ขอรับฉับพลันทั้งลี่จงกับโจถุงก็สั่งระดมไพร่พลทิ้งสมุนโจรสองคนเอาไว้ปรนิบัติปรินสุรารับใช้หลวงจีนลูกลี่จงพูดกับหลวงจีนลูว่าหลวงพี่โปรดนั่งดื่มให้สบายอุราอยู่ที่นี่ก่อนพวกเราจะพากันลงไปเก็บสมบัติแล้วจะรีบกลับขึ้นมากินกับท่านต่อ ว่าพลางก็หันไปกำชับสองโจรให้คอยรับใช้หลวงจีนลูกแล้วนําคนที่เหลือลงเขาไปหลวงจีนลูกคิดในใจว่าอะไรจะขี้เหนียวปานนั้นวะแทนที่จะเอาจอกเงินจอกทองพวกนี้เหมาะเพรราบ้างกลับสั่งให้เราเรอของที่จะเ ป, ปิดป้นมาทําอย่างนี้มันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนี่วะมีแต่คนเดินถนนเท่านั้ น, ท, น, น, ท, น, นที่จะต้องรับกรรมเฮ็ดทีต้องเล่นงานพวกมันให้หลับจำสิบว่า คิดได้ดังนั้นก็สั่งสมุนโจรทั้งสองรินเหล้าแต่พอเหล้าจอกที่สองตกถึงท้องฉับพลันหลวงจีนลูกก็ทะลึ่งขึ้นลั่นมัดใส่สมุนโจรเป็นคนละมัดเฮ้ยนี่แทอะไรนี่หลวงพีแก่ผ้าผูกเอวของมันทั้งสองออกมามัดอีกปลายผูกเป็นปมยัดปากเอาไว้หรือย่ามของตัวขนเข้าของที่ไม่มีราคาค่างวดออกมาทิ้งกวาดเอาเครื่องเงินเครื่องทองทั้งจอกทั้งจานบนโต๊ะ ลงมากองกับพื้นเอาตีนกระเทือให้แบนยัดใส่เข้าไปแทนที่หยิบหนังสือจเจ้าอาวาสกับใบสุทธิของตัวมาผูกไว้กับอกหลวงจีนลู่เอาดาบเดบเอิลหยิบไม้เท้าเอาถุงสมบัติทูลหัวเดินออกจากซ่องโจรแห่ง น, นั้นไปพอมาถึงหลังเขาก็คเนดูว่าเหวนั้นทั้งสูงทั้งชันทางลงก็ไม่มีหลวงจีนลู่คิดในใจว่าแต่ถ้าเราลงทางด้านหน้าเราคงต้องฝ่าพวกมันลงไปแ น, น่แน่ สู้กลิ่งลงไปทางนี้ถ่าจะดีกว่าพงหญ้าหนาดีคิดได้ดังนั้นแล้วก็เอาดาบกับถุงผ้าผูกเข้าด้วยกันทิ้งจากหน้าผาลงไปพร้อมไม้เท้าแล้วม้วนตัวกลิ่นหลุนๆทิ้งดิ่งตามลงไปห่อกลิ่งมาได้สักพักก็ลงมาถึงพื้นโดยไม่ได้รับบาดเจ็บหลวงจีนลูกกระโดดลุกขึ้นก้มลงเก็บห่อผ้าเอาดาบเน็บเอวแล้วหยิบไม้เท้าขึ้นมาถือ เลือกเส้นทางแล้วบ่ายหน้ามุ่งตรงสู่เมืองหลวงตะวันออกย้อนกลับมาทางรีจงกับโจถุงพอลงมาถึงตีนผู้ด้านหน้าก็เห็นคนเดินทางหลายสิบคนถืออาวุธคมกริบครบมือในโจนทั้งสองลดใบหอกลงแล้วกระตุ้นให้สมุนรุกเข้าใส่พวกโจนตะวาดว่าเฮ้ยถ้าพวกมึงยังพรอมมีสัมมันสำนึกจงเอาเงินอาวัจ่ายค่าผ่านทางเดี๋ยวนี้เฮ้ย คนเดินทางผู้หนึ่งกวัดแกงงว่งเงาโถมเข้าใส่ลี่จงทั้งคู่รบกันไปได้สิบเพลงทั้งรบทั้งรับแต่หันนี้ผู้ใดเพี้ยงทําไม่โ <Hey, S 1> จถุงเห็นดังนั้นก็โกรธตะโกนขึ้นแล้ววิ่งเข้าใส่โจนที่เหลือก็กลัวกันเข้าไปฝ่ายคนเดินทางมีกําลังน้อยกว่าสู้ไม่ได้ก็หันหลังกลับเพนหนีคนที่วิ่งช้าก็ถูกพวกโจนฆ่าไปสิบเจ็ดแปคนเหวียน2เล่มและทรัพย์สินทั้งหมดถูกยึด ายโจรค่อยๆลาบถอยขึ้นเขาร้องรำทำเพลงกันไปเป็นที่เอกิกเะเริกงพอมาถึงค่ายก็เจอสมุนโจรสองคนถูกมัดติดกับเสาในห้องโถงถ้วยชามรามไหจอกเงินจอกทองที่วางอยู่บนโต๊ะก็อันตรฐานหายไปสิน้นโจโถงแก้มัดสองโจรแล้วถามว่าไอ้พวกมึงลุงจีโลอยู่ไหนวะเนี่ยฮะสองสมุนโจรที่ถูกมัดพูดกับลีจงว่าเฮ้ยมันเป็นคนต่อยเราแล้วจับเรามัด เก็บควาดเข้าของพวกนั้นไปสิ้นแล้วก็หนีไปครับเจ้านายโจถุงตะหวาดขึ้นว่าเฮ้ยว่าแล้วไอ้ขี้เรือนตัวนั้นมันต้องไม่ใช่คนดีมันเล่นสุกโปรกกับเราแล้วตอนนี้มันไปทางไหนวะเนี่ยฮะพวกโจรช่วยกันค้นหาจนกระทั่งเห็นรอยจิ้งลงไปทางหลังเขามองลงไปในเหวก็เห็นกอหญ้าแหวกราบออกเป็นทางโจถุงรำพึงว่าโอ้โหไอ้ลาหนังกลับเจนจัดนัก เขาสูงชันขนาดนี้มันยังกลิ้งลงไปได้ปาทะ้อี่จงเสนอว่าเราตามไปจับตัวมันมาเค้นเอาความจริงจะดีกว่าให้อบับาดซบนั่นและไอไก้กระใจขึ้นมาบ้างโจถุงว่าอย่าเลยขมโมยหนีไปแล้วเปล่าประโยชน์ที่จะไปลั่นด่านประตูเราจะไปหาตัวมันได้ที่ไหนถึงจะพูดกับมันได้ก็ไม่ได้ของคืนอยู่ดีและถ้าจะว่าไปแล้วฝีมือข้ากับพี่ก็สู้มันไม่ได้ดอกอีกอย่างหนึ่ง หากคราวนี้ขืนปูมบามแล้วคราวหน้าเกิดไปเจอมันใหม่สถานการณ์อาจจะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกมากขึ้นก็ได้นะทางที่ดีลืมมันไปเสฉยๆโอกาสหน้าฟ้าใหม่หากได้เจอกันเราก็ยังอาจแซงทําทีว่าไม่มีอะไรต่อกันก็ได้เรากลับไปเปิดเวียนที่ชิงมาดูดีกว่าจะได้แบ่งเงินทองและผ้าไหมออกเป็นสามส่วนพี่กับข้าเอาไปคนละส่วนที่เหลือปล่อยให้คนของเราเอาไปแบ่งกันว่าไหม พี่จงว่าไอ้หลวงจี น, นั้นขโมยของเจ้าไปตั้งเยอะในเมื่อข้าเป็นคนนำมันขึ้นมาเจ้าก็เอาส่วนที่เป็นของข้าไปด้วยเสียเถิดโจถุงพูดขึ้นว่าโท่พี่ลี่ไอ้เรามันกระรวมหัวจมไทยเป็นตายกันมาก่อนนานโขแล้วพี่กับข้าไม่สมควรจะมาลำเลิกคิดเล็กคิดน้อยเช่นนี้ดอกท่านผู้ฟังขอรับโปรดจาเอาไว้ให้ดีลี่จงกับโจถุง ยังคงอาศัยชุมโจรแห่งเขาดอกท้อบานออกตีชิงร่นสะดมอยู่เช่นนั้นไม่ได้ขาดย้อนกลับมาทางหลวงจีนลูกพอจากชุมโจรแห่งนั้นมาได้ก็เดินทางตั้งแต่เช้าจรดบ่ายคะเนดูเป็นระยะทางประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบลี้ก็เริ่มหิวจนแสบไส่มองหาโรงเตียมที่ไหนที่ไหนก็ไม่เห็นหลวงจีนลูกรำพึงกับตนเองว่าเรา รีบออกมาแต่เช้าไม่ทันคิดหน้าคิดหลังรั้งแต่จะเร่งเดินยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยแล้วนี่จะไปหากินอะไรได้ที่ไหนวะเนี่ยฮะโอ้โหแย่แล้วว่าแล้วก็หันไปมอง ร, บรอบๆจากที่อันไกลโพ้นทันก็แว่วเสียงกระดิ่งลอยลงมาเบาๆลู่นึกในใจว่าไม่เยี่ยมนักถ้าไม่ใช่อารามพุธมันก็ต้องเป็นวิหารเต่าแน่ๆกระดิ่งนั้น คง่อยอยู่ตามชายคาพอต้องสายลมก็ร้องรุ้งริ้งรุ้งริ้งเราจะไปที่นั่นละก็ถ้าหากว่าหลวงจีนลู่ไม่ได้ไปในที่นั้นเกือบสิบชีวิตก็คงไม่ถูกเชื้อในคืนเดือนมืดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรื่องชื่อมาช้านานแต่ครั้งโบราณบนเขาก็คงไม่ต้องตกเป็นเท่าอยู่ใต้กองไฟเช่นนั้นแต่ทว่าช่างอนาถหนอ ไฟแดงล่ามเรียหอทองกะไอดำสยายควันม้วนตลบตีกลบวิหารเขียวหยกหลวงจีนลูกไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นไรฟังบทต่อไปแล้วท่านจะได้รู้ครับเราก็ได้ดำเนินรายการถึงช่วงสุดท้ายน้าก็ขอถือโอกาสนี้ร่ำลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับ